ตัะวะโตรหัตโตสมาสัมพุทธโ ะ, ะโมตัะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธสัตนโ ะ, ะโมตัสะภควะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธสัยะยถาปิปุพพราสิมหากายรมาลาคุเนหูเหวังชาเดนามาจนา

กาพังกุศลังพระหุงช่างดอกไม้ย่อมร้อยพวงดอกไม้จะก่องดอกไม้ให้มากได้ฉันใดบุคคลผู้เกิดมาแล้วจำต้องตายควรทากุศลให้มากแม้ฉันนั้นดังนี้ต่อไปนี้จะได้นำธรรมทานเรื่องความตายใช่น่ากลัว

อย่างที่คิดเรียบเรียงโดยภิกษุเนรนามมาแสดงให้แก่ท่านสาธุชนทั้งหลายธรรมทานนี้เพื่อประโยชน์อะไรเรามีนัดกับความตายมาแล้วตั้งแต่เกิดไม่มีทางเลิกนัดกับความตายได้เมื่อเป็นเช่นนี้ธรรมทานนี้จึงเป็นคู่มือเตรียมพบกับความตาย

ตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งรวบรวมมาเพื่อประโยชน์ของท่านที่ศรัทธาในพระปัญญาตรัสรู้ของพระบระมศ า, ศาสตร์เพื่อเราจะได้มีชีวิตอยู่อย่างมีสรณะที่พึ่งสามารถพบกับความตายได้อย่างไม่กลัวตายเพราะเตรียมตัวตายพร้อมไวเพียงพอแล้วและเพื่อเตรียมตัวไว

ยามป่วยไข้ยามแก่ชราอีกด้วยธรรมทานนี้ยังสามารถเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ไปเยี่ยมคนไข่รู้ว่าเราควรจะไปเยี่ยมด้วยอะไรเพื่ออะไรสำหรับผู้พยาบาลเฝ้าคนไข้ที่ป่วยน้อยป่วยหนักหรือใกล้ตายผู้แวดล้อมใกล้ชิดญาติมิตรควรทำประโยชน์อะไรให้เกิดขึ้น

แก่ผู้ใกล้ตายที่สมควรแก่ความกรุณาอย่างยิ่งธรรมทานนี้มีคำตอบเมื่อความตายอยู่เคียงคู่กับชีวิตเราเช่นนี้เราควรใช้ความตายให้เกิดประโยชน์บุญกุศลแก่ตัวเองให้มากที่สุดและเมื่อเราต้องพบกับความตายอย่างจริงแท้แน่นอนเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งก็คือเวลาใกล้ตาย

เราสามารถกล่าวตักเตือนบอกการกระทาที่เป็นประโยชน์ชีวิตต่อผู้ที่เรารักที่มาอยู่ใกล้เราและกำลังจะจากกันไปว่าเราควรทำอะไรเมื่อต้องตายจากกันในวันหนึ่งอมิธานนี้จะสำเร็จประโยชน์ดังประสงค์ของผู้จัดทาหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับท่านเอง

มรณะหาได้ง่ายสำหรับผู้มีอายุสั้นในโลกชลาและหายนะต่างๆก็หาได้ง่ายสำหรับผู้มีอายุยืนโดยประการดังนี้ความทุกข์ในภพมีอยู่ทั้งสองทางเชิญท่านทั้งหลายประพฤติธรรมเพื่อกำจัดความทุกข์เถิดจากคัมพีเตละกะตาหักคาถา

ด้วยความเมตตาและระลึกถึงมรณภัยจากคณะผู้ประสานงานและจัดพิมพ์เรื่องความตายใช่น่ากลัวอย่างที่คิดโดยภิกษุนิรนามนี้มีคำนำดังต่อไปนี้ความตายนับว่าเป็นปัญหาของทุกชีวิตที่เกิดมาเพราะเมื่อเกิดมาแล้วก็ไม่มีใครอยากตาย

ก็ไม่มีใครหนีความตายได้พ้นแม้แต่พระศาสดาพระสมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังสิ้นประชนยังต้องตายยังดับปรินิพานตั้งแต่ผู้เขียนคือภิกษุนิรนามนึกถึงความตายเป็นครั้งแรกเมื่อายุ ป, ประมาณ 9-10 ถึงปีการนึกถึงความตายในครั้งนั้นทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางความคิด

และการกระทำเป็นอย่างมากวิถีชีวิตอย่างคารวะไม่มีสิ่งใดมีคุณค่าพอที่จะให้เกิดความรู้สึกยินดีได้หลังจากรอความถึงพร้อมของเหตุปัจจัยต่างๆในที่สุดก็ได้บรรพชาเมื่ออายุได้16ปีจนบัดนี้ชีวิตบรรพชิตผ่านไปแล้วถึง15ปีนับถึงปีพุทธศักราช

2,547 ทั้งหมดนี้นับเป็นคู่นูประการของมรณสติโดยแท้หนงังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อสอนตัวเองเป็นสำคัญแต่เห็นว่าเรื่องความตายเป็นปัญหาสำหรับทุกคนหากผู้อื่นได้อ่านคงเกิดประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยจึงได้จัดพิมพ์เพื่อแจกจ่ายแก่ผู้สนใจ

อันหนึงในการเขียนหนังสือเล่มนี้ย่อมมีข้อผิดพลาดหรือบอกพร่องแน่นอนจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้รู้ทั้งหลายช่วยชี้แนะด้วยการเขียนหนังสือส่งครูในขณะที่เรียนหนังสือในโรงเรียนย่อมรู้สึกเบาใจว่าผิดถูกอย่างไรครูคงบอกให้ทราบแต่การเขียนหนังสือให้สาธารณาชนอ่านในลักษณะนี้ย่อมเกิดความรู้สึกหนักใจ

แก่ผู้เขียนบ้างเพราะกลัวจะเกิดความผิดพลาดทําให้ผู้อา่านได้รับข้อมูลที่ผิดผิดไปในที่นี้ก็ผู้ฟังด้วยฉะนั้นผู้เขียนจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้รู้ทั้งหลายหรือผู้ฟังทั้งหลายหากพบข้อผิดพลาดหรือบกพร่องกรุณาช่วยชี้แนะด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงโดยอานิสงส์แห่งจิต

ท่านเป็นกุศลในการเขียนหนังสือเล่มนี้ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้หลุดพ้นจากความรักความผูกพันในสิ่งทั้งปวงและเป็นผู้พร้อมที่จะตายในทุกขณะเถิดขออนุโมทนาภิกษุนิรนามวัดเขาสนามชัยตาบล น, น้องแก่อำเภอผู้หินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อนิจจาวตาสังขาราุปาทวยธรรมมิโนอุปปจิตวานิรุชันติเตสังวุปาสโมสุโคสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมมีความเสื่อมไป

เป็นธรรมดาสังขารทั้งหลายเกิดแล้วย่อมดับไปความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นย่อมเป็นสุขคือพระนิพพานดังนี้คติธรรมขึ้นชื่อว่าความเกิดช่าง น, น่ารังเกียจแท้เพราะมีความเกิดจึงมีความแก่ความเจ็บ

และความตายโชคร้ายทันนน่าขมขื่นในอดีตที่ผ่านมามิได้ทำให้ท่านลาบจำดอกหรือท่านจะเจ็บปวดและหวาดวันทุกทรมานสักเพียงไหรหากมันหวนกลับมารังควานท่านอีกความทนได้ยากแห่งชีวิตติดตามทยอยกันมาไม่ขาดสายเช็เช่เชนรูปขึ้นในท้องทะเลมันผ่านพ้นไปเพื่อว่า

คลื่นลูกใหม่จะได้เข้ามาแทนที่ความสุขความทุกข์เหมือนผู้คนที่สัญจรไปมาบนถนนผลทางความน่ายินดีในสังสารวัตรเรือนหายไปอย่างรวดเร็วเหมือนการได้อาบน้ากลางเปลวดแดดความตายเหมือนพายุหิมะที่พัดผ่านมาโดยไม่เตือนให้รู้ร่วงหน้าเมื่อระลึกถึงสิ่งเหล่านี้อยู่ฉะไหนท่านทั้งหลาย

จึงไม่พากันปฏิบัติธรรมจากมิลาเลปะความตายใช่น่ากลัวอย่างที่คิดมีบทนาดังต่อไปนี้หากจะถามว่าคนเรามีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งใดคำตอบคงออกมาในลักษณะที่แตกต่างกันบ้างว่ามีชีวิตเพื่อความร่ารวยบ้างว่าเพื่อความรักบ้างว่าเพื่อชื่อเสียงบ้างว่าเพื่อหากินไปวั น, วน

ไม่ว่าคำตอบจะออกมาแตกต่างกันอย่างไรก็ตามหากจะสรุปคำตอบเหล่านั้นลงในคำเพียงคําเดียวว่ามีชีวิตเพื่อสแสวงหาความสุขคงไม่มีใครปฏิเสธว่าคำตอบนี้ไม่ถูกต้องเพราะอย่างน้อยที่สุดคงไม่มีใครมีชีวิตเพื่อสแสวงหาความทุกข์แน่นอนแม้จะมีข้อสรุปว่าคนเรามีชีวิตเพื่อสแสวงหาความสุขแต่หากลองพิจารณาดูชีวิตของแต่ละคนแล้ว

กลับพบว่าไม่มีใครที่มีความสุขแท้จริงเลยสักคนเดียวมีแต่ความสุขจอมปลอมชั่วครู่ชั่วคราวขาดขาดหายหายเครึ่องครึ่งกลางกลา ง, ง, งสุขบ้างทุกบ้างสลับกันไปเมื่อเป็นเช่นนั้นทำอย่างไรจรึงจะมีความสุขที่สมบูรณ์แท้จริงยั่งยืนถาวรความสุขก็เช่นเดียวกับสังขารธรรมอื่น

ย่อมเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยหลายหลายประการประกอบกันช่วยกันอุดหนุนให้ความสุขเกิดขึ้นและตั้งอยู่ได้หากต้องการความสุขที่สมบูรณ์แท้จริงยั่งยืนถาวรก็ต้องทำเหตุปัจจัยเหล่านั้นให้พร้อมก็จะได้ความสุขดังหวังความสุขนอกจากจะเกิดจากเหตุปัจจัยหลายประการแล้วในทางกลับกันความสุขก็มีเสี้ยนหนามที่คอยทิ่มตำความสุข

ให้เดือรับความเจ็บปวดคอยทำลายความสุขให้กลับกลายเป็นความทุกข์อยู่เสม อ, สมอในบรรดาเสี้ยนหนามทั้งหลายของความสุขสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งก็คือความกลัวตายความตายเป็นความสิ้นสุดของชีวิตซึ่งคู่กับความเกิดคือความเกิดได้แก่การเริ่มต้นของชีวิต

เพราะฉะนั้นสําหรับชีวิตที่เกิดมาแล้วก็ไม่มีทางหนีความตายได้พ้นเมื่อเป็นเช่นนี้ความตายก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวอยู่เหมือนกันแต่ใช่ว่าจะไม่มีทางออกเสียเลยทีเดียวแม้เราจะหนีความตายไม่พ้นแต่เราก็มีวิธีปฏิบัติที่จะอยู่เหนือความตายคือไม่เป็นทุกข์เพราะความตายเป็นเหตุเมื่อเราปฏิบัติตามวิธีนั้นแล้วความกลัวตายก็จะถูกทําลายลง

จิตใจก็จะอยู่เหนือความตายชีวิตของเราก็จะมีความสุขที่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นจึงควรทำความรู้จักกับความตายในแง่มุมต่างๆรวมทั้งวิธีปฏิบัติเพื่อให้จิตใจอยู่เหนือความตายดังต่อไปนี้คําจำกัดความและลักษณะความตายคืออะไรความตายคือความแตกดับหรือความสิ้นสุดของชีวิต

เป็นภาวะที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจหยุดทํางานโดยสิ้นเชิงคือไม่มีการรับรู้สิ่งใดๆอีกต่อไปความตายมีลักษณะเป็นต้นดังต่อไปนี้คือความตายมีการเคลื่อนย้ายจากพบที่ปรากฏอยู่คือจากชีวิตที่ปรากฏอยู่เป็นลักษณะมีการจากกันกับสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตที่เคยเห็นกันในพบนี้เป็นกิจเป็นหน้าที่

มีการไปจากภพเก่าเป็นผลปรากฏมีนามรูปที่กําลังดับอยู่เป็นเหตุใกล้ให้เกิดความตายโดยสภาวะธรรมแท้ไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลความตายเขาเป็นเช่นนี้แหละทีนี้ความตายมีกี่อย่างความตายมีหลายอย่างแล้วแต่จะจำแนกเอาอะไรมาจำแนกเช่น

ถ้าจำแนกโดยสภาวะก็มีสองอย่างคือ1ความตายโดยปรมัตประมัตนิหมายถึงสิ่งซึ่งมีสภาวะธรรมรับรองหรือว่าเป็นความจริงแท้แน่นอนตายโดยปรมัตก็คือความตายที่มีสภาวะรับรองคือความดับไปของรูปนามในแต่ละขณะแต่ละขณะมีชื่อเรียกว่าขณิกะมรณะตายชั่วขณะ

อะไรตายรูปรูปคือสิ่งที่มืดบอดไม่รู้อารมณ์เช่นผมขนเล็บหนังฟันเนื้อหรือว่ารวมๆทั้งหมดก็คือธาตุ ด, ดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟซึ่งต้องศึกษาให้ดีจะเข้าใจว่ารูปนี่เป็นอย่างนี้คือไม่รู้อารมณ์แล้วก็อีกอันนึงที่เกิดอยู่กับรูปคือนามนามมีลักษณะรู้อารมณ์ได้แก่จิตกับเจตสิกเช่น

ภาวะที่ท่านกำลังได้ยินเสียงอยู่อย่างนี้ตัวที่ได้ยินเสียงนั่นแหละเป็นนามเขาเรียกว่าโสตวิญญาณแล้วก็ดับลงไปอันนี้เป็นคณิกะมรณะตายโดยชั่วขณะเป็นความตายโดยปรมาถโดยจริงแท้แน่นอนสองความตายโดยสมมุติคือความตายที่ไม่มีสภาวะรับรองได้แก่ความตายที่ไม่มีจริงเป็นเพียงคำพูดโบหานว่าตาย

ตายเท่านั้นเช่นคนตายพ่อตายแม่ตายลูกตายสัตว์ตายต้นไม้ตายรถยนต์ตายเป็นต้นถ้าจําแนกโดยความถี่ความละเอียดมี3อย่างคือหนึ่งคณิกะบรณะที่กล่าวแล้วได้แก่ความตายในแต่ละขณะของสังขารธรรมทุกอย่างคือสังขารธรรมทุกอย่างล้วนมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้น

ตั้งอยู่ในถ้ำกลางและดับไปในที่สุดที่เรียกว่าอุ ป, ปาทะคือเกิดถิติคือตั้งอยู่และพังคะคือดับขณะที่ดับนั่นเองเรียกว่าคณิกะมรณะในัมพีอภิธรรมแสดงว่าในเวลาแค่ชั่วลัดนิ้วมือเดียวคือชั่วเราดีดนิ้วจิตมีความเกิดดับคือตายถึงแสนโกรธขณะส่วนรูปนั้นมีอายุ

ยืนมากกว่าจิต17เท่ากล่าวคือจิตมีการเกิดดับไปแล้ว17ครั้งรูปมีการเกิดดับเพียงแค่ครั้งเดียวในทางวิทยาศาสตร์กล่าวว่าไฟฟ้าที่เราใช้สอยอยู่ในแต่ละวันมีการเกิดดับของกระแสะไฟถึงวินาทีละ47ครั้งขณะที่ดับของกายคือรูปก็ดีของจิตก็ดีในแต่ละขณะแต่ละขณะเรียกว่าคณิกามรณะ

เพราะฉะนั้นชีวิตของเราแต่ละวันมีคานิะมรณะตายชั่วขณะเกิดขึ้นไม่อาจนับประมาณได้อย่างที่2ภาวะมรณะคือความตายของสัตว์ทั้งหลายในพบหนึ่งพบหนึ่งซึ่งแต่ละพบมีอายุไม่เท่ากันเช่นมนุษย์ในปัจจุบันมีอายุประมาณ75ปีเทวดาชันจาตุมหาราชิกามีอายุ500ปีทิพ

พวกอรูปพรมชั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะมีอายุ 84% 00มพันมหากรัปเป็นต้นความตายของอัตภาพหนึ่งอัตภาพหนึ่งคือสมมติว่าลูกนามอันนั้นเป็นเป็ น, ป น, ปนอัตภาพหนึ่งหนึ่งในภพนั้นๆเรียกว่าภวะมรณะคำว่าภวะมรณะนี้เป็นคำที่ผู้เขียนบัญญัติขึ้นใช้เองในกัมพีวิสุทธิมัชกล่กาวถึงความตายสามอย่าง

คือคณิกะมรณะความตายในแต่ละขณะสมมติหรือสมมุติมรณะความตายโดยสมมุติและสมุดเฉดมรณะความตายโดยเด็ดขาดของพระอรหันต์โดยที่คณิกะมรณะเป็นความตายที่มีความทีความเร็วที่สุดเพียงแค่วินาทีหนึ่งก็ยากที่จะนับได้ว่ามีการตายด้วยคณิกะมรณะกี่ครั้ง

และสมุดเฉดมรณะความตายอย่างเด็ดขาดคือหมายความว่าชีวิตหนึ่งในความสืบต่อในสังสารวัฏนี้จะมีความตายชนิดสมุดเฉดมรณะตายเด็ดขาดเพียงครั้งเดียวเท่านั้นส่วนสมมุติมรณะก็เป็นเพียงเรียกชื่อกันว่าต้นไม้ตายนาฬิกาตายเป็นต้นซึ่งไม่เกี่ยวกับความตายของคนและสัตว์ทั้งหลาย

ฉะนั้นผู้เขียนจึงบัญญัติคำว่าพระวะมรณะขึ้นใช้พะวะมรณะก็คือคณิกะมรณะนั่นเองแต่เป็นคณิกะมรณะที่เกิดขึ้นในครั้งสุดท้ายในภพหนึ่งภพหนึ่งซึ่งก็คงใจะใกล้เข้ามาแล้วทั้งผู้อ่านผู้ฟังผู้เขียนสัรพสัตว์ทั้งวัตถสงสาร31ภูมิ3สมุดเฉนมารณะ

คือความตายโดยเด็ดขาดที่เรียกว่าความตายโดยเด็ดขาดเพราะเป็นความตายที่ไม่เป็นปัจจัยแก่การเกิดใหม่อีกต่อไปแต่แก่ความตายของพระอาหารหันต์ผู้หมดกิเลสแล้วคือกิเลสเนี่ยมันเป็นเหตุให้มีการเกิดในภพต่างๆเมื่อมีเกิดก็มีตายเพราะฉะนั้นพระอาหารหันต์เมื่อหมดกิเลสก็เลยได้สมุดเฉดมรณะเป็นการตายของบุคคล

ที่ไม่มีการเกิดอีกส่วนการตายของบุคคลที่ไม่ใช่พระหรหันนั้นยังเป็นปัจจัยแก่การเกิดใหม่อีกจึงไม่เรียกว่าสมุดเฉดมรณะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยอย่างน้อยก็มีความตายคณิกามรณะอยู่เป็นสมบัติอยู่แล้วแล้วก็จะได้ความตายเพิ่มมาอีกก็คือภวะมรณะตายจริงๆใน

พบนี้ส่วนสมุดเฉตมรณะนั้นบางคนอาจจะไม่เชื่อหรือไม่เคยรู้จักไม่เคยตั้งเป้าเสียด้วยซ้ําแต่เมื่อได้ยินคําสอนนี้แล้วก็ควรตั้งเป้าว่าเมื่อไหร่หนอเราจะได้พบกับความตายที่เป็นสมุดเฉตเด็ดขาดเป็นครั้งสุดท้ายเสียทีคือตั้งเป้าจะเป็นพระหันซึ่งต้องประกอบเหตุคือต้องศึกษาคําสอนของพระสมมาสัมพุทธเจ้า

ให้เข้าใจเรื่องเหตุผลแล้วกระทำบุญทุกอย่างอธิษฐานเพื่อสมุดเฉดมรณะคือประปริปภานสมุดเฉดมรณะก็คือคานิกะมรณะนั่นเองแหละแต่เป็นคณิกะมรณะครั้งสุดท้ายของพระอรหันตุกรูปความตายอาจจะจำแนกโดยเหตุได้สี่อย่างคือหนึ่งความตายเพราะสิ้นกรรมสองความตายเพราะสิ้นอายุ 3. ความตายเพราะสิ้นทั้งกรรมทั้งอายุ

สความตายเพราะอุปัเฉทกกรรมกรรมที่เข้ามาตัดรอนหรืออาจจะจําแนกโดยการเวลาก็มี2 อ, อย่างคือ1กาลม ร, รณะความตายในการอันควรได้แก่ความตายเพราะสิ้นกรรมตายเพราะสิ้นอายุและตายเพราะสิ้นทั้งกรรมและอายุแล้วก็อากาศม ร, รณะ

ความตายในการอันไม่ควรได้แก่ความตายเพราะอุบัติเหตุกรกรรมตัดรอนคือประสบอุบัติเหตุต่างๆเป็นต้นหรือจะจำแนกโดยซากซากศพก็มี2 อ, อย่างคือ1ความตายที่เหลือซากคือหลังจากจุติจุติก็แปลว่าตายจิตดับไปแล้วซึ่งเรียกว่าตายแล้วร่างกายก็ยังเหลืออยู่เป็นซากศพที่ค่อยๆดับไปสลายไปตามกาลเวลา

ได้แก่ความตายของมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสองความตายที่ไม่เหลือซากคือทั้งร่างกายและจิตใจดับลงพร้อมกันเมื่อตายไม่เหลือซากศพเอาไว้เหมือนไฟฟ้าดับแสงสว่างก็ดับหมดไม่มีอะไรเหลือได้แก่ความตายของเทวดาพรหมสัตว์นรกเปรตและอสูรกายทีนี้ความตายจำแนกโดยบุคคลมี3อย่างคือ1ความตายของปุถุชนเช่นพวกพวกเรา

เป็นความตายที่ยังเป็นปัจจัยแก่การเกิดใหม่ไม่แน่นอนว่าจะเกิดในสุขคติสุขคติคือไปเกิดในภพดีได้แก่มนุษย์เทวนาหรือทุกขคติไปเกิดในภพที่ไม่ดีคืออบายภพได้แก่กำเนิดในนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งสุขคติทั้งทุกขคติเป็นเพียงที่พักพิงอาศัยอยู่ชั่วคราวเรามาอยู่ชั่วคราวอย่าคิดว่ายืนยาว

สความตายของพระเสกบุคคลบุคคลที่ยังต้องศึกษาคือ ย, ยังต้องปฏิบัติอยู่ได้แก่ความตายของพระโสดาบันพระสกทาคามีพระนาคามีเป็นความตายที่ยังเป็นปัจจัยแก่การเกิดใหม่แต่จะเกิดในสุขคติภูมิเท่านั้นและสุดท้าย3ความตายของพระอรหันต์เป็นความตายที่ไม่เป็นปัจจัยแก่การเกิดใหม่อีกต่อไปความตายจําแนกแยกโดยปัจจัยก็มีสองอย่างอีกคือ

หึงความตายที่เป็นปัจจัยแก่การเกิดได้แก่ความตายของปุถุชนและพระเสกขาบุคคลสองความตายที่ไม่เป็นปัจจัยแก่การเกิดได้แก่ความตายของพระอรหันต์เรายังสามารถจำแนกความตายได้อีกหลายประเภทตามนัยยะต่างๆแต่เห็นว่าเกิดจำเป็นจึงจำแนกไว้เพียงโดยย่อแค่นี้ปัญหาสำคัญอะไรเป็นเหตุแห่งความตาย

ความตายนั้นเป็นผลเขาต้องรับผลเอาอะไรละ่ะเป็นเหตุที่ส่งผลซัดมาให้เกิดความตายเหตุแห่งความตายแบ่งได้เป็นสองอย่างคือหนึ่งเหตุสามัญได้แก่ความเกิดชาติปีทุกขานี่แหละเพราะมีความเกิดจึงมีความตายเกิดเป็นเหตุตายเป็นผลหากไม่มีความเกิดก็ไม่มีความตายเป็นสัจจะจริง

เพราะฉะนั้นความเกิดนี้จึงเป็นเหตุพื้นฐานของความตายสำหรับความเกิดเองก็มีเหตุอีกมีกรรมและตัณหาเป็นเหตุให้เกิดความเกิดชาติปิของสรรพสัตว์นั่นเป็นเหตุสามัญส่วนเหตุพิเศษประการที่สองคือการที่คนเราเกิดมาแล้วถึงความตายถึงคราวตายกับตายไม่เหมือนกันบางคนตายตอนวัยเด็ก

บางคนวัยกลางคนบางคนวัยชาราบางคนตายด้วยโรคตายได้อุบัติเหตุเป็นต้นก็เพราะอันนี้เป็นเหตุพิเศษคือทำกรรมไว้แตกต่างกันนั่นเองเหตุพิเศษที่ว่านี้มีสี่อย่างคําตายเพราะเหตุพิเศษเามาจําแนกอีกว่าหนึ่งสิ้นกรรมคือทุกชีวิตที่เกิดมาร้วนเกิดมาเพราะชนะ ก, กรรม

กรรมที่เปมือนเป็นเหมือนบิดาคือทําให้เกิดชนะกรรมและมีอุปธรรมภกกรรมคอยอุดหนุนคอยอุปธรรมอยู่ในกรรมที่สองนะนะชนะกรรมเนี่ยจะเป็นตัวกําหนดชะตาชีวิตของคนคนนั้นว่าจะดีหรือเลวอายุสั้นหรืออายุยืนเป็นต้นเมื่อชนะกรรมและอุปถรมภกกรรมหมดกําลังลงชีวิตนั้นก็ย่อมถึงแก่ความตายความตายที่เกิดขึ้นเพราะสิ้นกรรมอุปมาเหมือนความดับ

ของตะเกียงที่น้ํามันหมดทั้งๆที่ไส้ไส้ตะเกียงยังเหลืออยู่เพราะฉะนั้นอะไรตายกรรมมันตายชนกกรรมอุปถรมภกกรรมมันตายมันหมดอายุการส่งผลเหตุพิเศษต่อไปคือสองสิ้นอายุอายุที่เราพูดพูดกันทุกวันเนี่ยเมื่อว่าโดยปรมาตยโดยความจริงแท้ไม่วิ ป, ปลิตแปรผันก็ได้แก่สภาวะธรรมอันหนึ่ง

ท่านเรียกว่าชีวิตรูปมันมีอยู่จริงๆแต่มันมีโดยไม่ใช่เป็นตัวสัตว์ตัวบุคคลชีวิตรูปคือรูปที่เกิดจากกรรมชนิดหนึ่งเป็นกรรมมัรูปรูปที่เกิดจากกรรมกรรมเป็นเหตุจึงเกิดมีชีวิตรูปในบรรดารูปที่เกิดจากกรรมทั้งหลายนั้นมีหลายๆอย่างแต่ว่าชีวิตตัวรูปเป็นหนึ่งแล้วมีหน้าที่รักษากรรมมัจรูปอื่นๆอื่นๆนะเช่นตาศาสตรตาปราศาสตรหู

ก็จะมีชีวิตตรูปไปเกิดร่วมรักคอยรักษาประสาท ต, ตาประสาทหูเป็นต้นเหล่านั้นให้ตั้งอยู่ได้นา น, น, านเมื่อชีวิตตรูปดับลงโดยเหตุใดเหตุหนึ่งก็ตามกรรมัชรูปที่เหลือก็ย่มดับตามไปด้วยเมื่อกรรมัชรูปดับลงเป็นครั้งสุดท้ายในภพหนึ่งจึงเรียกความดับนั้นว่าความตายความตายที่เกิดขึ้นเพราะชีวิตตรูปสิ้นไปเรียกว่าตายเพราะสิ้นอายุอายุนี่คือชีวิตตรูปเช่น

ไม่ได้ป่วยไม่ได้เจ็บแล้วก็ไม่ได้ถูกอุบัติเหตุอะไรตายไปเมื่ออายุ 80-90 อีกอย่างหนึง่งอายุเมื่อว่าโดยสมมุติก็คือเวลาของชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งในพบหนึ่งพบหนึ่งซึ่งแต่และชีวิตแต่และพบจะมีอายุไม่เท่ากันอายุโดยเฉลี่ยของชีวิตในพบนั้นๆเรียกว่าอายุกับกับนี่คือช่วงตั้งแต่เกิดถึงตายของอายุ

อายุกับแต่ละยุคสมัยก็ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันบางยุคมีอายุยืนถึง1นึ่อสงไขยกับบางยุคมีอายุสั้นเพียง10ปีในยุคสมัยนี้ชื่อว่าอายุกับของมนุษย์เหลือเพียง75ปีในสมัยเนี้ยการียุคเนี่ยผู้ใดมีชีวิตอยู่จนถึง75ปีน้อยกว่าหรือมากกว่านิดหน่อยแล้วตายความตายขรงนั้นเรียกว่าตายเพราะสิ้นอายุความตายเพราะสิ้นอายุประมาณเหมือนความดับ

ของตะเกียงที่ไส้หมดแม้ว่าน้ามันจะยังเหลืออยู่ก็ตามแม้ว่าบุญจะเหลืออยู่ก็ตามเรื่องเกี่ยวกับอายุยังมีสิ่งน่ารู้อย่างหนึ่งคือในปฐมานายุสสูตรอังคุตรนิกายปัญจการนิบาตพระพุทธเจ้าแสดงเหตุให้อายุสั้นว่ามีอยู่ห้าอยา่างคือหนึ่งบุคคลไม่เป็นผู้ทำความสบายแก่ตนเองเช่นนอนมันดึกๆึ

หรือว่าออกกําลังให้มันมากเกินไปยืนให้มันนานเกินไปอย่างนี้ 2. ไม่รู้จักประมาณในสิ่งที่สบายไม่รู้จักความสมดุลพอดีบริโภคสิ่งที่ย่อยยากเราลองบริโภคไอพวกเอ็นสัตว์หนังสัตว์อย่างี้สี่เป็นผู้เที่ยวในการไม่สมควรเที่ยวไปในสถานที่ที่ไม่สมควรในเวลาที่ไม่สมควรกับบุคคลที่ไม่สมควรไป

คือเรียก ว, ว่าคบคนพาลห้าไม่ประพฤติประเสริฐคือไม่ประพฤติพรหมจรรย์มีทานมีศีลมีวิปัสสนาเป็นต้นส่วนในทุติยอนายุสสูตรพระพุทธเจ้าแสดงเหตุให้อายุสั้นเพิ่มจากสูตรก่อนสองอย่างคือเพิ่มว่าตัวเองเป็นคนทุศีลคือวันๆก็ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดโกหกพูดคำยาพูดเพ้อเจ้อพูดสอดเสียให้เขาเกียดกัน

แล้วก็มีมิตรช่วที่จะช่วยให้เราทำชั่วชั่วมากมากขึ้นกว่าเดิมเช่นมีความเห็นผิดว่าตายแล้วศูนเหตุนั้นจึงทำให้อายุสัน้นส่วนเหตุให้อายุยืนก็มีนัยยะตรงข้ามก็คือต้องมีศีลศีลนี่ช่วยทำให้อายุยืนแล้วก็มีกัลยะาณมิตรมีมิตร ด, ดีมิตรที่จะคอยแนะนประโยชน์อุปการะเราได้เช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าะจะอุปการะ

เราได้ด้วยพระธรรมครับสอนถ้าเราเข้าไปฟังเข้าไปจําเพ่งพิจารณาให้เห็นเหตุผลตามความเป็นจริงแล้วสมาทานสมาทานคือประพฤติเอาด้วยดีสสิ้นทั้งกรรมและอายุคือตายแบบสิ้นทั้งกรรมและอายุคือทั้งกรรมและอายุสิ้นลงพร้อมกันจึงทําให้ชีวิตนั้นถึงแก่ความตายความตายที่เกิดขึ้นเพราะสิ้นทั้งกรรมและอายุอุปมาเหมือนความดับของตะเกียงที่ดับลงเพราะ

น้ำมันหมดไส้หมดพร้อมกันสี่มีอุปเฉตกกรรมตัดรอนอุปเฉตกกรรมคือกรรมที่เข้าไปตัดรอนหรือทาลายชนกกรรมไม่ให้ส่งผลต่อไปชนกกรรมเนี่ยเขาทำให้เกิดอุปเฉตกรรมคอยมาตับทุกชีวิตที่เกิดมาล้วนถูกชนกรรกรรมกำหนดมาว่าให้มีอายุยืนยาวแค่ไหนหากไม่มีกรรมอื่นมาสดับสรุนมาอุปถมัมภ์

หรือเบียดเบียนทำลายชีวิตนั้นก็จะเป็นไปตามที่ชนะ ก, กรรมกาหนดไว้แต่หากมีกรรมอื่นมาสนับสนุนชีวิตนั้นก็จะยืนยาวไปกว่ากาหนดในทางกลับกันหากมีกรรมอื่นมาตัดรอนชีวิตนั้นก็จะสั้นกว่าที่ควรจะเป็นกรรมที่มาตัดรอนชนะ ก, กรรมทำให้ชีวิตต้องตายก่อนเวลาควรเรียกว่าอุปเฉชกรรมความตายที่เกิด

จากอุปเชตกกรรมตัดรอนเรียกว่าอุปเชตกรรมรณะความตายเพราะอุปเชตกกรรมตัดรอนอุปมาเหมือนความดับของตะเกียงที่ถูกลมแหลงๆพัดหรือว่าตะเกียงลมความตายทั้งสี่นี้กําลังเป็นอยู่เราทั้งหลาอยู่ใต้อำนาจของสิ่งหนึ่งคือกรรมและก็ได้รับผลของการอยู่ใต้อำนาจนี้คือต้องตายแน่นอน

กรรมเขาให้ความเกิดให้ความแก่ให้ความตายแล้วก็ยังให้อะไรทุกอย่างที่เราได้เราจงพิจารณาให้ดีนอกจากนี้ในคัมภี์มิลินตปัญหาแสดงเหตุความตายไว้อีก8อย่างผู้มีปัญญาก็จะแสดงได้มากคือ1ตายเพราะโรคที่มีลมเป็นสมุดฐานสมุดฐานคือเหตุที่ทําให้เกิดเกิดอะไรตอนนี้เกิดตายตายเพราะอะไรตายเพราะลมเช่นลมตัดขั้วหัวใจ2ตายเพราะโรคที่มี

ดีเป็นสมุทฐานมีน้ําดีลมแล้วนะอันนี้น้ํา3ตายเพราะโรคที่มีเสมหะน้ำสลิดอีกเหมือนกันเป็นสมุทฐาน4ตายเพราะโรคสันนิบาตคือโรคที่เกิดจากการประชุมกันของสมุทฐานหลายๆอย่างมันร่วมกันทําให้ตายสันนิบาตก็แปลว่าประชุม5ตายเพราะความแปรปรวนของอุตุอุตุนี่ก็คือธาตุไฟความเย็นความร้อนมันเย็นมากร้อนมากไม่สมดุล

6ตายเพราะการบริหารกายที่ไม่ดีเจตายเพราะความพยายามของตนเองและผู้อื่นฆ่าตัวตายหรือถูกเขาฆ่าแตายเพราะวิบากกรรมอันนี้เป็นเรื่องที่โดยสรุปก็ตายเพราะว่าธาตุดินน้ำลมไฟมันเบียดเบียนและก็ตายเพราะกรรมคือวิบากกรรมมันสัตวมาให้ถูกฆ่าตายบ้างฆ่าตัวเองตายบ้างและอีกประการหนึ่ ง, งโง่

บริหารกายไม่ดีเช่นกินแต่อาหารที่เป็นพิษไปอยู่ในสถานที่ไปทํางานในสถานที่ที่มีแต่พิษเข้าตัวอย่างนี้เป็นต้นนี้ตายเพราะวิบากกรรมซึ่งเป็นการตายสําคัญเนี่ยชื่อว่าเป็นความตายในการอันสมควรความตายเพราะเหตุที่เหลือจากนี้เช่นตายเพราะฆ่าตัวตายถูกคนอื่นฆ่าตายบริหารกายไม่ดีเป็นต้น่

อีกเดอย่างชื่อว่าเป็นความตายในการอันไม่สมควรคือยังไม่ควรตายแต่ก็ต้องตายในคมพีธรรมบทกล่าวถึงเหตุแห่งความตายของเทวดาว่ามีอยู่4อย่างคือหนึ่งสิ้นอายุสองสิ้นบุญสสิ้นอาหาร 4. เกิดจากความโกรธสำหรับเทวดาเนี่ยเขาก็ตายได้แปลกๆอดอาหารก็ตายโกรธก็ตายของเราโกรธ

แล้วไปฆ่าคนอื่นตายแล้วก็มาฆ่าตัวเองตายก็อาจจะมีอดอาหารตายก็อาจจะมีแต่ไม่มากนี่ปัญหาสำคัญคืออะไรเป็นเหตุให้คนเรากลัวตายหากจะถามว่าทำไมคนเราจึงกลัวตายคาตอบก็จะได้ว่าเพราะมีเหตุปัจจัยสองหลักศาสนาพุทธเราจะสอนเรื่องผลเรื่องเหตุอยู่อย่างนี้ใครไม่ชอบเหตุผลก็ไม่ต้องมานับถือพุทธศาสนา

ส่วนใครนับถือชอบความจริงของเหตุผลก็จงเข้ามาแล้วเราจะได้ประโยชน์ปัจจัยหลักที่ทำให้คนเรากลัวตายคือ 1. ความตายมีสภาพที่น่ากลัวความตายมันน่ากลัวเองโดยตัวของมัน 2. คนเรายังมีกิเลส ท, ที่เป็นเหตุให้เกิดความกลัว

เช่นเดียวกับมีคำถามว่าทำไมคนเราจรึงกลัวเสือคำตอบก็มีลักษณะเดียวกันคือเสือมันมีลักษณะน่ากลัวมันมีเขี้ยวมันมีเล็บมันดุและคนเรามีกิเลสก็จึงเกิดความกลัวเสือคนไม่มีกิเลสก็ไม่กลัวเสือเช่นพระอรหันต์ความกลัวเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของคนและสัตว์ทั้งหลายเรามาศึกษาความกลัวกันเป็นสัญชาตญาณคือสิ่งที่เกิดติดตัวมาตั้งแต่เกิด

ลักษณะของความกลัวคือไม่กล้าที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งนั้นๆจิตใจหวาดผวาอ่อนแอและรู้สึกไม่สบายใจเมื่อต้องประสบกับอารมณ์นั้นอารมณ์คือสิ่งที่ใจไปรู้ใจไปยึดหน่วงเช่นใจเราคิดถึงแม่แม่ก็เป็นอารมณ์ทางตาใจเราไปเห็นโต๊ะโต๊ะก็เป็นอารมณ์ต้องแยกให้ดีแยกตัวผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่ถูกรู้เป็นอารมณ์มี6อย่างคือ

สีเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายและธรรมารมณ์ทางใจธรรมารมณ์ทางใจนี่มีมากเช่นคำพูดในใจเช่นเราพูดอะไรในใจเนี่ขาเรียกว่าบัญญัติหรือธรรมารมณ์เนี่ยมีได้หลายแบบเช่นเรารู้จักความโกรธรู้จักความโลภความโกรธความโลภนั่นแหละเป็นธรรมารมณ์เป็นต้นความกลัวนั้นเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งซึ่งมีอยุจริง

เกิดบ่อยๆด้วยมีชื่อเรียกว่าโทสะเจตสิกเจตสิกคือสิ่งที่เกิดพร้อมกับจิตเกิดอยู่ในจิตรู้อารมณ์เดียวกับจิตดับไปพร้อมกับจิตและมีที่อาศัยเกิดที่เดียวกันกับจิตโทสะเจตสิกนั้นมีลักษณะสองอย่างคือไม่ชอบใจขัดใจต้องการที่จะทําลายอารมณ์นั้นๆหรือผลักจากอารมณ์นั้นอย่างหนึ่ง

และหากอารมณ์นั้นตนไม่สามารถทำลายได้เพราะมีอิทธิพลเหนือตนก็จะรู้สึกหวาดกลัวหวาดสะดุ้งต้องการจะหนีจากอารมณ์นั้นไปอย่างหนึ่งความกลัวตายที่กำลังกล่าวถึงก็เป็นโทสะเจตสิกในลักษณะนี้นี่เองอีกอย่างหนึ่งควรทราบว่าที่กราวาสทั้งหลายมีความกลัวตายนั้นมีความกลัวตายโดยอาการโดยลักษณะสองอย่างคือหนึ่งโดยการประกอบกับจิตเขาเรียกว่าสัมปยุทธ์เป็นภาษาบาลี

ประกอบสามัยุติแปลว่าประกอบเกิดร่วมเกิดร่วมกับจิตเต่แกจิตที่เกิดขึ้นพร้อมกับโทสะเจตสิกที่มีความกลัวเป็นลักษณะโดยมีความตายเป็นอารมณ์เรียกชื่อว่าโทสะมูลจิตเช่นเลึกถึงความตายขึ้นมาเห็นรถก็ชนกันเห็นคนตายต่อหน้าแล้วเห็นในความตายอันนั้นนะ่ะเป็นอารมณ์นึกถึงแล้วเกิดความกลัวว่าโอ้หน่ากลัวจริงนะรถมันวิ่งน่ากลัวชนกันน่ากลัว

และไอ้ตายนี่ก็น่ากลัวแล้วก็กลับมาที่ตัวเราว่ตัวเราน่ากลัวนะถ้าจะต้องตายอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไอ้โทสะบูรจิตเนี่ยก็ทำหน้าที่เป็นความกลัวตายสองโดยความเป็นสภาวะที่ยังละไม่ได้หรือเป็นอนุัสคือไอ้ความกลัวตายน่มันมีการละได้และละไม่ได้

ผู้ที่ยังละโทสะเจตสิกไม่ได้ชื่อว่ายังมีความกลัวอยู่ในฐานะที่ว่าโทสะหรือความกลัวนั้นเป็นอนุสัยคือยังละมันไม่ได้ยังอนุสัยแปลว่ายังละไม่ได้นะแม้ว่าโทสะบูรจิตที่มีลักษณะกลัวต่อความตายจะไม่เกิดขึ้นประกอบกับจิตก็ตามคือตอนนี้เรานั่งฟังธรรมะหรือเราไปร้องเพลงมันก็ไม่ได้มีโทสะกลัวตายอะไรแต่จะมาบอกว่าเราไม่กลัวตายเนะี่ยบอกไม่ได้เพราะเรายังละโทสะไม่ได้

เพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่ายังมีความกลัวอยู่ในฐานะที่ยังละความกลัวไม่ได้ละความกลัวตายไม่ได้กลัวอดกลัวอยากอะไรไม่ได้นั่นแหละส่วนผู้ที่ไม่มีความกลัวตายก็ไม่มีความกลัวตายโดยอาการสองฉางเช่นกันคือหนึ่งโดยการละความกลัวตายได้เด็ดขาดได้แก่พระอนาคามีและพระอรหันต์ไม่มีความกลัวตายเกิดขึ้นในใจของท่านเลยตลอดกาลเพราะท่านสามารถละโทสะเจตสิก

ได้แล้วด้วยอนาคามิมักมักนี่คือปัญญาปัญญาไปเห็นอริยสัจสีสอผู้ที่ไม่มีความกลัวตายไม่กลัวตายก็เพราะว่าความกลัวตายไม่เกิดขึ้นประกอบกับจิตคือในขณะที่จิตเป็นกุศลเป็นอกุศลที่ประกอบด้วยโลภะประกอบด้วยโมหะหรือเป็นอัพยกตะจิตคือมันเป็นวิบากวิบาก ค, คือผลของกรรมเช่นเราเห็นภาพดีด

ได้ยินเสียงพ่อเพราะอย่างนี้เป็นวิบากดีได้เห็นภาพไม่สวยเห็นภาพหมากําลังกัดกันได้ยินเสียงคนมันกําลังด่าอย่างนี้ก็เป็นวิบากกิจที่ไม่ดีเกิดจากอากุศลเป็นเหตุในขณะนั้นความกลัวตายก็ไม่เกิดขึ้นคือตอนที่เราให้ทานรักษาศีลเราโลภเรามีโมหะเราได้รับวิบากนอนหลับสนิทเงี้ยไม่เกิดความกลัวตายไม่เกิดแต่เมื่อได้ปัจจัยความกลัวตายก็ยังเกิดได้อีก

เพราะอะไรเพราะยังละความกลัวตายไม่ได้ได้ปัจจัยยังไงอ่ะได้ปัจจัยไปเจอเอาคนบ้ากำลังถือไม้ไล่ ต, ไตีอะไรตะไรตะหลุด่าปเราไปเจอเข้าเราก็กลัวกลัวเั็นจะมาตีเราตายก็ต้องหนีต่อไปนี้จะได้แสดงเหตุคือกิเลสอันเป็นเหตุให้คนเรากลัวตายซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในอภยสูตรจตุกาิบาติพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเหตุที่ทา

ให้คนเรากลัวตายว่ามีอยู่4อย่างคือ 1. ความยินดีพอใจในการมคุณหหรือกามมะตัญหากามคุณเนี่ยการแปลว่าสิ่งที่น่าใคร่น่าพอใจคุณแปลว่าผูกได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต้องมีวงเล็บหน่อยว่าที่น่าใคร่น่าพอใจเพราะมันมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ไม่น่าใคร่น่าพอใจมีอยู่ประจำโลกเนี่ยเราไปยินดีพอใจเข้า

หรือเรายินดีพอใจในการมาตัญหาการมาตัญหาเป็นความรู้สึกอยากจะได้ความสุขด้วยคำความเพลิดเพลินพอใจขึ้นตัวความเพลิดเพลิ น, ค ว, นความพอใจความยินดีความอยากอันนั้นเป็นการมาตัญหาส่วนตัวอารมณ์นั้นเป็นการมาคุณการมาคุณหคือรูปเสียงกลิ่นรสผดภทภพะผดพธภนี่คือสัมผัสทางกายเย็ยนร้อนอ่อนแขน็งหย่อนตึงทางกายเนี่ย

อันน่าปราถนาน่าใคร่น่าพอใจนี้เดียวกับการมาคุณหาส่วนความยินดีพอใจเรียกว่าตัณหานั้นทำให้จิตใจของเราต้องติดข้องอยู่ไปเกี่ยวพันอยู่ติดแน่นอยู่เรายินดีในสิ่งใดใจของเราก็จะติดข้องอยู่กับสิ่งนั้นเช่นเรารักลูกหรือรักของมีค่าอื่นๆแต่ในที่สุดมันก็มารักใ้ร่างกายนีแหละที่สุดร่างกายที่สมบูรว่าเป็นของเรา

เหมือนกับปลาติดเบ็ดหรือลิงติดตังฉะนั้นความยินดีนอกจากจะทำให้จิตมีลักษณะติดข้องในอารมณ์แล้วยังทำให้เกิดความกลัวที่แฝงเลนอยู่ด้วยมองไม่เห็นคือกลัวว่าสิ่งนั้นจะจากตนไปหรือตนจะต้องจากสิ่งนั้นไปในบรรดาสิ่งทั้งหลายที่ละจะทำให้เราต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจนั้นไม่ว่าเป็นคนสัตว์การเวลาหรืออื่นๆก็ตาม

สิ่งหนึ่งที่แน่นอนที่สุดที่จะทำให้เราต้องพัดพรากจากของรักทั้งหลายก็คือความตายของเหล่านี้เองซึ่งเราไม่สามารถหลีกหนีความตายได้พ้นเพราะฉะนั้นความยินดีในการมาคุณห้าจึงเป็นเหตุให้เกิดความกลัวตายได้อย่างนี้คือเรารักอะไรเรารักสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งที่ต้องพัดพรากก็ได้เพิ่มความกลัวให้มันมากดังที่พระพุทธเ จ, จ้าได้ตรัสไว้ว่า

เมื่อเขามีโรคหนักอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องแล้วย่อมมีความปริวิตกอย่างนี้ว่ากามอันเป็นที่รักจักละเราไปเสียแลนอแต่เราก็จะต้องละกามอันเป็นที่รักไปเาย่อมเศร้าโศกย่อมลําบากใจย่อมร่รําไยทุบอกคําครวนถึงความลหลงไหลดูก่อนพ ร, ราหมณ์บุคคล น, นี้แหลผู้มีความตายเป็นธรรมดาย่อมกลัวถึงความสะดุ้งต่อความตายอธิบายนิดหน่อย

เวลาเราใกล้ตายเรายังรักตัวเองนะไม่อยากตายทั้งนั้นที่มันใกล้อยู่แล้วเรายังรักลูกไหมรักภรรยารักสามีไม่รักทรัพย์สมบัติรักญาติรักยศตําแหน่งไหมรักลูกนี้ไหมรักที่จะอยู่ในโลกนี้ไหมถ้ายังรักอยู่ก็ต้องกลัวตายประการที่สองความยินดีพอใจในชีวิตหรือภาวะตัณหาภาวะก็แปลว่าความเป็นอยู่ก็ได้แก่ชีวิตแต่รูป

คือขันห้าที่มันมีชีวิตน่ตัณหาก็พอใจพระพุทธเจ้าได้จัดไว้ซึ่งเป็นสัจธรรมควรคิดถึงบ่อยบ่อยว่านับที่อัตตะสมังเปมังแปลว่ารักอื่นเสมอด้วยตนไม่มีพระพุทธพธน์ข้อนี้คงไม่มีใครกล้าปฏิเสธว่าโกหกไม่เป็นความจริงในคำพีอภิธรรมแสดงว่าในขณะที่สัตว์ทั้งหลายเกิดขึ้นในภพต่าง

ในขณะแรกๆชวนะจิตคือจิตที่เริ่มรับอารมณ์ใหม่ในชาติเนี้ในชาติที่เขาเกิดใหม่ที่เกิดขึ้นมารับอารมณ์เป็นครั้งแรกก็คือภาวะตัณหาภาวะตัณหามาก่อนมาครั้งแรกโดยธรรมชาติเลยหรือนิกรติตัณหาคือความรู้สึกไม่มีคําพูดเลยในความรู้สึกนั้นคือความยินดีในอัตภาพหรือชีวิตใหม่ของตน

เกิดใหม่แล้วใชยโยแบบนั้นนะฉะนั้นตัวตนจึงเป็นสิ่งที่รักยิ่งสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายเมื่อสัตว์ทั้งหลายที่มีความยินดีในชีวิตของตนอย่างนี้ถึงคราวตายไม่อาจจะรลีกเลี่ยงความกลัวตายได้เลยดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า

บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดยังไม่ปราศจากความพอใจยังไม่ปราศจากความรักยังไม่ปราศจากความกระหายยังไม่ปราศจากความเร่าร้อนยังไม่ปราศจากความทยานอยากในกายคือรูปกายและนามากายรูปกายกลุ่มของรูปเช่นอาการ32มีผมขนเล็บหนังฟันเนื้อกระดูกอย่างนี้เป็นต้นและนามากายกลุ่มของนามเช่นจิตเจตสิก

ที่ทำหน้าที่โลภโกรธหลงทำหน้าที่ไห้ทารักษาศีลเจริญภาวนาอย่างนี้ครั้นเขามีโลกหนักอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องเขาเมื่อเขามีโลกหนักอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องแล้วย่อมมีความปริวิตกอย่างนี้ว่ากายอันเป็นที่รักจักละเราไปละนอ้อแต่เราก็จักละกายอันเป็นที่รักไปเขาย่อมเศร้าโศยย่อมลาบากใจย่อมร่ำไรทุบอกใคร้ครวนถึงความหลงไหล

ดูก่อนพระรามแม้บุคคลนี้แหลผู้มีความตายเป็นธรรมดาย่อมกลัวถึงความสะดุ้มต่อความตายเราสะดุ้มไหมถ้ามีใครเข้ามาพูดว่าอีกเจ็ดวันคุณจะต้องตาย3กลัวตายเพราะไม่ได้ทำบุญกุศลไว้บุญกุศลนั้นนอกจากจะชำระจิตใจให้สะอาดบุญกุศล

คำว่าบุญนั่นะเขามีลักษณะว่าชำระบาปคำว่ากุศลก็เรียกสิ่งเดียวกันนั่นแหละกุศลนก็กําจัดบาปเหมือนกันแล้วบุญกุศล น, นี้ให้ผลเป็นความสุขแล้วก็ยังทำให้เกิดความรู้สึกอุ่นใจว่าหากชาติหน้ามีจริงมีคนเป็นจำนวนมากไม่แน่ใจหรือไม่เชื่อว่าชาติหน้ามีแต่ถ้าเกิดมีละ่ะ

บุญกุศลที่เราทำไว้คงช่วยให้เรามีความสุขแต่หากเราไม่ได้ทำบุญกุศลไว้แต่ทำบาปอากุลุลเช่นอะไรเช่นตรหนีหวงแหนไม่เลี้ยงดูพ่อแม่ทำผิดศีลห้าขาศัตร์ลักทรัพย์ประพฤติเนรคุณกับผู้มีพระคุณเช่นพ่อแม่ดูด่าว่ากล่าวเถียงทำให้ท่านเดือดร้อนอย่างนี้เมื่อถึงคราวตายจิตใจย่อมวหวาดผวาต่อความตายและโลกหน้า

บุญมันทำให้อุ่นใจเหมือนเราให้ทารักษาศีลไหว้พระเลี้ยงดูพ่อแม่แล้วอุ่นใจนะนึกมาทีไรมันก็สบายใจเราลองทำสิเราตะนีลิศยาด่าคนนูน้นทุบตีคนนี้ขโมยคนนั้นเอาเปรียบคนโน้นทะเลาะกับพ่อกับแม่เราดูซิว่านึกถึงแล้วมันสบายใจไหมทีนี้เราจะตายแล้ว

ไอบาปอากุศลที่เราทำไว้มากๆมันก็ยังมาเสนอหน้าได้ตอนนั้นด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องกลัวตายแน่นอนสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่าบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่ได้ทำความดีไว้ไม่ได้ทำกุศลไว้ไม่ได้ทำความป้องกันความกลัวไว้ทำแต่บาปทำแต่กรรมที่หยาบช้าทำแต่กรรมที่เศร้าหมองมีโรคหนักอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องเขาเมื่อเขามีโรคหนักอย่างใดอย่างหนึ่ง

ถูกต้องแล้วย่อมมีความปริวิตกอย่างนี้ว่าเราไม่ได้ทำความดีไว้ไม่ได้ทำกุศลไว้ไม่ได้ทำความป้องกัน<ด>กลัวความกลัวไว้ทำแต่บาปเราทำแต่กรรมที่หยาบช้าทำแต่กรรมที่เศร้าหมองดูก่อนพูดเจริญคติคือที่ไปหลังตายของคนไม่ได้ทำความดีไม่ได้ทำกุศลไม่ได้ทาความป้องกันความกลัวทาแต่บาปทำแต่กรรมที่หยาบช้า

ทำแต่กรรมที่เศร้าหมองมีประมาณเท่าใดเราละไปแล้วย่อมไปสู่คตินั้นคืออบายภูมิสี่คือเขาเปิดรอเราอยู่แล้วสำหรับผู้ชอบทบาบาคือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเขาย่อมเศร้าโศกย่อมลำบากใจย่อมร่ำไรทุกอกคร่ำครวนถึงความลหลงไหลดูก ร, รางแม้บุคคลนี่แลผู้มีความตายเป็นธรรมดาย่อมกลัวถึงความสะดุ้งต่อความตายประการที่สี่

มีวิจิกิจฉาคือความสงสัยครอบงม จ, จิตใจความสงสัยมันเป็นกิเลสชนิดหนึ่งคือมีความคิดหรือความรู้สึกไม่แน่ใจลังเลใจตัดสินใจไม่ได้ว่ามันเป็นอย่างไรกันแน่ในเรื่องนั้นๆเช่นพระพุทธเจ้าจมีจริงหรือไม่มีถ้ามีจริงแล้วจะมีเป็นอย่างไรแต่ไม่น่าจะมีมากกว่าเพราะเรายังไม่เคยเห็นนี่หรืออย่าง

คิดถึงพระธรรมก่็พระธรรมที่บอกว่าทําให้หมดกิเลสทําให้พ้นทุกจริงหรือเปล่าพ้นได้จริงหรือเปล่าหรือไม่จริงพระอริยสงฆ์มีจริงหรอที่ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบชาติหน้าชาติที่แล้วมีจริงหรือไม่เป็นต้นความสงสัยก็เปรียบเทียบอุปมาเหมือนคนที่เจอทางสองแพ่งไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีและไม่รู้ว่าทางนั้นๆมีอะไรบ้าง

จะไปเจออะไรก็ไม่รู้แต่เมื่อจำต้องไปทางใดทางหนึ่งก็ให้เกิดความรู้สึกกลัวในหนทางที่จะต้องไปนั้นฉัน้นใดในเวลาใกล้าตายหรือเรื่องที่สงสัยก็คือเรื่องชาติหน้าเรื่องบุญเรื่องบาปว่ามีจริงหรือไม่ก็ไม่อาจตัดสินใจได้ว่ามีจริงหรือไม่ไ ม, มีจริงเมื่อใกล้าตายก็ย่อมรู้สึกกลัวตายเพราะไม่รู้ว่าตายแล้วจะเป็นอย่างไรชันนั้น

สมดังที่ภาษาสดาได้ตัดไว้ว่าบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีความสงสัยเ ค, ครือบแคลงไม่ถึงความตกลงใจในพระสัตยธรรมพระสัทยธรรมก็คือ8ปดหมสพันพระธรรมคันมีโรคหนักอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องเขาเมื่อเขามีโรคหนักอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องแล้วย่อมมีความปริวิตตกอย่างนี้ว่าเรามีความสงสัยเ ค, ครือบแคลงไม่ถึงความตกลงใจในพระสัทธรรมเขาย่อมเศร้าโศกย่อมลำบากย่อมร่ำไรหูโอกคร่ำครวนถึงความหลงไหล

ดูก่อนพ ร, ราหมณ์แม่บุคคลนี่แหละมีความตายเป็นธรรมดาย่อมกลัวถึงความสะดุ้งต่อความตายอะไรมันสะดุ้งกิเลสมันสะดุ้งทำอย่างไรจริงจะไม่กลัวตายนี่เป็นปัญหาและเป็นเรื่องที่ต้องการจะให้ท่านทั้งหลายได้รู้เข้าใจและสมาฐานทุกคนที่เกิดมาล้วนรักชีวิตรักมากที่สุดและเมื่อรู้ว่าวันหนึ่งชีวิตของตนจะต้องตาย

นั่นแหละมันเป็นเหตุให้เกิดผลคือความกลัวตายเกิดผลไม่อยากตายก็พยายามหาวิธีการต่างๆที่จะทำให้ตนเป็นอมตะคือไม่ตายหรือตายช้าที่สุดแต่และ ว, วิธีการเหล่านั้นก็ไร้ผลไม่มีใครรอดพ้นความตายไปได้สักคนด้วยความที่คนเรารักชีวิตไม่อยากตายเมื่อรู้ว่าไม่สามารถหนีความตายได้พ้นเพียงแค่มีชีวิตยืนยาว

ก็ชื่นใจพอใจจึงทำโดยประการต่างๆเพื่อให้มีชีวิตที่ยืนยาวโดยที่ไม่ได้เตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับความตายและจัดการกับความกลัวตายที่มีอยู่ในใจความกลัวตายจึงยังเกิดขึ้นเบียดเบียนรบกวนจิตใจทำให้จิตใจหวาดผวาและไม่สบายใจอยู่เสมอพยยามที่ความกลัวตายเกิดขึ้นในใจก็พยายามหนี

จากความกลัวตายนั้นโดยการหาอารมณ์อันน่ายินดีเพลิดเพลินมากลบความกลัวตายนั้นไว้ไปคาราโอเกะไปเที่ยวรอบโลกทำให้สบายใจไปชั่วคราวและเมื่อได้เหตุปัจจัยความกลัวตายซึ่งเป็นผลก็เกิดขึ้นมาทำลายความรู้สึกสบายใจให้ปราศนาการไปอีกชีวิตของเราวนเวียนอยู่อย่างนี้นี่คือวิถี

คนผ่านเราไม่รู้จะเอาอะไรไปทาให้เกิดความสุขที่แท้จริงแก่ชีวิตจิตใจที่กลัวตายเป็นอย่างไรทุกคนน่าจะตอบได้การที่เราจะเอาชนะหรือทำลายความกลัวตายให้หมดไปจากจิตใจจะต้องรู้ว่าอะไรเป็นเหตุให้เรากลัวตายซะก่อนเมื่อรู้แล้วก็ต้องไปหาสภาวะธรรมอันหนึ่งซึ่งเป็นปฏิปักษ์มาละเหตุแห่งความกลัวตายนั้นเสีย

ความกลัวตายก็จะไม่เกิดขึ้นมารบกวนจิตใจของเราอีกต่อไปในอภัยสูตรอังคุตรนิกายจัตุการนิบาตพระพุทธเจ้าแสดงเหตุที่ทำให้คนเราไม่กลัวตายซึ่งเท่ากับเป็นการบอกวิธีปฏิบัติเพื่อความไม่กลัวตายไว้4วิธีซึ่งก็เป็นเรื่องที่ท่านได้ฟังมาแล้วแต่ปฏิบัติยากคือหนึ่งละความยินดีในการมาคุณห้าให้ได้เห็นโทษการมาคุณห้าให้ได้ด้วยปัญญา

เมื่อไม่มีความยินดีในการมาคุณแล้วถึงคราวตายก็ย่อมไม่กลัวตายดังที่พระพุทธเจ้าจัดไว้ว่าดูก่อนพราหมก็ศาสตร์ผู้มีความตายเป็นธรรมดาย่อมไม่กลัวไม่ถึงความสะดุ้งต่อความตายเป็นฉนิดบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ปราศจากความกำนัดปราศจากความพอใจปราศจากความรักปราศจากความกระหายปราศจากความเร่าร้อนปราศจากความทยานอยากในกามทั้งหลาย

มีโรคหนักอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องเขาเมื่อเขามีโรคหนักอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องแล้วย่อมไม่มีความปริวิตกคือไม่คิดอย่างนี้ว่ากามอันเป็นที่รักจักละเราไปเสียละวน้อแต่เราก็จะต้องละกามอันเป็นที่รักไปเขาย่อมไม่เศร้าโศกย่อมไม่ลำบากใจย่อมไม่รำไรไม่ทุบอกไม่คร่ำครวญไม่ถึงความหลงไหลดูก่อนป ร, ราม บ, บุคคลที่แล

ผู้มีความตายเป็นธรรมดาย่อมไม่กลัวไม่ถึงความสะดุ้งต่อความตาย 2. พรละความยินดีในชีวิตให้ได้นี่ยิ่งยากเข้าไปอีกความยินดีในชีวิตนะับเป็นเหตุที่สําคัญที่สุดที่ทําให้เรากลัวตายดังคากล่าวที่ว่าเพราะรักตัวจึงกลัวตายฉะนั้นเมื่อไม่มีความยินดีในชีวิตแล้วความกลัวตายก็ไม่เกิดดังที่พระพู้เผยเจ้าตรัสไว้ว่า

เขาย่อมไม่เศร้าโศกย่อมไม่ลำบากใหญ่ไม่ร่ำไรไม่ทุกอกให้กล้าครวนไม่ถึงความหลงไหลดูก่อนพราแม่บุคคลนี่แหลผู้มีความตายเป็นธรรมดาย่อมไม่กลัวไม่ถึงความสะดุ้งต่อความตาย 3. าทำบุญกุศลให้เป็นสเสบียงในพบหน้าเต็มที่ทําให้เกิดความสบายใจอุ่นใจและป้องกันความกลัวตายได้ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า

ผู้คนบางคนในโลกนี้เป็นผู้ได้ทําความดีไว้ได้ทํากุศลไว้ได้ทําความป้องกันความกลัวไว้ทําแต่บุญทําแต่กรรมที่ดีงามทําแต่กรรมที่บริสุทธิ์มีโรคหนักอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องเขาเมื่อเขามีโรคหนักอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องแล้วย่อมีความปริมิตตกอย่างนี้ว่าเราได้ทําความดีไว้ได้ทํากุศลไว้ได้ทำความป้องกันความกลัวไว้ทําแต่บุญทําแต่กรรมที่ดี

ทำแต่กรรมที่บริสุทธิ์ดูก่อนผู้เจริญคติของคนผู้ได้ทําความดีได้ทํากุศลได้ทําความป้องกันความกลัวทําแต่บุญทําแต่กรรมที่ดีงามทําแต่กรรมที่บริสุทธิ์มีประมาณเท่าใดเราละไปแล้วย่อไปสู่คตินั้นคือไปสู่ชาตินั้นพบนั้นเขาย่อมไม่เศร้าโศกย่อมไม่ลําบากใจไม่ร่าไรไม่ทุกอกไม่คร่ําครวนไม่ถึงความหลงไหลดูก่อนพราหมณ์แม่บุคคลนี้แหลผู้มีความตายเป็นธรรมดาย่อมไม่กลัวไม่ถึงความสะดุ้งต่อความตาย

สีละความสงสัยได้สิน้นหรือละความสงสัยได้ละวิจิกิจฉากิเลสได้ด้วยปัญญาด้วยการศึกษาด้วยศรัท ธ, ธาหรือด้วยโสดาปัติมักดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่มีความสงสัยเครือบแคลงถึงความตกลงใจในพระสัทธธรรมมีโรคหนักอย่างไรอย่างหนึ่งถูกต้องเขาเมื่อเขามีโรคหนักอย่างไรอย่างหนึ่งถูกต้องแล้วเจ้ามีความปริวิตกอย่างนี้ว่า

เราไม่มีความสงสัยเครือบแคลงถึงความตกลงใจในพระสัตธรรมเขาย่อมไม่เศร้าโศกย่อมไม่ลำบากใจย่อมไม่ร่ำไรมีทุบโกกไม่คร่ำครวนไม่ถึงความหลงไหลดูกรพรามแม้บุคคล น, นี้มีความตายเป็นธรรมาดาย่อมไม่กลัวไม่ถึงความสะดุ้งต่อความตายในทุติยานาถบินติกาสูตรสังยุตติกายมหาวัตรภาษาลิบุตรแสดงเหตุ

ให้คนเราไม่กลัวตายแก่อนาดิบินิกาเศรษฐีมีสอย่างคือหนึ่งมีอริยกันต่ศีลคือศีลที่พระริยะแต่แก่พระโสดาบันเป็นต้นพอใจคือศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยศีลบริสุทธิ์เอาสักข้อเดียวก็ยังดีชาตินี้ฮะโอ้โหเรามีศีลข้อที่หนึ่งไม่ฆ่าสัตว์

บริสุทธิ์ไม่เคยคิดเลยนะแม้แต่จะฆ่าเขานะลองคิดดูว่าถ้าเรานึกว่าวันชีวิตเนี่ยโอ้โหที่ผ่านมาแต่ละวันเนี่ยเราฆ่าสาตัตว์จะจำไม่ได้ไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่เราฆ่ามาเท่าไหร่นับไม่ทั่วนนะฆ่าเล่นฆ่ากินเองฆ่าสนุกสนานฆ่าเพราะความโกรธเนี่ยมันเยอะมากเหลือเกินในแต่ละชาติแต่ละชาติแล้วลองมาทําสีในบริสุทธิ์

ดูสักวันหนึ่งสิสองมีศรัทธาอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าปกติแล้วไม่เชื่อถือไม่นับถือไม่เลื่อมใสใครนเป็นเรื่องปกติดูหมิ่นคนอื่นคนรู้ไม่แน่ไม่จริงไม่เก่งไม่ดีเท่าเราหรือไม่ดีตามสเปคของเราลองมาศึกษาคุณของพระพุทธเจ้าว่าบำเพ็ญบารมีมา30ประการเอาบารมีเดียวละทานบารมีเราก็จะเกิดศรัทธาไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าพระผู้ธมีภาคเจ้ามีคุณ9้าประการจริง

บำเพ็ญบารมี30ิประการมาจริงมรรคผลนิพพานท่านบรรลุจริงคําสอนของท่านเป็นจริงด้วยคุณที่ท่านบำเพ็ญมานั่นแหละสมีศรัทธาอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมในพระธรรมก็คือคําสอนพระพุทธเจ้าเป็นสัจจะเป็นจริงเปลี่ยนไม่ได้คือเปลี่ยนไปโกหกไม่ได้ใครไปเปลี่ยนให้เป็นอย่างอื่นก็ไม่ได้และสามารถทําให้คนที่

สมาทานประพฤติปฏิบัตินั้นได้ผลจริงๆคือละกิเลสกันได้จริงและประการสุดท้าย4ี่มีศรัทธาอันไม่หวั่นไหวในพระอริยสงฆ์เช่นพาาระอนุนเป็นต้นว่ามีคุณคือสุ ป, ปฏิปันโนปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติตรงไปแล้วไม่โกหกไม่คดงอเป็นต้นนอกจากนี้ในโมคราชปัญหาโมคราชมานบทูลถามพระพุทธเจ้า ว, ว่าทำอย่างไรความตายจึงจะมองไม่เห็น

ไม่เห็นตัวเราอะปกติในความตายเขาเห็นเราอยู่แล้วลกำลังเข้ามากระซิบที่หูเสดซ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสต่อต ว, ว่าให้มองโลกโดยความเป็นของว่างจากตัวตนว่างจากมีตัวตนโลกก็คือขันธ์ห้าหรือรูปนามนั่นแหละเมื่อมองโลกโดยความเป็นของว่างจากการมีตัวตนแล้วความตายก็จะมองไม่เห็นมัจจุราชตาบอดวิธีนี้นับว่าเป็นวิธีที่ ท, ทาลายความกลัวตายได้ดีที่สุด

เพราะเมื่อมองเห็นโลกคือชีวิตว่าว่างว่าเป็นของว่างจากตัวเราแล้วก็ไม่มีตัวเราที่จะต้องตายเมื่อไม่มีตัวเราที่ต้องตายความกลัวตายก็ย่อมไม่มีแต่ไม่ใช่มานั่งคิดเอานะว่าตัวเราไม่มีลูกไม่ใช่เราน้าไม่ใช่เราเราไม่มีลูกลูกไม่มีเราอย่างนี้มันไม่ใช่นะมันต้องเป็นความเห็นด้วยปัญญาวิปัสสนาหรือมัคคับัญญา

โดยไม่ต้องคิดไม่ต้องมีคําพูดถ้ายังคิดอยู่ก็แสดงว่ายัางไม่เห็นเพราะฉจะต้องคอยบอกเขาเนี่ว่าแกนะแกไม่ใช่รูปนะแกไม่ใช่เรานะนิ้วชี้เนื้อหนังกายนี้ไม่ใช่รูปนะฉันเห็นเนี่ยไม่ใช่มีนะมีแต่นามเห็นนะอย่างเนี้ยถ้าเรายังคิดเอาอย่างเนี้ยอันนี้ไม่ได้ผลหรื อ, อยังเห็นหนอเห็นหนอ

คือบริกรรมไว้เห็นหนอแต่ไม่รู้ลักษณะการเห็นโดยไม่ต้องบริกรรมอย่างนี้ใช้ไม่ได้อะไรเล่าเป็นต้นเหตุแห่งความกลัวตายที่สาคัญที่สุดมันอยู่ที่ไหนความรักนั่นเองพระพุทธเจา้าได้ตรัสเกี่ยวกับเหตุแห่งความทุกข์ไว้ในพระสูตรต่างๆมากมายสรุปคือความทุกข์ทั้งหลายนั้นเกิดจากความรักรักมากเท่าไหร่ก็

ทุกมากเท่านั้นเป็นเจ้าของความรักก็คือเจ้าของความทุกข์รักร้อยก็ทุกหนึ่งรักหนึ่งก็ทุกหนึ่งไม่มีความรักก็ไม่มีความทุกข์เพราะฉะนั้นผู้ไม่ต้องการความทุกข์ก็ไม่ควรรักสิ่งใดๆแม้กระทั่งรักตัวเองซึ่งมันเป็นเรื่องที่ได้ยินแล้วก็ขัดใจเป็นอย่างยิ่งหรือว่าฝืนใจเป็นอย่างยิ่งอาจมีข้อสงสัยว่าความรักทําให้เกิดความทุกข์ได้อย่างไร

ความรักน่าจะทําให้เกิดความสุขมากกว่าข้อนี้ตอบว่าเป็นอย่างนั้นคือในขณะที่มีความรักในขณะนั้นมีความสุขแน่นอนในคัมภียรพิธรมแสดงว่าโลภะหรือตัณหาหรือที่เรียกในภาษาไทยว่าความรักนั้นคือเรียกนะเรียกชื่อแต่ต้องไปสนใจที่ตัวสภาวะสภาวะคือ ร, รักหรือโลภนะ่ะมันไม่มีชื่อหรอกตัวจริงนะ่ะแต่มันมีความรู้สึกอยู่มันมีสภาวะจริงอยู่

ก็สนใจตัวนั้นแล้วจะรู้ว่าตัวโลภะหรือตัณหาหรือความรักนั้นเกิดร่วมกับอะไรอีกตัวหนึ่งเรียกว่าเวทนาคือความรู้สึกที่เป็นโสมนัสคือดีใจความรู้สึกดีใจหรือความรู้สึกอุเบกขาเวทนาเฉยเฉยก็ได้จะไปเกิดร่วมกับโทมนัสคือความรู้สึกเสียใจหรือเป็นทุกข์นั่นไม่ได้โลภะมันถูกบังคับด้วยเหตุปัจจัยว่ามันต้องเกิดกับโสมนัสกับอุเบกขา

เพราะฉะนั้นที่บอกว่าความรักทำให้เกิดความสุขจึงเป็นจริงเป็นจริงยังไงคือเป็นจริงเพราะมันมาเกิดร่วมกับโสมนัสเวทนาและอุเบกขาเวทนาถ้าฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ที่กล่าวว่าความทุกข์ทั้งหลายรวมทั้งความทุกข์อันเกิดจากความกลัวตายเกิดจากความรักจะเป็นไปได้อย่างไงถือพูดง่ายว่าความรักให้ความสุขแล้วความรักมันไปให้ความทุกข์อย่างไร

อธิบายว่าเมื่อความรักทําให้เกิดความสุขเป็นความจริงที่กล่าวว่าความรักทําให้เกิดความทุกข์ก็ต้องไม่จริงอันนี้ไม่ใช่คาอธิบายนี่เป็นคําให้คิดหรือถ้าความรักทําให้เกิดความทุกข์เป็นความจริงที่กล่าวว่าความรักทําให้เกิดความสุขก็ต้องไม่จริงข้อนี้ขอตอบว่าเป็นความจริงทั้งสองอย่างดังที่ได้ทราบแล้วว่าในขณะที่เกิดความรักในขณะนั้นมีความสุขเป็นจริงส่วนที่กล่าวว่าความรักทําให้เก wow ิดความทุกข์นั้น

มันต้องมีปัญญาฟังนิดหน่อยว่าในบรรดาสิ่งที่เรารักทั้งหมดไม่มีสิ่งใดที่อยู่กับเราโดยตลอดการหรือเราจะอยู่กับสิ่งนั้นไปตลอดการไม่เวลาใดเวลาหนึ่งวันใดวันหนึ่งก็ต้องพัดพลายจากสิ่งเหล่านั้นไปถึงตอนนั้นใจของเราย่อมเป็นทุกข์ในสัด ส, ส่วนที่เท่ากับความรักคือรักมากก็ทุกข์มากรักน้อยก็ทุกข์น้อยท่านรักชาติมากไหมรักศาสนามากไหมรักตัวเองมากไหม

รักมากก็ต้องทุกมากพระพุทธเจ้าตัดไว้ในวิสาขสูตรกุิกนิกายอุทานมีใจความว่าคนมีของรักร้อยอย่างก็มีความทุกร้อยอย่างคนมีของรักอย่างเดียวก็มีความทุกขอย่างเดียวคนไม่มีของรักก็ไม่มีความทุกขเราเรียกว่าผู้ไม่มีความโศกปราศจากกิเลสดุจทุลีไม่มีความขับแค้นใจความโศกก็ดีความลําไส้ก็ดีความทุก็ดีมากมายหลายอย่างนี้มีอยู่ในโลก

เพราะหา ส, าสัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รักเมื่อไม่มีสัตว์หรือสังขารนั้นเป็นที่รักความโศกความรำไรและความทุกข์เหล่านี้ย่อมไม่มีเพราะเหตุนั้นผู้ไม่มีสัตว์หรือสังขารนั้นเป็นที่รักในโลกไหนๆในโลกนี้โลกหน้าโลกอดีตโลกปัจจุบันโลกอนาคตไม่มีนะจึงเป็นผู้มีความสุขเพราะปราศจากความโศกเพราะฉะนั้นผู้ปรารถนาความไม่โศกที่ปราศจากกิเลสดุจทุลี

ไม่ควรทำศัพท์หรือสังขารให้เป็นที่รักในโลกไหนๆในนาคิตาสูตรอังคุตนิกายปัญจาการนิบาทตพระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนนาคิตาอาหารที่กินดื่มเคี้ยวลิ้มรสแล้วย่อมมีอุจจาระและปัสสาวะเป็นผลมีเป็นผลแห่งอาหารนั้นความรักก็พีโสซกะปริเทวะทุกโทมนั์และอุปายาควับแค้นใจ

ที่เกิดขึ้นเพราะสิ่งที่รักแปรปรวนเป็นอื่นเป็นผลนี่เป็นผลแห่งความรักนั้นเพราะฉะนั้นผู้ใดไม่ต้องการความทุกข์ทั้งหลายรวมทั้งความทุกข์อันเนื่องมาจากความตายเป็นเอตก็ไม่ควรมีความรักความผูกพันในสิ่งใดแม้กระทั่งในชีวิตที่สมมุติว่าเป็นของตัวเองหากทําได้อย่างนี้ก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงดังที่ท่านได้กล่าวไว้ว่า

สเปสังขารานิจาตียาธาปัญญายาบาสตีอาธานิพินทัดิทุเคเอสามาโควิสุทียาเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อนั้นจอมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพาน

อันเป็นธรรมหมดจดมีคำถามว่าความเชื่อของคนมีผลต่อความกลัวตายอย่างไรความเชื่อเกี่ยวกับความตายของคนในโลกนี้แบ่งได้เป็นสองพวกใหญ่ๆคือ 1. นึงคนที่เชื่อว่าตายแล้วต้องเกิดอีกสองคนที่เชื่อว่าตายแล้วศูนตายแล้วไม่เกิดคนที่เชื่อว่าตายแล้วเกิดอีกคือเชื่อว่าชาติหน้ามีนรกสวรรค์มีจริง

ไม่ใช่เพียงแค่สวรรค์นในอกนรกในใจอย่างที่คนบางพวกเชื่อแล้วยังเชื่อว่ากรรมดีกรรมชั่วมีจริงให้ผลเป็นความสุขหรือความทุกข์ได้จริงจริงๆแล้วมันก็น่าพิจารณานะกรรมดีมันดีจริงไหมให้ทานดีจริงไหมศีห้าเนี่ยห้าข้อเนี่ยมีข้อใดมันไม่น่าจะดีเมตตาจากจิตใจความกระตันยูนมันดีจริงไหมอ้าวแล้วตรงกันข้ามตณีหวง

ดิศยาทำลายศีลอกตัญญูโกรธเกง่งผูกเวนมันชั่วจริงไหมพิจารณาให้ดีนะมันเกิดกับชีวิตของเราและคนอื่นแล้วมันให้ผลเป็นความสุขหรือความทุกข์ได้จริงไหมตอนทำชั่วตอนทำดีนะมันตอนหนึ่งนะมันเป็นสภาวะธรรมที่เรียกว่ากรรมส่วนวิบากหรือผลนะอีกตอนหนึ่งนะแล้วมันกรรมดีให้ผลเป็นสุข

การช่วยผลเป็นทุกข์ได้จริงหรือถ้าเขาเชื่อคนพวกนี้จึงพยายามทํากรรมที่ดีเป็นกุศลกรรมเพื่อให้ตนไปเกิดในภพภูมิที่ดีมีความสุขในภพภูมินั้นๆเมื่อเขาจะต้องตายเขาจะมองว่าความตายเป็นความสิ้นสุดของชีวิตนี้แต่เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่จึงไม่รู้สึกกลัวตายมากนักเพราะความเชื่อว่ายังมีชาติหน้าช่วยเจือจางความทุกข์

จากความโกรธตาให้ลดน้อยลงอุปมาเหมือนคนที่สูญเสียของมีค่าไปย่อมรู้สึกเสียดายแต่หากว่าตนมีเงินมากและสิ่งนั้นยังมีให้หาซื้อได้ความรู้สึกเสียดายก็จะลดน้อยลงเพราะเห็นว่าซื้อหาใหม่ได้ฉั้นใดก็ดีคนที่เชื่อว่าชาติหน้ามีตายแล้วเกิดอีกเมื่อความตายปรากฏเขาก็ไม่เป็นทุกข์มากนักและเห็นว่าตนจะได้เกิดใหม่อีกชั้นนั้นเชื่อว่า

ชาติหน้ามีตายแล้วเกิดนะไม่มีตัวใครไปเกิดนะแต่มันมีขันห้าที่เป็นวิบากกรรมไปเกิดด้วยอํานาจเหตุคือกรรมที่ทําอยู่ในชาติที่เป็นอดีตแต่คนที่เชื่อว่าตายแล้วศูนย์คือเชื่อว่าชาติหน้าไม่มีชีวิตหลังจากตายแล้วไม่มีการเกิดในภพภูมติต่างๆอีกคนพวกนี้จะพยายามสแสวงหาความสุขอย่างเต็มที่ในชาตินี้

อยากทำอะไรก็ทำเพราะเห็นว่าตายแล้วไม่มีโอกาสได้ทาอย่างนี้อีกจะระมัดระวังการกระทำดีบ้างก็เพื่อไม่ให้ผิดกฎหมายเพราะไปต้องการติดคุกติดตารางเมื่อเขาจะต้องตายเขาจะมองความตายว่าเป็นการสิ้นสุดของทุกสิ่งทุกอย่างจึงเกิดความกลัวตายอย่างมากยิ่งคนที่มีความสุขส บ, บายมากแล้วเชื่อว่าตายแล้วสูญก็ยิ่งมีความกลัวตายมากขึ้นเป็นทวีคู

อุปมาเหมือนคนที่สูญเสียของมีค่าไปและไม่สามารถหาสิ่งนั้นจากที่ใดๆได้อีกย่อมรู้สึกเสียดายมากฉันใดคนที่เชื่อว่าตายแล้วไม่เกิดอีกเมื่อเขาจะต้องตายจากโลกนี้ไปย่อมเสียดายชีวิตและรู้สึกกลัวตายมากฉันนั้นคาคมหากพรุ่งนี้เป็นวันตายของเธอชีวิตที่เหลืออยู่วันนี้เธอจะทําอะไร

ต่อไปเป็นเรื่องของการเตรียมตัวตายในยามปกติคือในยามที่ยังมีชีวิตอยู่คนเราส่วนใหญ่มักประมาทประมาทก็คือดูหมิ่นว่าความตายยังไม่มาเรายังไม่ตายหรือประมาทเพราะมัวไปเพลิดเพลินกับอะไรดูเกมฟุตบอลดูหนังอยู่กับคนรักเนี่ยมันเพลินสุขมันก็ไม่คิดถึงความตายหรอก

ก็คิดว่าชีวิตของตนจะยืนอยู่ยืนยาวเรื่อยไปไม่ตายตอนนี้แน่จึงใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานเพลิดเพลินคือประมาทไปกับสิ่งล่อใจต่างๆเรียกว่ามอมเมาตนเองอย่าไปพูดถึงเรื่องการเตรียมตัวตายเลยแม้แต่การนึกถึงความตายสักครั้งก็ยังยากเมื่อตายจริงก็ทําใจไม่ได้การเตรียมตัวที่ดีเท่ากับสําเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง

คำกล่าวนี้ควรถือว่าเป็นความจริงการจะลงมือทำสิ่งใดก็ตามหากมีการเตรียมตัวล่วงหน้าแล้วเมื่อต้องลงมือทำจริงก็ทำได้ดีไม่ขุกครักเช่นเดียวกันและเป็นเรื่องสำคัญด้วยเรื่องของความตายเราทุกคนต้องตายหรือกำลังตายด้วยหากเรามีการเตรียมตัวตายที่ดีแล้วก็จะตายดีหากไม่มีการเตรียมตัวตายก็ยากที่จะตายดี

คำว่าตายดีก็คือตายด้วยจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลไม่รู้สึกกลัวและตายแล้วก็ไปสู่สถานที่ดีหรือสุคติคือไปเกิดดีต่อเนื่องทันทีเลยทีนี้มันก็สำคัญอยู่ที่ว่าคุณเป็นอยู่อย่างไรจรึงจะตายดีถ้าคุณเป็นอยู่ชั่วมันตายดีไม่ได้คุณต้องเป็นอยู่ดีเสียก่อนเพราะฉะนั้นผู้รู้เท่าทันความจริงของชีวิตถือกติที่ว่าการดาเนินชีวิตที่ดีต้องพร้อมที่จะตายในทุกขณะเวลา

จึงเตรียมพร้อมเสมอสําหรับการต้อนรับความตายและเพราะความตายอาจมาเยือนเมื่อไหร่ก็ได้ไม่บอกล่วงหน้าไม่เคยเตือนไม่เคยให้อนั ส, สัญญาณอะไรล่วงหน้าเลยการเตรียมตัวตายแบ่งได้2ด้านคือ1ด้านภายนอกของสังคม2ด้านภายในคือจิตใจอย่างที่หนึ่งเตรียมตัวภายนอกคือเกี่ยวกับผู้คนการงานวัตถุสิ่งของคือนอกตัวเรา

ควรจัดการให้เรียบร้อยลงตัวไม่ให้เกิดความกังวลเช่นแบ่งมรดกทำพินัยกรรมหรือถ้าไม่จัดการอย่างนั้นให้เรียบร้อยแล้วก็ให้คนอื่นเขาจัดการสั่งคนอื่นแต่ถ้าหากไม่จัดการจิตใจจะคอยกังวลห่วงทรัพย์สมบัติห่วงสามีภรรยาบุตรธิดาหากตายลงในขณะนั้นก็มีเปอร์เซนที่จะไปเกิดเป็นเปรตจึงควรจัดการทรัพย์มรดกคนอื่นให้เรียบร้อย

หากไม่สามารถจะจัดการให้เรียบเร้าได้ก็ควรจะตัดใจเสียจะได้นอนตายตาหลับแต่เมื่อไม่รู้วิธีตัดใจด้วยปัญญาก็คงทําใจไม่ได้ 2. การเตรียมตัวทางด้านจิตใจทําได้ดังนี้ข้อที่หนึ่งมันระลึกถึงความตายอยู่เสมออยู่เสมอเพื่อให้เข้าใจและยอมรับสภาพของความตายว่าเป็นธรรมดาของชีวิตสิ่งใด

ที่เป็นสิ่งแปลกใหม่สําหรับเราเมื่อเห็นสิ่งนั้นเป็นครั้งแรกก็ตื่นเต้นหวาดกลัวเช่นเห็นคนหรือสิ่งสวยงามเป็นครั้งแรกจิตใจก็ตื่นเต้นดีใจแต่เมื่อเห็นทุกวันทุกวันความรู้สึกดีใจหายไปเป็นรู้สึกเฉยเฉยหรือไม่เห็นจงงูจงอ่างครั้งแรกก็กลัวแต่เห็นบ่อยๆก็เฉยเฉยช่างใดเมื่อเราหมั่นระลึกถึงความตายอยู่เสมอก็จะรู้สึกว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดา

ไม่น่ากลัวอะไรเลยฉันนั้นในฐานะสูตรอังคุตรนิกายบัญจัติกนิบาตพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายฐานะหประการนี้อันสตรีบุรุษครือหัดหรือบรรพชิตควรพิจารณาหนึ่งเรื่องห้าประการเป็นชนิดคือสตรีบุรุษครือหัดหรือบรรพชิตควรพิจารณาหนึ่งเนืองว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่หลงพ้นความแก่ไปได้

เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้เราจะต้องพัดพลาจากของรักของชอบใจทั้งสิน้นเรามีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกรรมเนิรดมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นที่พึ่งจกทำกรรมใดดีก็ตามชั่วก็ตาม

เราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นขออธิบายเรื่องตรงนี้นิดหน่อยในเรื่องของกรรมเพราะว่าเป็นเรื่องที่สำคัญของชาวพุทธถ้าชาวพุทธไม่เข้าใจเรื่องกรรมก็จะไม่เข้าใจเรื่องที่พระเจ้าแสดงทั้งหมดเรามีกรรมเป็นของตนอันนี้หมายความว่ากรรมที่เราทำทั้งดีทั้งชั่วนั้น

เป็นเหมือนสมบัติของตัวเองเราไม่มีสมบัติอะไรเลยชีวิตของเราเนี่ยแม้แต่ชีวิตก็ไม่ใช่สมบัติของเราแต่ถ้าจะถามว่าอะไรที่พอจะเป็นสมบัติของเราได้ก็คือกรรมกรรมน่ะเป็นสมบัติของเราแท้จริงเพราะว่าพอทำไปแล้วเนี่ยเขาก็ติดตามไปพร้อมที่จะให้ผลกรรมในอย่างหนึ่งแล้วก็ผลของกรรมในอย่างหนึ่ง

เขาติดตามไปได้ในวัฏสงสารเนี่ยยาวนานหรือเกินปัจจะบันพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเรามีกรรมเป็นของตนนี่เป็นข้อหนึ่งแล้วสมบัติของเราเราก็คงต้องการสมบัติที่ดีๆเหมือนกับที่เรามีเสื้อผ้ามีอาหารมีของใชด้ดีๆเราต้องการอย่างนั้นเราก็จะต้องทำกรรมที่เป็นกุศลกรรมที่เรียกกันว่าบุญ

ให้สำเร็จทางกายวาจาใจผลของกรรมก็จะได้ตรงกับเหตุคือกุศลนั่นแหละประการต่อไปคือเป็นทายาทแห่งกรรมคือเมื่อเราทำกรรมไปแล้วกรรมนั้นก็กลายเป็นเหมือนผู้ที่จะให้มรดกเป็นเหมือนพ่อเหมือนแม่เราเนี่ยเป็นเหมือนลูกที่ต้องรับมรดกของกรรมถ้าเราทำกรรมชั่วเช่นผิดศีลห้า

เราก็ต้องรับผลของกรรมชั่วนั้นถ้าเราทํากรรมดีคือมีศีลห้าศีลอุโบสถศีลสิบเป็นต้นบริสุทธิ์เราก็เป็นทายาทที่รับผลของศีลอันนั้นมีกรรมเป็นกําเนิดอันนี้ก็คือกรรมนั้นแหละเป็นผู้พาไปเกิดหรือส่งไปเกิดหรือซัดไปเกิดเช่นเรามาเกิดในชาตินี้เป็นมนุษย์นี่ปฏิสนธิจิตจิตที่ทําหน้าที่เกิด

เป็นจิตดวงแรกในภพนี้ในชาตินี้มันเป็นผลของกรรมในชาติก่อนและเเราจะตายเมื่อเราตายลงในชาตินี้สมมุติว่าตายวันนี้มันก็จะมีกรรมที่เราทําไว้อาจจะในชาตินี้ก็ได้ในอดีตชาติก็ได้มาส่งให้เราไปเกิดในชาติที่2ชาติต่อไปข้างหน้าจึงเรียกว่ามีกรรมเป็นกรรมเนิดหรือมีกรรมพาไปเกิดนั่นเองและไปเกิดเป็นอะไรล่ะ

ก็ไปเกิดตามผลของกรรมนั้นเช่นไปเกิดด้วยผลของกรรมชั่วก็กําเนิดในจัตตลกเปรตอสุรกายจัตติริชานกาเนิดในกรรมดีก็มนุษย์เทวดาเป็นต้นทีนี้มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ก็คือมีกรรมที่ติดตามไปได้นั่นเองคําว่าเผ่าพันเนี่ยมันมีความหมายที่แปลกอย่างหนึ่งคือสืบต่อไปได้เช่นเราทํากรรมเมตตาบ่อยๆ

ไอเมตตานั้นมันก็เป็นเผ่าพันธุ์เราเป็นเผ่าของเมตตาก็ตามเราไปทําเมตตาวันนี้อาจจะไปทําต่ออีกในวันพรุ่งนี้ในชาติหน้าในชาติโน่นโถ้าเราทํากรรมคือความโกรธความผูกโกรธไว้เป็นปกติเป็นประจําบ่อยๆมันก็เป็นเผ่าพันธ์ของความโกรธตามเราไปได้อีกเพราะฉะนั้นจึงมีกรรมเป็นที่พึ่ง

เราทั้งหลายเนี่ยอย่าไปพึ่งสิ่งอื่นพึ่งไม่ได้ก็พึ่งกรรมที่เราทําโดยเฉพาะกรรมดีและกรรมที่พึ่งใดสูงสุดเขาเรียกว่าโลกุตระกุศลคือโซดาปฏิมักเป็นต้นจากทํากรรมใดดีและชั่วก็ตามเราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นต่อไปพระเจ้าตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเพราะอาศัยอํานาจประโยชน์อะไรสตีบุรุษเครือหัด

หรือบัประชิตจึงควรพิจารณาเนเนืองว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความตายไปได้ดูกอนพิสูจน์ทั้งหลายความมัวเมาในชีวิตมีอยู่แก่สัตว์ทั้งหลายมัวเมาว่าเรายังมีชีวิตอยู่เรายังหนุ่มอยู่เรายังเป็นสาวอยู่เรายังไม่แก่เรายังไม่มีโรคเรายังเก่งอยู่เรายังมีเงินมีทองเรายังอยู่นั่นแหละไอตัวที่รู้สึกว่าเรายังอยู่นั่นแหละ

มันเป็นความบัวเมาถ้าเรียภาษาของธรรมะก็คือมานะถือว่าเรายังมีชีวิตอยู่เรายังนุ่มสาวอยู่ยังแข็งแรงอยู่แลวยังไม่ตายแลวยังมีอะไรทุกอย่างความบัวเมาในชีวิตมีอยู่แก่สัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาใจเมื่อขาวพิจารณาฐานะคือเหตุนั้นอยู่หนึ่งเือง

ย่อมละความมัวเมาในชีวิตนั้นได้โดยสิ้นเชิงหรือทำให้เบาบางลงได้ทุก่อนมพิสุท์ทั้งหลายเพระาะสายอำนาจประโยชน์นีแลสตรีบุรุษขดหัดหรือบรรบญชิตจึงควรพิจารณาหนึ่งเหนืองว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความตายไปได้ข้อที่สองไม่สร้างความรักหรือความผูกพันกับสิ่งใดในภายนอกคือในกามคุณอันนี้ก็ไม่ค่อยคุ้น

ในคําว่ากามาคุณสําหรับคนทั้งหลายแต่จริงๆแล้วมันเกิดกับชีวิตเราไม่เรียกมันกามาคุณก็ได้ก็คือภาพที่เห็นทางตาเสียงที่ได้ยินทางหูกลิ่นที่ได้รู้ทางจมูกรสอาหารที่รู้ทางลิ้นและสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงทางกายมันเป็นการมาคุณเพราะว่ามันผูกใจให้ไปติดอยู่ด้วยความรักไม่ว่าจะเป็นผู้คนสิ่งของสัตว์เลี้ยงหรือชื่อเสียงเกียรติคุณ

ก็อย่าไปผูกพันนะเพื่อให้จิตใจเป็นอิสระไม่เกาะเกี่ยวกับสิ่งใดเมื่อความตายมาเยือนก็สามารถต้อนรับความตายได้ด้วยความสบายใจทีนี้จะละความผูกพันก็ต้องมีธรรมชาติอันหนึ่งเกิดขึ้นธรรมชาติอันนั้นก็คือความไม่โลภธรรมชาติอันนั้นคือสติธรรมชาตินนั้นคือปัญญาซึ่งเกิดได้ด้วย

การฟังธรรมและใส่ใจโดยถูกวิธี 2.3 พยายามละความรักความยิน ด, ดีในชีวิตของตัวเองให้น้อยลงด้วยการพิจารณาความทุกข์ทั้งหลายในชีวิตหรือในวัฏสงสารว่าชีวิตนะั้นมันมีแต่ทุกเกิดทุกตั้งอยู่ทุกดับถึงจะมีกี่แสนล้านชีวิตมันก็มีอยู่เทา่านี้เพื่อเห็นโทษและเกิดความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายด้วยปัญญาไม่ใช่ด้เบื่อหน่ายด้วยโทสะในชีวิตพอความรักชีวิต

จะทำให้เราเป็นทุกข์เมื่อความตายมาเยือน 4. มันทำจิตใจให้เป็นบุญอยู่เสมอด้วยการให้ทานรักษาศีลฟังธรรมสวดพระพุทธมนต์หรือพระปริจเจรินกรรมฐานเช่นเมตตาเมาณนะสติซึ่งต้องเป็นเรื่องสำคัญนะไม่ใช่ฟังแล้วก็ไม่ได้สนใจใหญ่ดีเออดีให้ทานดีรักษาศีลดีแต่ไม่เคยทำามมีประโยชน์อะไรใจมันก็ยังกลับไปอยู่

โลภโกรธหลงเป็นหลักเพื่อป้องกันความกลัวตายนั่นเองและเพื่อเป็นสเสบียงบุญสําหรับพบหน้าหากสามารถทําได้ก็ควรเจริญที่ปัตสนากรรมฐานด้วยคือจเจริญสติปัฏฐานเพื่อให้เกิดที่ปัตสนาปัญญาอันนี้เป็นเรื่องต้องศึกษากันโดยลึกซึ้งโดยเข้าใจนี่พูดเป็นเพียงหัวข้อเพราะวิปัสสนาเป็นบุญที่จะสละหรือละความเห็นผิดและความยึดถือในตัวตนให้หมดสิ้นไปเพราะปัญญาเข้าไปเห็น

ความเกิดความดับความเป็นทุกข์ความไม่มีอำนาจที่จะบังคับชีวิตบังคับรูปนามให้เป็นไปตามปรารถนาได้เมื่อไม่มีความยึดถือในตัวตนแล้วความตายก็ไม่เป็นปัญหาสําหรับเราอีกต่อไปคือไม่มีเราตายมีแต่รูปนามตายหรืออุปทานขันท่าตายหรือกุศลตายอากุศลตายอัพยากตะตายเท่านั้นความทุกข์ทั้งหลายในสังสารวัฏก็จบสิ้นลงโดยสิ้นเชิง

ถในการทําบุญทุกครั้งควรมีการจดบันทึกบุญไว้ด้วยว่ามีการทําบุญอะไรที่ไหนเป็นต้นเพื่อเอาไวด้ดูหลังจากได้ทําบุญนั้นเสร็จแล้วจะได้เกิดความรู้สึกสบายใจปิติใจเมื่อใกล้ตายก็สามารถเปิดอ่านดูได้และจะทําให้จิตใจ ย, ย, ยึดเอาอารมณ์ที่เกี่ยวกับกุศลนั้นๆเป็นอารมณ์ก่อนตายต่อไปเป็นการทําใจเมื่อรู้ต้นว่ากําลังจะตายหากมีการเตรียมตัวอยู่โดยปกติ

การทำใจเมื่อรู้ตัวว่าตนกำลังจะตายก็ไม่ใช่เรื่องอยากทำเหมือนกับการเตรียมตัวตายในยามปกตินั่นเองเพียงแต่ขณะกำลังจะตายเป็นช่วงเวลาที่สำคัญก่อนหน้านั้นแม้จะมีการเตรียมตัวตายอยู่บ้างแต่ความประมาทก็ยังทำให้เกิดความรู้สึกว่าอาจยังไม่ตายในตอนนี้ความรักชีวิตความโลภนั่นแหละคือความประมาท

เมื่อขณะกำลังจะตายจริง ๆ, อ า, งๆอาจทำใจยอมรับความจริงไม่ได้ก็เป็นได้ยิ่งอย่างหนึ่งก่อนตายอาจเกิดทุกขเวทนาทางกายคือเจ็บปวดร้อนเสียดแทงอย่างนี้เป็นต้นทำให้จิตใจกวนกวายควบคุมจิตใจตัวเองแต่ยากคือเกิดกุศลยากฉะนั้นจึงต้องเข้มงวดเป็นพิเศษโดยการปฏิบัติดังนี้อันนี้เป็นเรื่องที่ท่านทั้งหลายควรฝึกไว้ก่อนฝึกกันตอนหนุ่มๆนี่แหละ

ฝึกกันตอนสาวๆนี่แหละอย่าไปฝึกเอาไอ้ตอนแก่มันไม่มีโอกาสได้แก่ก็ได้ 1. อยู่สงบเพียงนำพังไม่ให้ผู้ใดรบกวนหัดอยู่กับตัวเองซะบ้าง 2. ส, สร้างบรรยากาศในห้องที่อยู่ให้เกิดกุศลได้ง่ายอันนี้เดี๋จะมีรายละเอียด3ตัดใจสิ่งภายนอกให้หมดอย่า ก, กังวลกับสิ่งใด 4. นึกถึงบุญกุศลที่เคยทําหรือทําบุญกุศลที่สามารถทําได้ในขณะนั้นนั่นแหละเช่นนิมนต์พระมารับสังฆทาน

มาเจริญพระปริศมาแสดงธรรมให้ฟังอันนี้สําคัญมากนิมนพระมาให้แสดงธรรมของพุทธเจ้าเราจะได้มีที่พึ่ง5 ห, หากมีพื้นฐานทางการเจริญกรรมฐ า, านไม่ว่าสมาธิคือทําจิตให้สงบด้วยสมาธิหรือมิปัญนาทําจิตให้รู้ความจริงด้วยปัญญายานควรเจริญกรรมฐ า, านเพื่อให้จิตใจมีหลักยึดที่เป็นบุญกุศลที่นี้การทําใจเมื่อคนรักตายจาก

ศาสาตราจักว่าความพัดพลากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์เป็นความจริงที่ทุกคนต้องยอมรับและต้องเคยประสบมาแล้วมากบ้างน้อยบ้างเมื่อประสบกับความพลัดพลาดจากคนรักอันเนื่องมาจากความตายและจะทําใจอย่างไรโดยเฉพาะคนที่เรารักมากเหลือเกินเช่นลูกเราตายลูกกาลังเล็กๆ เ, เด็กๆมีข้อแนะนําดังนี้หนึ่งพิจารณาว่าความตายเป็นสัจธรรมคือเป็นความจริงสาธารณะทั่วไป

มีแก่ทุกชีวิตไม่มีใครหนีได้พ้นไม่ว่าพระราชา ย, ยาโจรคนชั่วคนดีล้วนต้องตายกันหมดเหมือนกัน 2. ความเศร้าโศกเสียใจถึงคนที่ตายไปแล้วไม่เกิดประโยชน์แก่ผู้ตายผู้ตายอาจจะรู้สึกไม่สบายใจหากรู้ว่าเราเป็นทุกข์เพราะเขาเป็นเหตุสมไม่มีใครตายอนัตตาอนัตตาตายหรือว่า

อันนี้จังตายหรือว่าทุกขังตายหรือว่ารูปนามตายหรือว่าขันตายหรือว่าอายตนะตายมีแต่ความตายของรูปธรรมและนามธรรมเท่านั้นซหากชาติหน้ามีจริงบุญกุศลมีจริงคงได้เจอกันอีกในชาติใดชาติหนึ่งจริงๆแล้วไม่ควรเจอกันอีกครับเพราะอะไรเพราะเจอกันแล้วเดี๋ยวมันมารักกันอีก

ในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าตรัสแนะนำไว้ในพระสูตรต่างๆหลายสูตรเช่นในฐานสูตรอังคุตตรนิกายปัญจกานิบาศตรัสว่าดูก่อนพิสูุน์ทั้งหลายฐานะห้าประการนี้อันสมณะพรามเทวดามารพปรมงหรือใครๆในโลกไม่พึงได้ห้าประการเป็นฉชไหนคือฐานะคือเหตุว่าขอสิ่งที่มีความแก่เป็นความเป็นธรรมดาสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาอย่าแก่อย่างที่หนึ่ง

ขอสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอย่าเจ็บไข้ขอสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาอย่าตายขอสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาอย่าสิ้นไปขอสิ่งที่มีความชิบหายคือพินาศแตกย่อยยับดับเป็นธรรมดาอย่าชิบหายทั้งหมด5อย่างนี้อันสานัพรามเทวดามามรพรหมหรือใครในโลกไม่พึงได้

ดูก่อนพิสูุทั้งหลายสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาของปุถุชนผู้ไม่ได้ฟังธทมย่อมตายไปเมื่อสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาตายไปแล้วเขาย่อมไม่เห็นดังนี้ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาของเราผู้เดียวเท่านั้นตายไปโดยที่แท้สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาของสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาคือมาเกิดการไปคือการตายไปเกิดการจุติก็คือการตายการอุบัติคือการเกิดย่อมตายไปทั้งสิ้น

ส่วนเราเองก็เมื่อสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาตายไปแล้วพึงเศร้าโศกลําบากลำลายทุบอกคลั่มกรวนหลงบ่มงายแม้อาหารเราก็ไม่อยากรับประทานแม้กายก็พึงเศร้าหมองสู้ผอมแม่การงานก็พึงหยุดชะงักแม้พวกอามิตรศัตรูก็ดีใจแม้พวกมิตรก็เสียใจดังนี้เมื่อสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาตายไปแล้วเขาย่อมเศร้าโศกลําบากลำลายทุบอกคล่ําครวนหลงบ่ม ง, งายนี่เรียกว่า

ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับฟังธรรมะถูกลูกสอนคือความโศกที่มีพิษแทงเขาแล้วย่อมทําตนให้เดือดร้อนดูกว่าพิสูจน์ทั้งหลายส่วนว่าสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาของอริยะสาวกสาวกก็คือผู้สําเร็จประโยชน์ในการฟังอริยะก็คือผู้กายกิเลสผู้ได้สดับธรรมย่อมตายไปเมื่อสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาตายไปแล้วอริยะสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า

แม้พวกอา mith ก็พึงดีใจแม้พวกมิ t h ก็พึงเสียใจดังนี้เมื่อสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาตายไปแล้วอริยาสาวกนั้นย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากไม่ลำเละไม่ทุกข อ, อกครั่งกลัวไม่หลงมุมงานนี้เรียกว่าอริยาสาวกผู้ได้สดับถอนลูกศรด้วยปัญญาลูกศรคือความโศกที่มีพิษเป็นเครื่องเสียบแทนปุถุชนผู้ไม่ได้สดับทําตนให้เดือดร้อนอริยาสาวกผู้ไม่มีความโศกปราศจากลูกสอ

ย่อดับทุกร้อนได้ด้วยตนเองและพระองค์ได้ตรัสต่อไปอีกว่าประโยชน์แม้เล็กน้อยในโลกนี้อันเคยๆย่อมไม่ได้เพราะการเศร้าโศกเพราะการข้ามครวญพวกอมิตรทราบว่าเขาเศร้าโศกเป็นทุกขย่อมดีใจก็คราวใดบัณฑิตผู้พิจารณารู้เนื้อความไม่หวั่นไหวในอันตรายทั้งมวลคราวนั้นพวกอมิตรเห็นหน้าอันไม่ผิดปกติของบัณฑิตนั้นยิ้มแย้มตามเคยย่อมเป็นทุกข์

บัณฑิตพึงได้ประโยชน์ในที่ใดๆด้วยประการใดๆเพราะการสรรเส ร, ริญเพราะความรู้เพราะการกล่าวคำสุภาษิตเพราะการบำเพ็ญทานหรือเพราะประเพณีคือการทําสืบต่อในทางที่ดีของตนก็พึงบากบั่นในที่นั้น ๆ, ๆด้วยประการนั้นๆพึงทราบว่าความต้องการอย่างนี้อันเราหรือผู้อื่นไม่พึงได้ไซก็ไม่ควรเศร้าโศกวนตั้งใจทํางานโดยเด็ดขาดว่าบัด น, นี้เราทําอะไรอยู่ดังนี้

ในปาติโพคสูตรอังคารนิกายจตุกกติบาทพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายไม่มีใครๆไม่ว่าจะเป็นสมณพราหมณ์เทวดามารพรมหรือผู้ใดผู้หนึ่งในโลกที่จะรับรองทำสี่ประการได้ทำสี่ประการเป็นฉนัคือไม่มีใครๆไม่ว่าจะเป็นสมณพราหมณ์เทวดามารพรมหรือผู้ใดผู้หนึ่งในโลกที่จะรับรองว่าสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาอย่าแก่

ที่จะรับรองว่าสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอย่าเจ็บไข้ไม่มีใครๆที่จะรับรองว่าสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาอย่าตายอันหนึ่งไม่มีใครๆที่จะรับรองว่าวิบาสคือผลสุขแล้วแห่งกรรมอันรามกอันชั่วเศร้าหมองให้เกิดในภพใหม่มีทุกเป็นกรรมรมีทุกเป็นวิบาสมีชาติชราและบรณะต่อไปอย่าบาังเกิด

ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายไม่มีใครๆไม่ไว่าจะเป็นสัปนะพราหมณ์เทวดามารพรมหรือผู้หนึ่งผู้ใดในโลกที่จะรับรองทำสี่ประการนี้ในอุราคาชาดกมีเรื่องเล่าย่อๆว่าพระโพธิสัตว์เป็นกุดุมพีคนหนึ่งมีคนในปกครองหคนคือภรรยาบุตรชายสะพายธิดาและทาสีพระโพธิสัตว์ระลึกถึงความตายเป็นปกติและสอนให้ทุกคนในครอบครัวระลึกถึงความตายด้วยซึ่งทุกคนก็ทํ า, าตามระลึกทุกวันทุกเวลา

ที่มีโอกาสไม่ว่าจะยืนเยินนั่งนอนทํางานอะไรเป็นกรรมาฐานประจําชีวิตประจําวันไม่ต้องไปขอกับอาจารย์ไหนทําไปวันหนึ่งพระโพธิสัตว์กับบุตรชายไปไถนาในขณะที่พระโพธิสัตว์กำลังไถนาอยู่บุตรชายก็เก็บหญ้ามาเผาถูกงูพิษกัดตายพระโพธิสัตว์เห็นบุตรชายตายก็ยกศพไปเก็บไว้ใต้ต้นไม้ไถนาต่อไปตามเดิมไม่แสดงอาการเศร้าโศกเลย

ขณะนั้นมีชายคนหนึ่งผ่านจะกลับเข้าหมู่บ้านพระโพธิสัตว์จึงฝากบอกภรรยาให้เตรียมอาหารสําหรับคนคนเดียวและให้ทุกคนในบ้านแต่งชุดขาวเอาดอกไม้ของหอมมาด้วยชายคนนั้นก็กลับมาบอกภรรยารู้ทันทีว่าบุตรตายแล้วแต่ไม่เศร้าโศกเตรียมของไปตามที่พระโพธิสัตว์สั่ง

พระบริษัทก็นั่งกินข้าวใต้ต้นไม้ที่วางศพลูกชายนั่นเองกินข้าวเสร็จก็ช่วยกันหาฟืนมาเผาศพไม่มีใครแสดงอาการเศร้าโศกแม้แต่นิดเดียวน้ำตาสักหยดไม่มีในที่นั้นพระอินเห็นเหตุหัดสัจจันทร์จึงเข้าไปถามว่าทำไมไม่มีใครเสียใจเลยพรบริษัทตอบว่าบุตรของข้าพเจ้าละทิ้งร่างกายของตนไปดุดงูละทิ้งคราบเก่าไปฉะนั้น

เมื่อร่างกายแห่งบุตรของข้าพเจ้าใช้อะไรไม่ได้กระทํากาละไปแล้วอย่างนี้บุตรข้าพเจ้าถูกเผาอยู่ย่อมไม่รู้สึกถึงความร่าไห้ของพวกญาติเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่เศร้าโศกถึงเขาคติคือที่ไปเกิดของเขานั่นแหละมีอย่างใดเขาก็ย่อมไปสู่คติของตนอย่างนั้นพิจารณาดูเถิดจริงไหมพระยาพระโพธิสัตว์กล่าวว่าบุตรของที่ฉันนี้มิได้เชื้อเชิญให้เขามาจากโลกอื่น

เขาก็มาเองแม้เมื่อจะไปจากมนุษย์สโลกนี้ที่ฉันก็ไม่ได้อนุญาตให้เขาไปเขามาอย่างไดเขาก็ไปอย่างนั้นการปริเทวนาคร่ำครวญถึงในการที่บุตรคอีิฉันไปจากมนุษย์โลกนั้นจะเกิดประโยชน์อะไรบุตรคอนิฉันถูกเผาอยู่ก็ไม่รู้สึกถึงความร่ำไห้ของพวกญาติเพราะฉะนั้นที่ฉันจึงไม่เศร้าโศกถึงเขาคติของตนมีอย่างไดเขาก็ไปสู่กติของตนอย่างนั้น

ส่วนทิดาคือน้องสาวของคนตายกล่าวว่าเมื่อพี่ชายตายแล้วหากวัดิฉันจะพึงร้องไห้ดิฉันก็จะผ่ายพอมวัมดิฉันร้องไห้อยู่จะมีผลอะไรความไม่ยินดีจะพึงมีแก่ญาติบิดและสหายของดิฉันยิ่งขึ้นพี่ชายของดิฉันถูกเผาอยู่ก็ไม่รู้สึกถึงความร่ำไห้ของพวกญาติเพราะฉะ น, นั้นดิฉันจึงไม่เศร้าโศกถึงพี่ชายเขามีคติของตนอย่างไดเขาก็ไปสู่คติของตนอย่างนั้น

ส่วนลูกสะพยกล่าวว่าเด็กร้องไห้ขอพระจันทร์อันโครจร อ, อยู่ในอากาศชั้นใดการที่บุคคลมาเศร้าโศกถึงผู้ทีละไปสู่โลกอื่นแล้วนี้ก็มีอุปมาฉันนั้นสามีของที่ฉันถูกเผาอยู่ย่อมไม่รู้สึกถึงความร่ำไห้ของพวกญาติเพราะฉะนั้นดิฉันจึงไม่เศร้าโศกถึงสามีนั้นกติของตนมีอย่างใดเขาก็ไปสู่กติของตนอย่างนั้นคือกติของกรรมที่ทาไว้เอง

นางทาสีกล่าวว่าหม้อน้าที่แตกแล้วเชื่อมให้สนิทอีกไม่ได้ชั้นใดการที่บุคคลมาเศร้าโศกถึงผู้ทีละไปสู่ปลโลกแล้วนี้ก็มีอุปมายฉันนั้นนายของดิฉันถูกเผาอยู่ย่อมไม่รู้สึกถึงความร่ำไห้ของพวกญาติเพราะฉะ น, นั้นดิฉันจึงไม่เศร้าโศกถึงนายนั้นคติของตนมีอย่างใดนายของดิฉันก็ไปสู่คติของตนอย่างนั้น

ข้อแนะนําเพิ่มเติมในยามปกติก็ให้นึกอยู่เสมอว่าคนทั้งหลายหรือคนคนนั้นซึ่งเป็นที่รักเราซึ่งเป็นที่เรารักหรือรักเราได้ตายจากเราไปแล้วเมื่อผู้นั้นต้องตายจากเราไปจริงๆเราจะได้ไม่เป็นทุกข์มากนะักใจมาก่อนแล้ววิธีนี้คงทําได้ยากเพราะว่าคนทั่วไปมีแต่จะทําให้ความรักความผูกพันแน่นหนาขึ้นจะให้นึกว่าคนที่เรารักตายจากเราไปแล้ว

คงไม่มีใครทําอย่างนั้นนอกจากคนที่มีปัญญาไม่ประมาทไม่ประมาทก็คือไม่มอมเมาตัวเองไม่มัมเมาตัวเองไม่ยินดีเพลิดเพลินไปกับการมีชีวิตซึ่งมันน้อยนิดและเห็นโทษของความรักความผูกพันเท่านั้นจึงจะทําได้ซึ่งผู้เขียนหรือผู้เรียบเรียงเองก็ทําอย่างนั้นในกรณีของโยมพ่อโยงแม่ซึ่งเป็นที่รักก็คิดอย่างนี้ส่วนบุคคลอื่นๆ

ไม่มีใครที่จะมีความผูกพันถึงขนาดที่จะทำให้เกิดความทุกข์เมื่อเขาตายจากหรือจะเสียใจก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นทีนี้การปฏิบัติต่อผู้ใกล้าตายซึ่งเป็นเรื่องสําคัญเพราะเราทุกคนนะเป็นกกตผู้กําลังใกล้าตายทั้งนั้นแต่เราโง่เองคิดว่าเราจะอยู่อีกนานเมื่อผู้อื่น

อยู่ในภาวะใกล้ตายไม่ไว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องมิตรสหายหรือแม้คนไม่รู้จักกันก็ตามเราในฐานะที่เป็นลูกหลานมิตรสหายหรือคนแปลกหน้าคนหนึ่งก็ตามจะปฏิบัติอย่างไรดีนี่เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้และต้องเตรียมตัวเอาไว้ด้วยเพราะไม่วันใดวันหนึ่งเราต้องผเผชิญกับภาวะนั้นแน่นอนการปฏิบัติกับผู้ใกล้ตายควรจะแบ่งเป็นสองอย่างคือหนึ่งการจัดสิ่งแวดล้อมบรรยากาศที่เกื้อกูล

คือจัดการกับสิ่งต่างๆที่แวดล้อมผู้ใกล้ตายไม่ไว่าจะเป็นสถานที่วัดถุสิ่งของผู้คนมีเป้าหมายอยู่ที่ทำให้ผู้ใกล้ตายเกิดความรู้สึกสบายใจด้วยจิตที่เป็นกุศลอันนี้สำคัญมากต้องรู้จากจิตที่เป็นกุศลการจัดการกับสิ่งแวดล้อมมันไม่ยากทำได้เช่นหนึ่งสถานที่ควรเป็นสถานที่สงบไม่มีเสียงกระทึกครึกโ ค, ครมอากาศปลอดโปร่งไม่อุดอู้สะอาดเป็นต้นสอง

วัตถุสิ่งของควรมีสิ่งของที่เป็นปัจจัยให้ผู้ใกล้าตายเกิดกุศลจิตติดไว้ตามผนังหรือวางไว้ในที่เหมาะสมเช่นพระพุทธรูปภาพพระเจดียภาพถ่ายที่ผู้ใกล้าตายกาลังทำบุญภาพพระสงฆ์ที่ผู้ใกล้าตายหรือเขารบเลือดใสหรือส ม, มุดบันทึกบุญที่ผู้ใกล้าตายได้ทำไว้เป็นต้นสามบุคคลคือผู้ที่อยู่พยาบาลหรือผู้มาเยี่ยมเยียน

จะต้องไม่แสดงความเศร้าโศกเสียใจไม่ร้องไห้ไม่ส่งเสียงดังไม่พูดเรื่องที่ทำให้คนใกล้ตายต้องเสียใจอันจะทำให้เกิดความลำคาญแก่ผู้ใกล้ตายนี่เป็นเรื่องสิ่งแวดล้อม2การให้คำแนะนำที่มีประโยชน์ให้ธรรมะนี่เองอันนี้ยากผู้พยาบาลคนไข้ก็ดีผู้เยี่ยมเ ย, ยนคนไข้ก็ดีนอกจากไม่ควรจะแสดงความรู้สึกเศร้าโศก

ไม่ควรร้องไห้หรือส่งเสียงดังต่อหน้าผู้ป่วยแล้วสิ่งที่ควรทำก็คือการให้คําแนะนำหรือคําปลอบใจแก่ผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความรู้สึกสบายใจเบาใจและยอมรับความจริงคือความทุกข์ความตายให้ได้ไม่เกิดความทุกข์อันเนื่องมาจากความกลัวตายและที่จำเป็นอย่างยิ่งหมอพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลคนที่ทำหน้าที่รักษาผู้ป่วย

ควรจะต้องรู้เรื่องสิ่งนี้และควรจะบรรจุเป็นหลักสูตรเรียนและปฏิบัติให้ได้จริงเพราะแม่หมอเองพ่อหมอเองตัวหมอเองญาติหมอเองลูกเมียของหมอเองก็จะต้องตายเหมือนกันหมอจะได้ทำอะไรให้เป็นให้ถูกอย่าไปนึกว่าหมอเก่งทุกอย่างการให้คำแนะนำทำได้ดังนี้ข้อหนึ่งปลอบใจให้เขาเบาใจว่าพระพุทธเดจ้าตรัสว่าผู้มีคุณธรรมได้ทาบุญกุศลไว้แล้วตายไปย่อมไปสู่สุคติ

ตัวท่านก็เป็นผู้ได้ทำกุศลอยู่เป็นปกติตายแล้วย่อมไปสู่สุคติแน่นอนอย่า ก, กลัวเลยถ้าท่านก็สมาทานไตสนาคมท่านก็รักษาศีลห้ศีลอุโบสถท่านก็ใส่บาตรเลี้ยงดูพ่อแม่อยู่อย่างดีท่านก็แผ่เมตตาอยู่อย่างดีฟังธรรมบุญกุศลบุญกิจยาวัตถุสิบอยู่แล้วเป็นประจำในชีวิตทุกวันทุกวันไม่ต้องกลัว

สอพผู้ให้เขาคลายความห่วงใยในพ่อแม่พี่น้องบุตรภรรยาสามีทรัพย์สมบัติเป็นต้นเช่นว่าไม่ต้องเป็นห่วงคนเหล่านั้นแม้ไม่มีเราเขาก็อยู่ได้เพราะแต่ละคนนั้นมีกรรมเป็นที่พึ่งมีกรรมเป็นของตนเองกรรมย่อมเลี้ยงเขาเองความห่วงกังวลย่อมช่วยให้เขารอดตายไม่ได้หรอกมีแต่จะทำให้ทุกข์ใจเปล่าๆ เ, เพราะฉะนั้นอย่า ก, กังวลไปเลย

สามชี้ให้เห็นความทุกข์ของความเป็นมนุษย์่าเกิดมาแล้วก็มีแต่ความทุกข์หน้านาประการต้องเรียนหนังสือทำงานเลี้ยงลูกเมียหรือสามีต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายชีวิตมีแต่ความทุกข์อย่างนี้ท่านกำลังจะพ้นไปจากความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้แล้วจงยินดีเถิด 4. ีสร้างสิ่งล่อใจข้างหน้าคือพาณนาความสุขในสวรรค์เพื่อจะให้เขาคลายความอาลัยในกามอันเป็นสุขน้อยนิดของมนุษย์

และให้ด้อมใจไปในสวรรค์อันนี้จะพารนาเรื่องสวรรค์ก็ควรจะเอาวิมานวัตถุเป็นคำภีนหนึ่งมาแสดง 5. ชี้โทษของสวรรค์ว่าไม่เที่ยงเกิดแล้วดับไปไม่แน่นอนเป็นเทวดาก็ต้องตายเหมือนกันตายแล้วก็ต้องเกิดไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดก็เจอความทุกข์เหมือนกันฉะนั้นจงยินดีในนิพพานอันเป็นที่ที่ไม่มีความเกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเถิดหผู้ในขาเข้าใจ

ความเป็นอนัตตาเป็นสัจจะว่าสภาวธรรมทั้งปวงชีวิตทั้งปวงรูปนามทั้งปวงคือความไม่มีตัวตนมันมีแต่สภาวะธรรมสภาวะธรรมมีเย็ยนร้อนอ่อนแข็งมีธาตุดินาน้ำลมไฟมีบุญบาปมีที่เรียกชื่อว่านา้มรูปหรือขันห้าเท่านั้นเองสภาวะธรรมเหล่านี้ก็สมมติชื่อได้แต่ของจริงนั้น

ไม่มีตัวตนอยู่เลยเมื่อไม่มีตัวเราความตายก็ไม่ใช่ของเราแต่เป็นความตายของสภาวะธรรมคือน้ํารูปเท่านั้นในขีลายนานสูตรสยุดตันติกายมหาวรคเจ้ามหานามสักยะทูลถามพระพุทธเจ้าว่าจะกล่าวสอนคนป่วยใกล้าตายอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ตัสตอบว่าอันนี้ท่านทั้งหลายคนจําให้ดีนะจําไปใช้เลยสําคัญมากคุณหมอ

คุณพยาบาลคุณผู้ช่วยพยาบาลหรือใครก็ตามเนี่ที่เป็นชาวพุทธน่ยหรือตัวเราเองอะจำเอาไว้ว่าทุกกรมหาบุพพิธอุบาสกผู้มีปัญญาพึงปรอบอุบาสกผู้มีปัญญาผู้ป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักด้วยธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจสีประการว่าท่านจงเบาใจเถิดว่าท่านมีความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้ามีความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรม

มีความเลื่อมสายอันไม่หวั่นไหวในพระสงค์มีศีลที่พระอริยเจ้าไข้แล้วคือยินดีแล้วรักแล้วมีศีลอันไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไปเพื่อสมาธิดูก่อนมาครับพระพิทูบาสกผู้มีปัญญาขั้นต่อผู้ป่วยผู้รับทุกข์เป็นไข้หนักด้วยธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจสีประการนี้แล้วพึงถามอย่างนี้ว่า

ท่านมีความห่วงใยในมารดาและบิดาอยู่หรือไม่ถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าเรายังมีความห่วงใยในมารดาและบิดาอยู่อุบาสกนั้นพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าท่านผู้เช่นกับเราซึ่งมีความตายเป็นธรรมดาถ้าแม้ท่านจะกระทำความห่วงใยในมารดาและบิดาท่านก็จะตายไปถ้าแม้ท่านจะไม่กระทำความห่วงใยในมารดาและบิดาท่านก็จะตายไปเหมือนกันขอบท่านจงละความห่วงใยในมารดาและบิดาของท่านเสียเถิด

ถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าเราละความห่วงใยในบรรดาและปิดาของเราแล้วอุบาสกนั้นก็พึงถามเขาต่อไปอีกว่าก็ท่านยังม oh ีความห่วงใยในบุตรและภรรยาอยู่หรือไม่ถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าเรายังมีความห่วงใยในบุตรและภรรยาอยู b a ่อุบาสกนั้นพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าท่านผู้เช่นกับเราซึ่งมีความตายเป็นธรรมดาถ้าแม้ท่านจะกระทำความห่วงใยในบุตรและภรรยาก็จะตายไป

ถ้าแม้ท่านจากไม่กระทำความห่วงใยในบุตรและภรรยาก็จกตายไปเหมือนกันขอท่านจงละความห่วงใหญ่ในบุตรและภรรยาของท่านเสียเถิดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่า <t une in Korean> เราละความห่วงใยในบุตรและภรรยาของเราแล้ว <AG. S 2> อุบาสกนั้นพึงถามเขาอย่างนี้ว่าท่านยังมีความห่วงใ่ในการมาคุณหอันเป็นของมนุษย์อยู่หรือ <une in the universe> ถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าเรายังมีความหวงใยในการมาคุณหอันเป็นของมนุษย์อยู่

วาสุกนั้นพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่ากามอันเป็นทิพย์ขึ้ในสวรรค์ยังดีกว่าประนีกว่ากามอันเป็นของมนุษย์ขอท่านจงพรากจิตให้ออกจากกรารอันเป็นของมนุษย์แล้วน้อมจิตไปในพวกเทพชั้นจาตุมหาราชเถิดถ้านข้ากล่าวอย่างนี้ว่าจิตของเราออกจากกามอันเป็นของมนุษย์แล้วจิตของเราน้อมไปในพวกเทพชั้นจาตุมหาราชแล้ว

อุบาสกนั้นพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าพวกเทพชั้นดาวดึงยังดีกว่าประนีตกว่าพวกเทพชั้นจาตุมหาราชขอท่านจงพรากจิตให้ออกจาก <appe> ap <toxicity> พวกเทพชั้นจาตุมหาราชแล้ว <registry> น้อมจิตไปในพวกเทพชั้นดาวดึงเถิดถ้าเขากล่าวอย่างนี้วา่าจิตของเ ร, อเราออกจากพวกเทพชั้นจาตุมหาราชแล้วจิตของเราน้อมไปในพวกเทพชั้นดาวดึงแล้วอุบาสกพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่า

พวกเทพชั้นยามายังดีกว่าประนีตกว่าพวกเทพชั้นดาวดึงและข้อความซ้ำพวกเทพชั้นดูสิทธิยทยาาทนน์ยังดีกว่าประนีกว่าพวกเทพชั้นยามาพวกเทพชั้นนิมานรดียังดีกว่าประนีกว่าพวกเทพชั้นดูสิทธตพวกเทพชั้นประนีมิแต่วัสวัตตียังดีกว่าประนีกว่าพวกเทพชั้นนิมานรดีพรบโลกยังดีกว่าประนีกว่าพวกเทพชั้นประนีมิแต่วัสวัตตีขอท่าน

ทรรากจิตให้ออกจากพวกเทพชั้นประณีมิต่ ว, วัสวัตดีแล้วน้อมจิตไปในพรหมโลกเธอถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าจิตของเราออกจากพวกเทพชั้นประณีมิต่ ว, วัสวัตดีแล้วจิตของเราน้อมไปในพรหมาโลกแล้วอุบาสกนั้นพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุแม้พรหมโลกก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนยังนับเนื่องในสักกายะคืออุปาทานขันคื อ, อยัง

เป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นของอุปทานว่าเป็นตนเป็นของตนยู่ขอท่านจงพรากจิตให้ออกจากพรมโลกแล้วนำจิตเข้าไปในความดับสักกายะเถิดดับอุปทานขันธ์ทั้งห้าคือพระนิพพานถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าจิตของเราออกจากพรมโลกแล้วเรานำจิตเข้าไปในความดับสักกายะแล้วดูก่อนมหาป พ, พิษอจตมภาพ

ไม่กล่าวถึงความต่างอะไรกันของอุบาสกผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้กับภิกษุผู้หลุดพ้นแล้วตั้งร้อยปีคือพ้นด้วยวิมุตติเหมือนกันคือพ้นด้วยวิมุตติมรคคือปัญญาที่เห็นอนิสัตว์สี่แล้วหลุดพน้นจากกิเลสหรือนิสรณะวิมุตติคือพ้นแล้วด้วยการเห็นแจ้งพานิพานในด ก, กุละปิตุสูตร

สังยุตตานิกายขันทวารวัคข้าพอดีชื่อ น, นักกุละปิตะได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข้าข้าพระองค์เป็นผู้แก่เท่าเป็นส่วนใหญ่ล่วงการผ่านวัยแล้วโดยลําดับมีกายกระสับกระส่ายเจ็บป่วยหนึงเนืองพระพุทธเจ้าข้าก็ข้าพระองค์มิได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุทั้งหลายผู้ให้เจริญใจอยู่เป็นนิด

ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดสั่งสอนข้าพระองค์ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดพ ร, ร่มสอนข้าพระองค์ด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระองค์ตลอดกาลเถิดพระศาสดาตรัสว่านั่นถูกแล้วถูกแล้วข้าบดีอันที่จริงกายนี้กะสับกะสายเป็นด่งฟองไข่อันเปลือกหุ้มไว

ดูก่อนข้าบดีก็บุคคลผู้บริหารกายนี้อยู่พึงรับรองความเป็นผู้ไม่มีโรคได้แม่เพียงครู่เดียวจะมีอะไรเล่านอกจากความเป็นคนเขาดูก่อนข้าบดีเพราะเหตุนั้นแหละท่านพึงศึกษาคือปฏิบัติอย่างนี้ว่าเมื่อเรามีกายกระสับกระสายอยู่จิต

จิตคือความรู้สึกของเราจากไม่กระสับกระสายดูก่อนข้าบดีท่านพึงศึกษาคือปฏิบัติอย่างนีแลนักกุลาบิดาได้ไปขอให้พระสาริบุตรอธิบายเนื้อความให้ฟังพระสาริบุตรกล่าวว่าดูก่อนข้าบดีก็อย่างไรเล่าบุคคลจึงชื่อว่าเป็นผู้มีกายกระสับกระสายด้วยชื่อว่าเป็นผู้มีจิตกระสับกระสายด้วยดูก่อนข้าบดี

คือปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับธรรมะย่อมเห็นรูปโดยความเป็นตนเห็นรู ป, ปรกายหรือสิ่งซึ่งสมมุติว่าเป็นกายซึ่งเป็นสภาวะที่ไม่รู้อารมณ์โดยหลักๆ ก, ก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเนี่ยโดยความเป็นตนหนึ่งย่อมเห็นตนมีรูปหนึ่งย่อมเห็นรูป

ในตนหนึ่งย่อมเห็นตนในรูปหนึ่งรวมเป็นสี่ประการเป็นผู้ตั้งอยู่ด้วยความยึดมั่นว่าเราเป็นรูปรูปของเราเมื่อเขาตั้งอยู่ด้วยความยึดมั่นว่าเราเป็นรูปรูปคือร่างกายของเรารูปนั้นย่อมแปรปวนเป็นอย่างอื่นไป

เพราะรูปแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไปโศกะความโศกปริเทวะความลำลายลำพันธุ์ทุกขโทมนัตความทุกข์กายทุกใจและอุปายาตความครับแค้นใจจึงเกิดขึ้นดูก่อนข้าบดีปูุ้ชนในโลกนี้ผู้ม่ได้สดับก็ย่อมเห็นเวทนาคือความรูส้สึกสุขทุกข์และอุเบกขาย่อมเห็นสัญญาคือความจาย่อมเห็นสังขารคือเจตนา

คือกรรมที่เป็นบุญพี่เป็นบาปย่อมเห็นวิญญาณคือการรู้อารมณ์เช่นจักรูปวิญญาณรู้อารมณ์ทางตา4อย่างนี้ที่เรียกกันว่าดามะธรรม4หรือว่านามขันสี่คือเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันซึ่งมันเกิดร่วมกันเห็น <He S 2> ว่าอย่างไร <He S 2> เห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นต้นหนึ่งย่อมเห็นตน

มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ 1. ย่อมเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในตนหนึ่งย่อมเห็นตนในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณ1เป็นผู้ตั้งอยู่ด้วยความยึดมั่นว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของเรา

หรือเราเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของเราเมื่อเขาตั้งอยู่ด้วยความยึดมั่นว่าเราเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารวิญญาณรู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของเราครั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไป

เพราะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแปรเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปนั่นแหละโศกะความโศกปฤิเทวะความร่ำไรลำพันธ์ทุกขโทมานัตความทุกข์กายทุกใจและอุปายาตความคับแค้นใจจึงเกิดขึ้นดูกรายข้าพอดีด้วยเหตุอย่างนี้แหลบุคคลจึงชื่อว่าเป็นผู้มีกายกระสับกระสายและเป็นผู้มีจิตกระสับกระสายขออธิบายตรงนี้เพิ่มเติมนิดหนึ่งว่ากายนะั้นมันกระสับกระสายอยู่แล้วด้วยโรคหกอย่างโรคอะไรบ้างล่ะโรคหิว

โกกรคกหายโรคเย็นโรคร้อนโรคอุจจระปวดอุจจระโรคปัสสาวะเอาแค่หกโรคนี่ก่อนแล้วใจก็ยังกระสรับกระสายต่อด้วยการเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตนเห็นตนมีในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่ในตน

แล้วก็เห็นตนอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะฉะนั้นเมื่อรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เราเห็นว่ามีตัวเราแปรปลวนไปมันก็เศร้าโศกเสียใจยเป็นธรรมดาเช่นเป็นต้นว่าท่านป่วยแล้วเขาบอกว่าต้องตัดขาทิ้งต้องตัดแขนทิ้งท่านจะมีความรู้สึกกระสับกระส่ายมากเพราะว่าขาของเราแขนของเราหรือ

กระสับกระส่ายว่าเราเป็นโรคนี้เราเป็นอย่างนี้หรือเราเคยมีความสุขอย่างนี้แล้วความสุขมันพินาศไปอย่างนี้เราเคยจำอย่างนี้แล้วความจำนั้นมันพินาศไปจำอะไรไม่ได้เราเคยทำกรรมอย่างนี้ทำกรรมที่เป็นบุญเป็นบาปอย่างนี้เราเคยเห็นอย่างนี้ได้ยินอย่างนี้แล้วสิ่งเหล่านี้มันแตกสลายไปแปรปนไปก็จะเกิดกระสับกระส่าย

ภาษาทีบุตรจึงได้จัดสอนว่าดูก่อนข้าบดีก็อย่างไรเล่าบุคคลแม้เป็นผู้มีกายกระสับกระสายแต่หาเป็นผู้มีจิตกระสับกระสายไม่ดูก่อนข้าบดีคืออริยาสาวกในธรรมวินัยนี้ผู้ได้สดับธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วย่อมไม่เห็นรูปให้ไม่เห็นตรงนี้คือปัญญาวิปัสสนานะไม่ใช่จะไปไม่เห็นรูปไม่เป็นรูปไม่ใช่รูปไปคิดเอาเองอะไม่ได้

ย่อมไม่เห็นรูปโดยความเป็นตนอันนี้วิปัสสนาปัญญาเกิดย่อมไม่เห็นตนมีรูปย่อมไม่เห็นรูปในตนย่อมไม่เห็นตนในรูปไม่เป็นผู้ตั้งอยู่ด้วยความยึดมั่นด้วยความเห็นผิดที่เรียกว่ากายยติฐิว่าเราเป็นรูปรูปของเราเมื่ออริยะสาวกนั้นไม่ตั้งอยู่ด้วยความยึดมั่นว่าเราเป็นรูปรูปของเรารูปนั้นย่อมแปรปูนเป็นอย่างอื่นไป

พอรูปแปรปลีนเป็นอย่างอื่นไปโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุบายาจึงไม่เกิดขึ้นอันนี้ยกรูปเป็นที่ตั้งต่อไปก็เอาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นที่ตั้งคืออริยสาวกในธรรมวิ น, นัยนี้ผู้ได้ฟังธรรมของผู้ตรีเจ้าแล้วโยนิโสมนสิการใส่ใจโดยแยบขายเกินดนิปัสสนาปัญญาก็ย่อมไปเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นตน้นย่อมไม่เห็นตนมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ

ย่อมไม่เห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในตนย่อมไม่เห็นตนในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยใดนี้ก็ไม่เป็นผู้ตั้งอยู่ด้วยความยึดมั่นว่าเวทนาว่าเราเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือไม่ตั้งอยู่ในความยึดมั่นว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของเราอันนี้หมายถึงวิปัสสนาญาณเกิดมันเห็นเองแหละมันเห็นลักษณะของรูป

ซึ่งแสดงอยู่แล้วคือลักษณะไม่รู้อารมณ์แล้วก็เห็นลักษณะของเวทนาซึ่งแสดงอยู่แล้วคือลักษณะสวยอารมณ์ลักษณะของสัญญาจําอารมณ์ลักษณะของสังขารคือกรรมที่ปรุงแต่งอารมณ์ลักษณะของวิญญาณที่ทําหน้าที่รู้อารมณ์ทางทวารต่างๆเห็นอยู่แล้วว่ามันมีลักษณะแตกต่างกันและก็ลักษณะเหล่านั้นมันก็บอกแล้วว่ามันไม่เป็นตัวใครลักษณะที่แข็งมันเป็นตัวไขเลรอ

คือธาตุดินนะลักษณะที่โสมนัสสุขถ้าปัญญาเกิดจะเจอกันเองว่ามันก็เป็นแค่โสมนัสความดีใจชื่นใจไม่มีตัวใครอยู่ในความดีใจชื่นใจลักษณะที่มันจําอารมณ์ได้จําสีจําเสียงจํากลิ่นได้มันก็เป็นเพียงลักษณะเท่านั้นเพราะนั้นต้องใส่ใจไปในลักษณะของอารมณ์ที่เรียกว่ารูปนามเรียกว่าโยนิโสมนัสิการสนใจทําความรู้สึกไป

ในลักษณะของรูปใบนาสัญญาสังขารลักษณะนั้นคือสภาวะลักษณะลักษณะที่กำลังปรากฏอยู่หรือปัจจัตลักษณะลักษณะประจำตัวของสิ่งนั้นแล้วเกิดเห็นต่อไปคือเห็นสามัญในลักษณะลักษณะที่มันมีแล้วหมดเช่นลักษณะของรูปที่เรียกว่าธาตุดินมันมีแล้วมันก็หมดไปธาตุดินแข็งแล้วเดี๋ยวก็หายไป

ถาดินร้อนแล้วเดี๋ยวก็หายไปกลายเป็นเย็นเป็นอุ่นหรือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เช่นเดียวกันดูก่อนาค่าบดีอย่างนี้แลบุคคลแม้มีกายกระสับกระส่ายแต่ก็หาเป็นผู้มีจิตกระสับกระส่ายไม่ท่านภาษารีบุตรได้กล่าวคํานี้แล้วณ ก, กุละปิดตูข้าบดีชื่นชมยินดีภาษิทของท่านภาษารีบุตรชะนีแลอันนี้เป็นข้อปฏิบัติวิปัสนาเลยหรือว่าเจริญสติปัฏฐานเลย

จะต้องเรียนรู้เข้าใจถึงเรื่องสภาวะลักษณะของสิ่งที่เรียกกันว่าอุปท า, านขัน5หรือสิ่งที่เรียกกันว่าอา้จตระ12แล้วก็พิจารณาใส่ใจว่าเราเคยมีการทําใจผิดผิดไปว่ามันเป็นเราเป็นของเราอย่างไรให้เห็นว่าไอ้วิธีการยึดมั่นของกิเลสแต่มันเป็นอย่างนี้ก่อนให้เห็นว่าไอ้ความรู้สึกว่า

รูปเวทนาสัญญาสังขารของเราหรือเราเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารของสังขารและวิญญาณเนี่ยมันมีอยู่แล้วมีอยู่ก่อนอันนี้มันผิดก็ใส่ใจเชื้อใหม่ให้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนมันเป็นอยู่ของมันอย่างนั้นแหละคือให้มันเจอลักษณะของรูปของเวทนาของสัญญาของสังขารของวิญญาณจริงๆมันก็จะได้ละความยึดบ้านจริงๆ

ต่อไปนี้เป็นการปลอบใจผู้สูญเสียคนรักอันเนื่องมาจากความตายโดยธรรมชาติของมนุษย์นั้นทุกคนต้องการความรักความรักก็มีหลายแบบเช่นต้องการความรักด้วยการมาตัญหาหรือต้องการความรักด้วยเมตตาหรือด้วยศรัทธาหรือการยอมรับจากคนรอบข้างยอมรับจากคนรอบข้างก็คือการที่เขายกจ้องนับถือเรา

ต้องการคนเข้าใจเห็นใจขอให้กำลังใจในยามท้อแท้ในยามผิดหวังหรือในยามต้องพัดพลากจากสิ่งอันเป็นที่รักก็ต้องการคนปลอบใจเช่นกันคนที่สามารถยืนเคียงข้างทั้งในคราวสุขและทุกข์เมื่อใครคนหนึ่งต้องสูญเสียคนรักอันเนื่องมาจากความตายเช่นพ่อแม่พี่น้องบุตรภรรยาหรือสามีเล่าควรแสดงความรู้สึกเห็นใจไม่ต้องไปเศร้าใจให้เขารู้สึกว่ายังมีคนห่วงใยเขาอยู่คือแสดงความรู้สึก

กรุณาเขาอยู่แม้เขาจะสูญเสียใครบางคนไปก็ยังมีใครบางคนยืนเคียงข้างเขาอยู่และควรปลอบใจให้เขาคลายความเศร้าโศกและยอมรับความจริงของชีวิตทั้งนี้เราไม่ต้องเศร้าโศกไปตามเขาด้วยกาปรปลอบใจผู้สูญเสียคนรักอันเนื่องมาจากความตายทําได้ดังนี้คือหนึ่งชี้ให้เขาเห็นว่าความตายเป็นสัจจะเป็นความจริงเป็นสัจธรรมที่สาธารณะทั่วไปเสมอกัน

มีแก่ทุกชีวิตไม่มีใครยกเว้นไม่มีใครห้ามไม่มีใครหลีกได้ 2. ความเสียใจไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยแม้ผู้ตายก็คงไม่รู้สึกดีใจแต่กลับคงรู้สึกไม่สบายใจหากรู้ว่าเราเป็นทุกเพราะเขาเป็นเหตุสมไม่มีใครตายมีแต่สภาวะธรรมที่ได้ชื่อว่านามรูปเท่านั้นที่ตายคืออนัตตาตายหรืออนัตตาเท่านั้นแหละที่มีอยู่

หน้าตาก็หมายถึงว่าสภาวะธรรมที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลปฏิเสธความเป็นตัวเป็นตนและไม่มีอำนาจเหนือเขา 4. การจากกาันครั้งนี้เป็นการจากกันเพลียงชั่วคราวหากมีบุญวาสนาก็คงได้เจอกันอีกในชาติใดชาติหนึ่งข้างหน้าแต่ที่จริงนะเคยเจอกันมาแล้วในอดีตชาติแต่เราไม่รู้และลึกชาติไม่ได้เท่านั้นเอง

จัญลังวัตยังกายุปะทวิงอาทเสดสตีจุดโอเบตวิญญาณโนนิราัทงวากริงครังกายนี้ไม่จีรังยั่งยืนหนอคลันปราศจากวิญญาณจากนอนทับเหนือแผ่นดินเหมือนท่อนไม้และท่อนฟืน

หาประโยชน์มีได้เราท่านทุกคนกำลังบ่ายหน้าไปสู่ความตายฉะนั้นควรตายอย่างไรคนเราทุกคนไม่มีใครอยากตายไม่ดีหรือที่เรียกว่าตายโหงได้แก่การถูกฆ่าตายการฆ่าตัวตายตายเพราะอุบัติเหตุเป็นต้นทุกคนอยากนอนตายอย่างสงบทั้งนั้น

แต่การตายอย่างไรนั้นไม่สำคัญเท่าตายด้วยจิตใจอย่างไรเพราะการที่คนเราตายแล้วจะไปสู่สุขคติหรือทุกคติคือไปสู่ภพภูมิที่ดีหรือภพภูมิที่เลวนั้นขึ้นอยู่กับจิตใจก่อนตายใกล้ตายว่าเป็นอย่างไรคือเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเป็นบุญหรือเป็นบาปดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า

เมื่อบุคคลมีจิตเศร้าหมองแล้วทุกคติเป็นอันหวังได้เมื่อบุคคลมีจิตผ่องใสแล้วสุขคติเป็นอันหวังได้คือเมื่อจิตของใครก็ตามเศร้าหมองด้วยโลภโกรธหลงเป็นต้นถึงไม่หวังก็ได้ทุกคติคือได้กำเนิด น, นรกเปรตอสุรกายสัตว์เรื่อชานถ้าบุคคลมีจิตผ่องใสด้วยศรัทธาเลื่อมใสในพระรรมจเป็นต้น

ถึงไม่หวังก็ได้สุขคติคือการเกิดในมนุษย์เทวดาเป็นต้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการตายดีหรือตายไม่ดีแม้แต่พระโสดาบันบางท่านก็ยังถูกฆ่าตายเช่นอุบาศกชื่อมหาการถูกชาวบ้านฆ่าตายเพราะเข้าใจผิดว่าเป็นโจร น, นางสามาวดีมเหสีของพระเจ้าอุเทนถูกเผาทั้งเป็นเป็นต้นแต่ท่านก็ไม่ได้ไปเกิดในทุกคติ

แต่กลับไปเกิดในสุขคติหรือพระอาหารบางท่านก็ตายไม่ดีเช่นพระโมคคัลลานะตายหรือปรินิพานเพราะถูกโจรทุบตายพระอุปเสณวังคันตะบุตรถูกงูกัดตายเป็นต้นเพราะฉะนั้นการตายอย่างไรจึงไม่สำคัญเท่ากับตายด้วยจิตใจอย่างไรเมื่อรู้อย่างนี้แล้วจึงไม่ควรกังวลว่าจะตายอย่างไร

แต่ควรจะเตรียมตัวว่าเมื่อถึงเวลาจะตายแล้วเราจะทำอย่างไรให้ใจเป็นกุศลเพื่อจะได้ไปสู่สุคติมากกว่านอกจากนี้หากจะมองให้ลึกซึ้งไปกว่านั้นแล้วการตายด้วยจิตใจอย่างไรก็ยังไม่สำคัญเท่ามีชีวิตอยู่อย่างไรอันนี้สำคัญมากหมายความว่าถ้าเรามีชีวิตอยู่ด้วยการทำอะกุศลทาบาปเป็นปกติ

ตนี่เป็นปกติฤิษยาเป็นปกติทำผิดศีลห้าฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรามพูดโกโหกพูดคำหยาบดื่มสุราเมลัยของบุญมาเป็นปกติแม่ก่อนตายจะทำใจให้เป็นกุศลได้และได้ไปเกิดในสุขติก็ตามแต่ก็ใช่จะปลอดภัยเสียทีเดียวเพราะเมื่อใดอากุศลที่ทำไว้เป็นปกติในชาตินี้ส่งผลเมื่อนั้นก็ย่อมกระสบทุกข์

เพราะอากุศลหรือบาปที่ทําไว้เป็นปกตินั้นจะตามให้ผลเรื่อยไปจนกว่าจะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ฉะนั้นจึงขอบอกว่าแม้ก่อนตายจะทําจิตให้เป็นกุศลได้ก็ยังไม่ปลอดภัยหากขณะมีชีวิตอยู่ทําแต่บาปเป็นปกติและในทางกลับกันหากผู้ใดทํากุศลทําบุญบุญกิริยาวัตถุสิบเป็นปกติแต่ตอนใกล้ตายกลับทําบาปบางอย่าง

และบาปนั้นก็ให้ผลนําเกิดในทุกขติด้วยแต่ด้วยเหตุที่ทํากุศลอยู่เป็นปกติอ ก, กุศลหรือบาปนั้นก็ให้ผลอยู่ได้ไม่นานเมื่อหมดอานาจลงกุศลที่ได้ทําไว้ก็ย่อมมีโอกาสให้ผลต่อไปเช่นในกรณีของนางมัลลิกาเทวีมเหสีของพระเจ้าเปเสนิี่โกศลและพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นต้น

ฉะนั้นจึงไม่ควรกังวลว่าจะตายอย่างไรหรือตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนแต่ควรให้ความสำคัญกับการมีชีวิตอยู่มากกว่าว่ามีชีวิตอยู่อย่างไรคือด้วยกุศลบุญเป็นส่วนใหญ่หรืออกุศลบาปเป็นส่วนใหญ่พระพุเทธเจ้าได้จัดไว้ในคาถาธรรมบทว่าก็ผู้ใดเป็นคนทุศีล

มีใจไม่ตั้งมั่นเขียดคร้านมีปัญญาสามไม่เห็นธรรมอันยอดเยี่ยมแม้พึงเป็นอยู่ร้อยปีก็ไม่ประเสริฐความเป็นอยู่วันเดียวของผู้มีศีลมีใจตั้งมั่นมีความเพียรมีปัญญาดีเห็นธรรมอันยอดเยี่ยมคือพระนิพพานประเสริฐกว่าต่อไปนี้จะได้พูดถึงอารมณ์ก่อนตายก่อนอื่นพึงทราบความหมายของคาว่าอารมณ์

อารมณ์ในที่นี้หมายถึงสิ่งที่ถูกจิตรู้ซึ่งมีอยู่เพียงหกอย่างคือรูปได้แก่ภาพเสียงกลิ่นรสโผฏฐพระโผฏฐะนี้คือสัมผัสที่ถูกทางกายเช่นเย็นร้อนอ่อนแข็งและธรรมารมธรรมารมก็เป็นอารมณ์หลากหลายซึ่ง

นอกเหนือจากรูปเสียงกิทริยททพะแล้วเป็นธรรมอารมณ์ทั้งสิ้นเช่นจิตเป็นอารมณ์เจตสิกเป็นอารมณ์โลภโกรดหลงเนี่ยเป็นอารมณ์ทางใจเรียกว่าธรรมอารมณ์หรือแม้บัญญัติบัญญัติคือคำพูดที่เรานึกทางใจอ่ะห้อยคำภาษาที่เรานึกทางใจก็เป็นธรรมอารมณ์ทั้ง6อย่างนี้เป็นความหมายของคําว่าอารมณ์ในภาษาบาลี

ไปได้หมายถึงอารมณ์รักอารมณ์กโกรธอารมณ์เศร้าเป็นต้นในภาษาไทยเลยธรรมดาเป็นปกติว่าจิตจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอารมณ์เสมอจิตจะเกิดขึ้นโดยไม่มีอารมณ์ไม่ได้แมในขณะจิตที่กำลังจะตายจิตก็ต้องมีอารมณ์ซึ่งอารมณ์ก่อนตายนั้นมีความสำคัญมากเพราะจะเป็นตัวบ่งบอกถึงคติที่จะไปเกิดใหม่ว่าจะไปเกิดที่ไหน

อารมณ์ของจิตก่อนตายจึงเปรียบเสมือนตั๋วโดยสารใครมีตั๋วชั้นหนึ่งก็ไปขึ้นรถชั้นหนึ่งใครมีตั๋วชั้นธรรมดาก็ไปขึ้นรถชั้นธรรมดาอารมณ์ของจิตก่อนตายนั้นมีกรรมเป็นเหตุเป็นผู้บันดานให้เป็นไปคือกรรมใดจะส่งผลนำเกิดกรรมนั้นจะบรนดานอารมณ์ที่สมควรแก่การให้ผลของตนแก่จิตเปรียบเหมือนการจำหน่ายตั๋วแก่ผู้โดยสาร

เมื่อจิตรับอารมณ์ที่กรรมให้มาหลังจากตายแล้วก็จะไปเกิดใหม่ในภพที่สมควรแก่กรรมนั้นเหมือนผู้โดยสารรับตั๋วมาแล้วก็ต้องขึ้นรถตามที่ระบุในตัว๋วชั้นนั้นอารมณ์ที่จะปรากฏก่อนตายนั้นมีสามอย่างคือหนึ่งกรรมมะอารมณ์อารมณ์คือกรรมได้แก่กุศลกรรมต่างๆมีการให้ทานรักษาศีลฟังธรรมเป็นต้นและ

อกุศลกรรมต่างๆมีการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เป็นต้นเมื่อกรรมอารมณ์ปรากฏแก่ผู้ใกล้ตายก็จะมีความรู้สึกเหมือนตนกําลังทํากรรมนั้นๆอยู่เช่นรู้สึกเหมือนกําลังใส่บาตรกาลังถวายผ้ากฐินกําลังนั่งสมาธิเป็นต้นหรือในทางอากุศลกรรมก็รู้สึกเหมือนกําลังฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เป็นต้นถ้ากรรมอารมณ์เกี่ยวกับกุศลปรากฏกุศลกรรม

ก็จะให้ผลนําเกิดในสุขคติถ้ากรรมอารมณ์เกี่ยวกับกุศลกรรมก็จะให้ผลนาเกิดในทุกคติอย่างที่สองเรียกว่ากรรมนิมิตอารมณ์คืออารมณ์ที่เป็นเหตุของการทำกรรมหรือเป็นอุปกรณ์ของการทำกรรมกล่าวคือวัตถุสิ่งของต่างๆที่ใช้ในการทำกรรมแบ่งได้เป็นสองอย่างคือ 1. อุปรัทกรรมนิมิต

คืออารมณ์หรือวัตถุที่เป็นประธานหรือเป็นหลักในการทำกรรมเช่นการใส่บาตรมีอาหารเป็นประธานหรือการฆ่าสัตว์ก็มีสัตว์ที่ถูกฆ่าเป็นประธาน 2. อ, อุปกรณกรรมนิมิตคืออารมณ์หรือวัตถุที่เป็นรองหรือเป็นส่วนประกอบในการทำกรรมเช่นการใส่บาตรมีดอกไม้เป็นส่วนประกอบมีอาหารเป็นหลักการฆ่าสัตว์ก็มีอาวุธ

เป็นส่วนประกอบมีสัตว์ที่ถูกฆ่าเป็นหลัก 3. าสามอันนี้หมายถึงเรื่องของอารมณ์ที่ปรากฏก่อนจะใกล้าตายคือคตินิมิตอารมณ์อารมณ์ของภพที่จะไปเกิดใหม่เป็นอารมณ์ของภพนั้นๆที่จะไปเกิดใหม่ก็มีสองอย่างคือ1อุปละพิตาภะคตินิมิตคืออารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในภพนั้นๆเช่นภาพวิมาน

ของสวรรค์หรือไฟของนรกสองอุ ป, ปโภคคตินิมิตคืออารมณ์ที่จะได้ไปใช้สอยในภาพนั้นๆเมื่ออุ ป, ปโภคคตินิมิตป ร, รากฏผู้ใกล้ตายจะมีความรู้สึกเหมือนตนอยู่ในภพนั้นๆกำลังรับรู้หรือใช้สอยอารมณ์นั้นๆอยู่ในบรรดาอารมณ์ก่อนตายทั้ง3อย่างคือกรร ม, มอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์และคตินิมิตอารมณ์

จะมีอารมณ์เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นที่ปรากฏแก่จิตเมื่อใกล้จะตายอันนี้เป็นเรื่องที่ท่านทั้งหลายจะต้องศึกษาไว้ก่อนแล้วก็ประพฤติปฏิบัติในอันที่จะทำให้จิตได้อารมณ์ที่เป็นกุศลบ่อยๆทีนี้เมื่ออารมณ์ก่อนตายปรากฏแล้วควรทาอย่างไรการปรากฏของอารมณ์ก่อนตายนั้นแบ่งได้สองระยะคือ 1. งระยะใกล้มากคือใกล้ความตายเต็มที่

เมื่ออารมณ์ปรากฏในระยะนี้ไม่ว่าเกี่ยวกับกุศลหรืออกุศลก็ตามไม่สามารถแก้ไขอะไรได้คือถ้าอารมณ์เกี่ยวกับบาปอากุศลปรากฏหลังจากตายแล้วก็จะไปเกิดในทุกขติหากอารมณ์เกี่ยวกับบุญกุศลปรากฏก็จะไปเกิดในสุขคติ 2. ระยะห่างๆคือห่างจากความตายหลายชั่วโมงหรือหลายวัน

เมื่ออารมณ์ก่อนตายปรากฏในระยะนี้ยังสามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้คือ 1. ถ้าอารมณ์เกี่ยวกับบุญกุศลปรากฏควรรักษาจิตให้คิดถึงอารมณ์นั้นไว้หากรักษาจิตไม่ดีจิตก็อาจหวนคิดถึงอารมณ์เกี่ยวกับบาปอากุศลได้หรือทำกรรมที่เป็นบาปอากุศลในระหว่างนั้นจิตก็จะเปลี่ยนไปรับอารมณ์เกี่ยวกับบาปอากุศลได้ฉะนั้น

เมื่ออารมณ์เกี่ยวกับบุญกุศลปรากฏควรรักษาจิตให้คิดถึงอารมณ์นั้นไว้และไม่ทําบาปอาคุลในระหว่างนั้น 2. ถ้าอารมณ์เกี่ยวกับบาปอกุศลปรากฏควรสลัดอารมณ์นั้นทิ้งไปด้วยการระลึกถึงอารมณ์ที่เกี่ยวกับบุญกุศลที่เคยทําไว้ในอดีตหรือทํากรรมที่เป็นบุญกุศลที่สามารถทําได้ในขณะนั้นเช่นนิมนต์พระมาสแสดงธรรม

สวดมนต์สวดพระปริศหรือถวายสังฆทานเป็นต้นเพื่อให้จิตใจยึดเอาอารมณ์เกี่ยวกับบุญเกี่ยวกับกุศ ล, ลกรรมนั้นๆเป็นอารมณ์ก่อนตายในกรณีเหล่านี้ก็มีตัวอย่างคือบิดาของท่านพระโซนมีอาชีพล่าสัตว์และบวชเป็นพระเมื่อแก่ก่อนตายก็เกิดอารมณ์ฝ่ายบาปอกุศลคือมีภาพของสุนัข

วิ่งมาจะกัดท่านท่านจึงเรียกให้บุตรช่วยไล่สุนักพระสุนัก ร, รู้ว่าเป็นอารมณ์เกี่ยวกับคตินิมิตที่จะไปเกิดในนรกจึงให้คนหาดอกไม้มาให้หลวงพ่อบูชาพระด้วยดอกไม้เมื่อหลวงพ่อได้บูชาพระแล้วก็เกิดอารมณ์ฝ่ายบุญกุศลที่เป็นคตินิมิตคือมีนางฟ้ามาปรากฏให้เห็นเมื่อท่านมรณภาพลง

จึงได้ไปเกิดในสวรรค์อันนี้เป็นกรณีที่เราควรจะใช้ประโยชน์ได้กับญาติของเราหรือคนทั่ ว, วไปหรือตัวเราเองอีกอย่างหนึ่งควรทราบว่าจิตใจของคนเรานั้นกลับกรอกยากที่จะให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้ฉะนั้นเมื่ออารมณ์ก่อนตายปรากฏไม่ว่าเกี่ยวกับบุญกุศลหรือบาปอกุศลก็ยากที่จะรักษาอารมณ์นั้นไว้หรือยากที่จะสลัดอารมณ์นั้นทิ้งไป

ดังนั้นจึงไม่ควรประมาทควรมันสั่งสมบุญกุศลอยู่เป็นนิดเพื่อให้จิตใจคุ้นเคยอยู่กับอารมณ์ฝ่ายบุญกุศลและจะทำยังไงนะจะให้มันสั่งสมให้คุ้นเคยก็ต้องทำบ่อยๆตื่นเช้าขึ้นมาก็สมาทานไตรสรนาคมพุทธังรสดงคัจฉามิธรรมังสรสดงคัจฉามิสังขังแสังคัจฉามิเป็นต้นสมาทานศีลห้าศีลปหรือศีลอุโบสถในวัน

ทำบรรสวนะณในวันพระแล้วก็เจริญเมตตาภาวนาอยู่เนืองเนืองหรือว่าเจริญมรณสติอยู่เนืองเนืองในทุกอิริยาบถหรือในทุกครั้งที่มีสติจะทำได้ให้เจริญอยู่เนืองเนืองและเอาไปใช้ได้ในตอนใกล้ตายนี่เราควรทำทุกวันจริงๆแล้วก็ขวนขวายในบุญกิริยาวัตถุสิบประการซึ่งจะต้องศึกษาให้เข้าใจและทาเหมือนกับ

ที่เราศึกษาเรื่องการงานอาชีพของเราให้เชี่ยวชาญแล้วก็ทำเป็นประจําชีวิตของเรานั่นแหละที่นี้เป็นปัญหาใหญ่ซึ่งคนในโลกนี้ยังไม่รู้กันมากว่าตายแล้วไปไหนสำหรับผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่เมื่อตายจากโลกนี้แล้วย่อมเกิดใหม่ในภูมิใดภูมิหนึ่งในจำนวน3 S 1ภูมิซึ่งแบ่งได้เป็นสองประเภท ใ, ใหญ่คือ1ทุคติภูมิ

แต่แก่ภูมิที่มีความทุกข์เป็นส่วนใหญ่มีสี่ภูมิคือนรกหนึ่งเดรัจฉานหนึ่งเปรตหนึ่งและอสุรกายหนึ่งสสุขคติภูมิคือภูมิที่มีความสุขเป็นส่วนใหญ่มี27ภูมิแบ่งออกเป็น3พวกคือ1กามสุขติภูมิ7ได้แก่มนุษย์นี่หนึ่งแล้วก็เทวดา6ชั้นมีชั้นจาตุมหาราชิกาเป็นต้นที่เราปรารถนาจะไปกันนั่นแหละ

สอรูปาวจรภูมิ16มีปฐมฌานภูมิเป็นต้นอันนี้เกี่ยวกับพวกรูปประรมและ 3. อรูปาวจรภูมิ4คืออรูปพรม ม, มีอากาสารานจายตนะภูมิเป็นต้นคนส่วนใหญ่หรือสัตว์ส่วนใหญ่ตายแล้วไปไหนในโลกนี้แต่ละวันแต่ละนาทีแต่ละวินาทีเนี่ยมีสัตว์ตายหรือมีคนตายมากมาย

จึงน่าสงสัยว่าเมื่อคนเหล่านั้นตายแล้วส่วนใหญ่ไปเกิดที่ไหนในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าตัดไวในอังคุตรนิกายเอกนิบาศว่าดูก่อนทิศุตทั้งหลายสัตว์ที่จุติคือตายจากมนุษย์กลับมาเกิดในมนุษย์มีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่ตายจากมนุษย์ไปเกิดในนรกเกิดในกำเนิดเดริชานเกิดในเปรตมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่ตายจากมนุษย์ไปเกิดในเทวดามีเป็นส่วนน้อย

สัตว์ที่ตายจากนรกกลับมาเกิดในมนุษย์มีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่ตายจากนรกไปเกิดในนรกเดริชานเปรตมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่ตายจากนรกไปเกิดในเทวดามีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่ตายจากนรกไปเกิดในนรกเดริชานเปรตมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่ตายจากกำเนิดดิริชานกลับมาเกิดในมนุษย์มีเป็นส่วนน้อย

สัตว์ที่ตายจากกําเนิดสัตว์เดรัจฉานไปเกิดในนรกเดรัจฉานเปรตมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่ตายจากกําเนิดเดรัจฉานไปเกิดในเทวดามีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่ตายจากกําเนิดเดรัจฉานไปเกิดในนรกเดรัจฉานเปรตมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่ตายจากเปรตกลับมาเกิดในมนุษย์มีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่ตายจากเปรตไปเกิดในนรกเดรัจฉานเปรตมากกว่าโดยแท้

สัตว์ที่ตายจากเปรตไปเกิดในเทวดามีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่ตายจากเปรตไปเกิดในนรกโดยฉานเปรตมากกว่าโดยแท้เปรียบเหมือนในชมพูทวีปนี้มีสวนที่น่ารื่นรมมีป่าที่น่ารื่นรมมีภูประเทศที่น่ารื่นรมมีซาบโบครณีที่น่ารื่นรมเพียงเล็กน้อยมีที่ดินที่ลุ่มเป็นลำน้ำเป็นที่ตั้งแห่งตอและ้ํามีภูเขาและเกระกะเป็นส่วนมากโดยแท้ฉะนั้น

และในคาถาธรรม บ, บทพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัตว์โลกนี้เป็นเหมือนคนตาบอดในโลกนี้น้อยคนนักจากเห็นแจ้งอริยสัจสี่น้อยคนนักจากไปสวรรค์เหมือนนกที่ดุดแล้วจากตาข่ายมีน้อยฉะนั้นด้วยฉะนั้นบรรดาบัณฑิตทั้งหลายจึงควรตระหนักเรื่องนี้ให้ดีและเตรียมตัวเพื่อเป็นคนส่วนน้อยที่จะไปสวรรค์และหลุดพ้นจากวัฏสงสารให้ได้

เราทั้งหลายนี่เบื้องหน้าของเรานั้นมีโอกาสมากเหลือเกินที่จะไปเกิดในนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเพราะว่าบาปกรรมเราทำไว้มากในชาตินี้และชาติอดีตเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วโปรดรีบกลับใจเสียหันมาให้ความสําคัญกับบุญกุศลและพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มาก

เหมือนกับที่เรารักชีวิตตัวเราเองหรือเรารักลูกของเราภรรยาสามีของเราควรจะยิ่งกว่านั้นด้วยซ้ำส่วนความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความตายมีหลายอย่างอย่างที่หนึ่งตายแล้วเกิดอีกเรื่อยไปความเข้าใจว่าคนเราตายแล้วต้องเกิดอีกเรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุดนั้นเป็นความเข้าใจผิดอย่างหนึ่งจริงๆเป็นความเห็นผิดอย่างหนึ่งเรียกว่าสัตตะทิฏฐิ

แปล ว, ว่าความเห็นผิดว่าเที่ยงคือมีการเกิดเที่ยงอยู่เสมอไม่มีพันพพานาสับสตะทิฏฐิมีเหตุคือส ก, กายาทิฏฐินั้นเป็นเหตุส ก, กายาทิฏฐิก็คือความเห็นว่ามีตัวตนคือเห็นว่ามีตัวตนเที่ยงแล้วตัวตนนี่แหละเกิดตายเกิดตายไม่มีที่สิ้นสุดส่วนความเห็นที่ถูกตรงตามความเป็นจริงคือเห็นว่าสิ่งทั้งหลาย

เป็นไปตามเหตุปัจจัยหรือผลทั้งหลายเกิดตามเหตุปัจจัยเมื่อมีเหตุปัจจัยผลก็ยอมเกิดขึ้นเมื่อหมดเหตุปัจจัยผลก็ยอมดับไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เที่ยงจึงไม่มีเพราะว่าทุกสิ่งขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยยกเว้นพระนิพพานความเห็นผิดอีกอย่างหนึ่งคือข้อที่สองเห็นว่าตายแล้วขาดศูนย์ความเห็นว่าคนเราตายแล้วสูนไม่เกิดอีกก็เป็นความเห็นผิดอีกชนิดหนึ่ง

เรียกว่าอุดเฉตทิฏฐิแปลว่าความเห็นผิดจากความจริงคือเห็นว่าขาดศูนย์ความเห็นผิดว่าขาดศูนย์ก็เกิดจากสักกายทิฏฐิความเห็นว่าขันห้าเป็นตนเป็นเหตุคือมีความเห็นว่ามีตัวตนอยู่กรอนต่อมาตัวตนนั้นก็ตายไปแล้วก็ไม่เกิดอีกหรือหายไปไม่เกิดอีกจึงเห็นว่าขาดศูนย์

ส่วนจะเห็นว่าขาดศูนย์เมื่อตายจากภพนี้หรือต้องเกิดในภพบเบื้องสูงสูงไปก่อนเมื่อตายในภพนั้นนั้นจึงจะขาดศูนย์ก็ถือว่าเป็นความเห็นผิดเห็นว่าขาดศูนย์ด้วยกันทั้งนั้นส่วนสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกตรงตามความเป็นจริงคือเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนั้นจึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มี

สิ่งนั้นจึงไม่มีเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนั้นจึงดับเมื่อสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยฉะนั้นความเห็นว่าขาดศูนย์จึงผิดหรือความขาดศูนย์ก็จึงไม่มีจริงอย่างที่สมความเห็นว่าตายแล้ววิญญาณกลับวิญญาณ น, นั้นออกจากร่างหาที่เกิดใหม่คนส่วนใหญ่ที่เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดจะมีความเข้าใจแบบนี้

ความเข้าใจผิดในกรณีแบบนี้แยกได้เป็นสมอย่างคืออย่างหนึ่งวิญญาณมีรูปร่างคือว่าวิญญาณเป็นดวงกลมๆ ม, มีแสงในตัวอย่างที่สองร่างกายแตกดับแต่วิญญาณไม่แตกดับอย่างที่สา ม, มีร่างใหม่รออยู่ก่อนเมื่อวิญญาณออกจากร่างที่ตายแล้ววิญญาณจะวิ่งเข้าหาร่างใหม่เมื่อเจอจะเข้าสิงร่างใหม่ทำให้เกิดชีวิตใหม่ขึ้นมา

ส่วนความเห็นถูกหรือความเข้าใจที่ถูกก็คือ 1. วิญญาณเป็นนามธรรมจึงไม่มีรูปร่างไม่เหมือนร่างกายไม่มีสีหรือสวดทรงสันฐานที่จะมองเห็นได้ด้วยตาสัมผัสด้วยกายก็ไม่ได้รู้ได้ด้วยทางใจทางความรู้สึกอย่างเดียวและวิญญาณก็มีหลายๆอย่างมีถึง6อย่างคือจกักขรวิญญาณวิญญาณที่ทําหน้าที่เห็นโสตะวิญญาณ

วิญญาณทำหน้าที่ได้ยินคณะวิญญาณวิญญาณทำหน้าที่ได้กลิ่นชิวหาวิญญาณวิญญาณทำหน้าที่รู้รสกายวิญญาณวิญญาณทำหน้าที่รู้สัมผัสทางกายและมโนวิญญาณวิญญาณทำหน้าที่รู้อารมณ์ทางใจคำว่าวิญญาณคำว่าจิตคำว่าใจนั้นสภาวธรรมมีอยู่อย่างเดียวแต่ชื่อเรียกได้หลายอย่างวิญญาณก็คือจิตหรือวิญญาณก็คือใจนั่นเอง

ควเข้าใจถูกอย่างที่สองคือสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารเกิดแล้วต้องดับสังขารคือสิ่งที่ถูกปรุงแต่งด้วยปัจจัยวิญญาณเป็นสังขารธรรมอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นวิญญาณก็ต้องแตกดับไม่เที่ยงเหมือนกับสังขารธรรมอื่นๆในภพที่มีขันธ์ห้านี้ร่างกายในส่วนที่เกิดจากกรรมเรียกว่ากรรมมชรูปและจิตหรือวิญญาณจะดับลงพร้อมกัน

ในพังค่าขณะขณะดับของจุติจิตจิตที่ทาหน้าที่ตายและจะเกิดใหม่ทันทีตามสมควรแก่กรรมที่นำเกิดอันนี้ต้องเข้าใจให้ดีว่าตายแล้วก็เกิดทันทีมีปฏิสนธิจิตคือจิตที่ทาหน้าที่เกิดไปเกิดต่อทันทีจากจิตที่ทำหน้าที่ตาย 3. ความเข้าใจถูก

จะต้องเข้าใจว่าการเกิดของสัตว์ที่มีขันท่าคือมีทั้งรูปทั้งนามหรือมีทั้งกายและจิตมีทั้งกายและวิญญาณกายกับจิตหรือกายกับวิญญาณนั้นเวลาเกิดจะเกิดขึ้นพร้อมกันคือพร้อมกันในขณะที่เกิดขึ้นในภพภูมิที่มีขันท่านั่นแหละและเมื่อตายจากภพนั้นกายและจิตก็จะดับลงพร้อมกันเพราะฉะนั้นจึงไม่มีกรณีที่มีรากใหม่รออยู่ก่อน

เมื่อตายจากพบเก่าจิตจะออกจากร่างเก่าแล้วหาร่างใหม่เมื่อเจอจะเข้าสิงแล้วเกิดเป็นชีวิตใหม่อย่างนี้ไม่มีทีนี้มีคำถามซึ่งเป็นคำถามที่น่าสนใจมากเป็นความเห็นผิดชนิดหนึ่งคือมีคำถามหรือมีความเห็นในข้อที่4ว่าตายแล้วฟื้นเป็นความจริงหรือไม่ตายแล้วฟื้นเป็นความตายจริงหรือไม่หรือไม่จริง

ความเข้าใจว่าคนเราตายแล้วฟื้นได้เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนแต่ไม่ถือว่าผิดพลาดในกรณีนี้ความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นเพราะเห็นคนบางคนสลบไปไม่หายใจหรือหัวใจหยุดเต้นทางการแพทย์ถือว่าตายแล้วเมื่อคนเหล่านั้นสลบไปเป็นเวลา น, านานแล้วกลับฟื้นขึ้นมาอีกก็มักจะเล่าประสบะการณ์ระหว่างที่สลบไปว่าไปเจออะไรบ้างในนรกเป็นต้นคนส่วนใหญ่จึงเชื่อว่าตายแล้วฟื้น

ส่วนความเป็นจริงในกรณีนี้คือคนผู้นั้นยังไม่ได้ตายเป็นแต่เพียงสลบไปเท่านั้นแม้จะสลบไปนานเท่าใดเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีก็ตามก็ยังไม่ถือว่าตายแล้วเช่นนี้จะเอาอะไรเป็นเกณฑ์ในการวินิจฉัยความตายว่าตายจริงในเรื่องนี้คาพีอภิธรรมกล่าวไว้ชัดเจนหลักเกณฑ์ในการวินิจฉัยว่าคนคนนั้นตายหรือไม่

โดยถือเอาการเกิดขึ้นของจุติจิตจิตที่ทำหน้าที่ตายคือจิตครั้งสุดท้ายของสัตว์นั้นๆในภพนั้นๆเป็นเครื่องวัดเมื่อจุติจิตเกิดขึ้นแล้วดับลงจึงเรียกว่าตายหากจุติจิตยังไม่เกิดแม้จะสลบไปนานเท่าใดก็ยังไม่เรียกว่าตายหรือในกรณีพระอรหันต์เข้านิโรธสมาบัติจิตทุกชนิดก็ดับหมดไม่มีจิตเกิดเลยแต่

พระอาหารหันที่เข้านิโรธก็ยังไม่เรียกว่าตายเพราะจุติจิตยังไม่เกิดแต่เมื่อจุติจิตเกิดขึ้นและดับไปความดับไปของจุติจิตนั่นแหละจึงเรียกว่าตายหรือมรณะและเมื่อเป็นเช่นนี้ลาวท่านทั้งหลายก็ควรใช้ความตายให้เป็นประโยชน์คือเจริญมรณสติเป็นการทําบุญโดยใช้ความตายเป็นอารมณ์แล้วบุญคืออะไรบุญคือการกระทํา

ชําระจิตใจให้สะอาดจากสิ่งโสโครกคือบาปหรือกิเลสทั้งหลายเช่นเดียวกับการซักผ้าเมื่อกิเลสทั้งหลายถูกชําระออกไปโดยบุญจิตใจก็ย่อมสะอาดบริสุทธิ์และมีความสุขอันเปรียบได้กับความสะอาดของผ้าที่ถูกซักแล้วฉะนั้นการกระทําที่เป็นบุญก็มีหลายอย่างการระลึกถึงความตายโดยถูกวิธีหรือที่เรียกว่ามรณสติก็เป็นบุญอย่างหนึ่ง

มีวิธีปฏิบัติซึ่งจำแนกได้ดังนี้ข้อที่หนึ่งมรณสติตามที่พระสั บ, บาทสมพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ปรากฏอยู่ในทุติยสัญญาสูตรอังคุตรณิกายสัตการนิบาตพระพุทธเจ้าตรัสว่าข้อที่กล่าวดังนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมรณสัญญาอันภิกษุจเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสงส์มากอย่างลงสู่อมาตะมีอมาตะเป็นที่สุด

เรากล่าวแล้วเพราะอาศัยอะไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุมีใจอันอบรมแล้วด้วยมรณะสัญญาอยู่โดยมากจิตย่อมหวนกลับงอกลับถอยกลับจากความรักชีวิตไม่ยื่นไปรับความรักชีวิตอุเบกขาหรือความเป็นของปฏิคูย่อมตั้งอยู่เปรียบเหมือนขนไก่หรือเส้นเอ็นที่เขาใส่ลงในไฟย่อมหดงอเข้าหากันไม่คลี่ออกฉะนั้น

ดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าเมื่อภิกษุมีใจอันไม่อบรมแล้วด้วยมรณสัญญาอยู่โดยมากจิตย่อมไหลไปด้วยความรักชีวิตหรือความเป็นของไม่ปฏิกูลย่อมตั้งอยู่สซภิกษุพึงทราบข้อนั้นดังนี้ว่ามรณะสัญญาอันเราไม่เจริญแล้วคุณวิเศษทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายของเราก็ไม่มีผลแห่งภาวนาของเรายัางไม่ถึงที่เพราะฉะนั้นภิกษุนั้น

จึงต้องเป็นผู้รู้ทั่วถึงในมรณสัญญานั้นรู้ก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าเมื่อภิกษุมีใจอันอบรมแล้วด้วยมรณสัญญาอยู่โดยมากจิตย่อมหุนกลับงอกลับถอยกลับจากความรักชีวิตไม่ยื่นไปรับความรักชีวิตอุเบกขาหรือความเป็นของปฏิกูลย่อมตั้งอยู่ไซภิกษุพึงทราบข้อนั้นดังนี้ว่ามรณสัญญาอันเราจเจริญแล้ว

คุณวิเศษทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายของเรามีอยู่ผลแห่งภาวนาของเราถึงที่แล้วเพราะฉะนั้นภิกษุนั้นเป็นผู้รู้ทั่วถึงในมรณสัญญานั้นข้อที่กล่าวดังนี้ว่ามรณะสัญญาอันภิกษุเจริญแล้วกระทาให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสง์มากอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดเรากล่าวแล้วเพราะอาศัยข้อนี้ในตติยะปฏิปทาสูตร

อังคุตรณิกายอัตการนิบาตพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมรณสติอันบุคคลเจริญแล้วกระทําทให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากอย่างลงสู่อมตะมีอมตะคือพระนิพพานเป็นที่สุดเธอทั้งหลายย่อมเจริญมรณสติหรือหนอเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งกราบทูลพระพุทธเจา้าว่า

แค่แต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ย่อมเจริญมรณสติลูกาภิกษุก็เธอเจริญมรณสติอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในการเจริญมรณสตินี้ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโอ๋หนอเราพึงเป็นอยู่คือหนึ่งวันหนึ่งพึงมณสศีการคือระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้กระทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอันมากหนอ

แต่พระองค์งผู้เจริญข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้แลภิกษุอีกรูปหนึ่งกลับทูลว่าข้าแต่พระองค์งผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็เจริญมรณสติดูก่อนภิกษุก็เธอเจริญมรณสติอย่างไรข้าแต่พระองค์งผู้เจริญในการเจริญมรณสตินี้ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโอหนเราพึงเป็นอยู่ตลอดวันหนึ่งพึงมนาศิการถึงคําสอนของพระพุทธเจ้า

เราได้กระทําคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอันมากหนาะคาแดพระองค์ผู้เจริญขับรงค์เจริญมรณสติอย่างนี้แลภิกษุแม้อีกรูปหนึ่งกราบทูลแดพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนี้ว่าคาแตดพระองค์ผู้เจริญแม้ขับระงก็เจริญมรณสติดูก่อนภิกษุก็เธอเจริญมรณสติอย่างไรคาแต่พระองค์พู้เจริญในการเจริญมรณสตินี้ครับรงค์

มีความคิดอย่างนี้ว่าโอนอเราพึ่งเป็นอยู่เพียงครึ่งวันเพิ่งมานสิการถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้กระทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอันมากหนอะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้แลภิกษุแม่อีกรูปหนึ่งกล่าบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็เจริญอรณาสติดูก่อนภิกษุก็เธอเจริญมรณสติอย่างไร

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในการเจริญมรณสตินี้ขับพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโ อ, นอ๋นเราพึงเป็นอยู่ชั่วเวลาบริโภคบิณฑบาทเมื่อหนึ่งพึงมรณาสิการถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอันมากเนอะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้แลภิกษุอีกรูปหนึ่งกลับทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็เจริญมรณสติ

ดูกรพิสูจน์ก็เธอเจริญมรณสติอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในการเจริญมรณสตินี้ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโอ๋หนอระพึงเป็นอยู่ชั่วเวลาบริโภคบิณฑบาตครึ่งหนึ่งพึงมรณาสีการที่คําสอนของพระพุทธเจ้าเราได้กระทําคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอันมากหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้แลภิกษุอีกรูปหนึ่งกล่าวทูลว่า

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็เจริญมรณสติดูก่อนภิกษุก็เธอเจริญมรณสติอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในการเจริญมรณสตินี้ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโอหนอเราพึงเป็นอยู่ช่วเวลาเคี้ยวข้าวสี่ห้าคำแล้วกลืนกินพึงมนาสิกานถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้กระทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอันมากหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขับพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้แล

ภิกษุอีกรูปหนึ่งกราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์พู้เจริญในการเจริญมนัสตินี้ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโอนอเราพึงเป็นอยู่ชั่วเวลาเคี้ยวข้าวเดคกคำหนึ่งแล้วคลืนกินพึงมนัสสิการถึงคำงงํ ำ, คำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้กระทํำคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นมากหนอะข้าแต่พระองค์พู้เจริญข้าพระองค์เจริญมนัสติอย่างนี้แล

พิสู่อีกรูปหนึ่งกลับทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในการเจริญมรณสตินี้ขับพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโอ๋หนอเราพึงเป็นอยู่ชั่วเวลาหายใจออกแล้วหายใจเข้าหรือหายใจเข้าแล้วหายใจออกพึงมรณาจิตการพึงคําสอนของพระพุทธเจา้าเราได้กระทําคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอันมากหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้แล

เมื่อพิสูจน์ทั้งหลายกราบทูลอย่างนี้แล้วพระาศาสดาได้ตรัสกับพิสูจน์ทั้งหลายเหล่านั้นว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายภิกษุใดเจริญมรหสติอย่างนี้ว่าโอโน้อเรา พ, ar, ราพึงเป็นอยู่ตลอดคืนหนึ่งวันหนึ่งเราพึงเป็นอยู่ตลอดวันหนึ่งเราพึงเป็นอยู่ครึ่งวันเราพึงเป็นอยู่ช่วงเวลาบริโภคบิณนบาบเมื่อหนึ่งเราพึงเป็นอยู่ช่วงเวลาบริโภคบิณนบาบครึ่งหนึ่งเราพึงเป็นอยู่ช่วงเวลาเคี้ยวข้าได้สีห่หาคำแล้วเลื่อนกิน

ดูก่อนพิสษุทั้งหลายพิสษุ์เหล่านี้เรากล่าวว่าเป็นผู้ประมาทอยู่เจริญมรณสติเพื่อความสิ้นอาสวะช้าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายส่วนภิสูุใดเจริญมรณสติอย่างนี้ว่าโอ๋นอเราพึงเป็นอยู่ช่วเวลาเคียวข้าวคําหนึ่งแล้วกลืนกินเราพึงเป็นอยู่ชั่วเวล า, วาวหลายววา ใ, หใจออกแล้วหายใจเข้าหรือหายใจเข้าแล้วหายใจออกพึงมนณาสีการถึงคําสอนของพระพุทธเจ้า

เราได้กระทํากับสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอันมากหนอดูกรพิสูจน์ทั้งหลายพิสูจน์เหล่านี้เรากล่าวว่าไม่ประมาทอยู่ย่อมเจริญมรณสติเพื่อความสิ้นอาสวะดูกรพิสูจน์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นแลเธอทั้งหลายพึงศึกษาคือปฏิบัติอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจากเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่จากเจริญมรณสติเพื่อความสิ้นอาสวะดูกรพิสูจน์ทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แล

และในจตุถาปฏิปทาสูตรอังคุตรนิกาตะการฏิบาตพระศาสดาตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมรณาสติอันบุคคลเจริญแล้วกระทาให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากอย่าง <mots> <Hi. haba. S 2> ลง ส, ส, like. ส, ส, สู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็มรณาสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรกระทําให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลมากมีอานิสงส์มากอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุด

ดูก่อนพิสูนทั้งหลายพิสษจน์ในธรรมวิ น, นัยนี้เมื่อกลางวันสิ้นไปกลางคืนเวียนมาย่อมพิจารณาดังนี้ว่าปัจจัยแห่งความตายของเรามีมากหนอคืองูพึงกัดเราก็ได้มแมลงป่องพึงต่อยเราก็ได้แต่ขาพึงกัดเราก็ได้เพราะเหตุนั้นเราพึงทำการกิริยาอันตรายนั้นพึงมีแก่เราเราพึงพลาดล้มลงก็ได้

อาหารที่เราบริโภคแล้วไม่ย่อยเสียก็ได้ดีของเราพึงสั้นก็ได้เสมหะของเราพึงกำเริบก็ได้ลมมีพิษดังศาสตราของเราพึงกำเริบก็ได้มนุษย์ทั้งหลายพึงเบียดเบียนเราก็ได้พวกอะมนุษย์พึงเบียดเบียนเราก็ได้เพราะเหตุด้านเราพึงทำการกิริยาอันตรายนั้นพึงมีแก่เรา

ดูกรอิสษุทั้งหลายพิสษุนั้นพึงพิจารณาดังนี้ว่าทำอันเป็นบาปอกุศลอันเราอย่างละไม่ได้ที่จะพึงเป็นอันตรายแกเราผู้ทำกาละในกลางคืนนีอยู่หรือหนอแลถ้าพิกูจ์พิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าทำอันเป็นบาปอกุศลอันเราอย่างละไม่ได้ที่จะพึงเป็นอันตรายแกเราผู้ทำกาละในกลางคืนมีอยู่

ทิสุนั้นพึงกระทําความพอใจความพยายามความบุตรสาหะความเพียรความไม่ทอดถอยสติและสัมปชัญญะให้ยิ่งเพื่อละธรรมอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นเสียเปรียบเหมือนคนที่มีผ้าไฟไหม้หรือศีรษะถูกไฟไหม้พึงกระทําความพอใจความพยายามความบุตรสาหะความเพียรความไม่ทอดถอยสติและสัมปชัญญะให้ยิ่งเพื่อดับไฟไหม้ผ้าหรือไฟไหม้ศีรษะนั้นฉะนั้น

ดูก่อนพิสูจทั้งหลายถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าทำอันเป็นบาปอกุศลอันเรายัางละไม่ได้ที่จะเป็นอันตรายกับเราผู้ทำกาละในกลางคืนไม่มีพิกษุน์นั้นพึงเป็นผู้มีปิติและปราโมทมันศึกษาทั้งกลางวันและกลางคืนในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ดูก่อพิสูจนทั้งหลายอันหนึ่งภิกษุในธรรมปิไนนี้เมื่อกลางคืนสิ้นไปกลางวันเวียนมาถึงย่อมพิจารณาดังนี้ว่า

ปัจจัยแห่งความตายของเรามีมากหนอะคืองูพึงกัดเราก็ได้แมลงป่องพึงต่อยเราก็ได้ตะขาพึงกัดเราก็ได้เพราะเหตุนั้นเราพึงทําการกิริยาอันตรายนั้นพึงมีกับเราเราพึงพราดล่มลงก็ได้อาหารที่เราบริโภคแล้วไม่ย่อยเสียก็ได้ดีของเราพึงซ่านก็ได้เส็มหายของเราพึงกําเริบก็ได้ลมมีพิษดังสัตว์ตรายของเราพึงกําเริบก็ได้มนุษย์ทั้งหลายพึงเบียดเบียนเราก็ได้

พวกอมนุษย์พึงเบียดเบียนเราก็ได้เพราะเหตุนั้นเราพึงทําการกิริยาอันตรายนั้นพึงมีแก่เราดูก่อนพิสูจทั้งหลายพิสูจนั้นพึงพิจารณาดังนี้ว่ากรรมอันเป็นบาปอกุศลอันเรายังละไม่ได้ที่จะพึงเป็นอันตรายแกเราผู้ทํากัละในกลางวันมีอยู่หรือน้อแลถ้าภิสูุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าทําอันเป็นบาปอกุศลอันเรายังละไม่ได้ที่จะพึงทําอันตรายแก่เราผู้ทํากัละในกลางวันมีอยู่

ทิศสู่นั้นพึงกระทําความพอใจความพยายามความอุตสาหะความเพียรความไม่ทอดถอยสติและสัมพัชัญญาให้ยิ่ ง, งเพื่อละธรรมอันเป็นบาปหากุศลเหล่านั้นเสียเปรียบเหมือนบุคคลมีผ้าถูกไฟหไหม้หรือศีรษะถูกไฟไหม้พึงกระทําความพอใจความพยายามความอุตสาหาความเพียรความไม่ท้อถอยสติและสัมพัชัญญาให้ยิ่งเพื่อดับไฟไหม้ผ้าหรือศีรษะนั่นฉะนั้น

ดูก่อนพิสษุนทั้งหลายถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าทำอันเป็นบาปอกุศลอันเล่าอย่างละไม่ได้ที่จะพึงเป็นอันตรายแกเราผู้ทำกาละในกลางวันไม่มีพิกษุน์นั้นพึงเป็นผู้มีปิติและปราโมทมันศึกษาทั้งกลางวันกลางคืนในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ดูก่อนพิกษุ์ทั้งหลายเมื่อรักสติอันพิสูจเจริญแล้วอย่างนี้กระทำให้มากแล้วอย่างนี้จึงมีผลมากมีอนิสงส์มากอย่างลงสู่อมาตะมีอมาตะเป็นที่สุด

ข้อที่สองมดัสติตามคมภีรวิสุทธิมักท่านพระพุทธโคษาจารย์ผู้แต่งกัมภีรวิสุทธิมักได้แนะนําการรึกถึงความตายไว้โดยอาการแปดอย่างดังนี้ 1. โดยเข้าไปตั้งดูเฉพาะหน้าเหมือนเพชฌฆาตคือนึกถึงความตายว่าเหมือนเพชฌฆาตที่กําลังเหื้อดาบจะฟันไม่มีทางรอดพ้นจากความตายไปได้ข้อ 2. โดยความวิบัติแห่งสมบัติสมบัติทั้งหลายที่เรายินดีพอใจย่อมถูกความตายทําให้วิบัติไปสิน้น

เราจะต้องพลัดพากจากสมบัติเหล่านั้นแม้แต่ชีวิตของเราเองซึ่งเป็นสมบัติที่เราหวงแหนที่สุดก็ย่อมถูกความตายทําให้บิบัติทําลายไปด้วย 3. โดยการเปรียบเทียบคือเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าคนอื่นต้องตายชั้นใดเราก็ต้องตายชั้นนั้น 4. โดยร่างกายเป็นสาธารณะแกหมู่สัตว์และปัจจัยแห่งความตายมีมากเช่นอาจตายด้วยถูกงูกัดหรือเป็นลมตายก็ได้เป็นต้น

5. พิจารณาโดยอายุเป็นของบอบบางอ่อนแอตายง่ายชีวิตต้องอาศัยปัจจัยต่างๆหล่อเลี้ยงเช่นอาหารหรือลมหายใจเมื่อเปิดใจเหล่านั้นไม่สมดุลชีวิตก็แตกทำลายไปข้อ6กโดยชีวิตเป็นสิ่งหานิมิตไม่ได้คือหาเหตุไม่ได้คือไม่รู้ว่าชีวิตจะตายเมื่ออายุเท่าใดตายที่ไหนตายเมื่อไรตายอย่างไรตายแล้วไปไหน

ข้อเโดยชีวิตเป็นสิ่งมีกำหนดการคือขอบเขตไม่ใช่มีชีวิตยอยู่เรื่อยไปไม่ต้องแก่ไม่ต้องตายขอบเขตของชีวิตในปัจจุบันไม่เกินร้อยปีข้อที่8โดยชีวิตมีขนาดเล็กน้อยคือเป็นอยู่เพียงแค่ขณะจิตเดียวขึ้นอยู่กับจิตเพียงขณะเดียวข้อที่3นี้เป็นคําแนะนําเพิ่มเติมของผู้เรียบเรียงเรื่อง

ความตายใช่น่ากลัวอย่างที่คิดคือข้อที่หนึ่งเวลาได้ยินข่าวว่ามีคนตายจากสื่อต่างๆหรือการบอกเล่าจากคนอื่นสื่อต่างๆก็เช่นวิทยุทีวีหนังสือพิมพ์หรือไปงานศพหรือพบเห็นคนตายหรือสัตว์ตายในที่ใดก็ตามหรือแม้กระทั่งขณะดูหนังดูละครเมื่อมีฉากการฆ่าการการทำร้ายกันและมีคนตายก็ให้น้อมตนเข้าไปเปรียบว่าเราก็ต้องตายเหมือนเขา

หรือน้อมผู้ตายเข้ามาเปรียบกับตนว่าเมื่อก่อนผู้นี้ก็มีชีวิตเหมือนกับเราบัด น, นี้เขาตายแล้วทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในโลกและเราเองก็จะต้องเป็นเหมือนเขาข้อที่สองถามตัวเองอยู่เสมอว่าเราพร้อมที่จะตายหรื อ, อยังข้อที่สเขียนข้อความเตือนสติให้ระลึกถึงความตายไว้ในที่ที่เห็นได้ง่ายอาจเป็นพุทธภาษิตหรือข้อความอื่ น, นเช่นโครงกรอนเป็นต้นที่กล่าวถึงความตาย

คำพาสิทธ์ก็เช่นเพราะความรักเกิดจึงกลัวความตายต่อไปเป็นอานิสงผลไหลออกของการเจริญมรณสติข้อที่หนึ่งคือรู้เท่าทันความเป็นจริงของชีวิตข้อที่สองละความรักในชีวิตข้อที่สละความยินดีในการมคุณข้อที่สละความกลัวตายข้อหําทำให้เกิดความไม่ประมาทเร่งทากิจที่ควรทาข้อที่หไม่สั่งสมวัตถุทั้งหลาย

ข้อที่เจ็ไม่หวงแหนวัตถุทั้งหลายข้อที่8ทํทำให้จิตใจสงบอาจบรรลุถึงอุปจาระฌานข้อที่9ทําทำให้เกิดในสุขคติข้อที่10เป็นปัจจัยแก่การบรรลุพระนิพพานนี่เป็นอนิสง์ของมรรสติในกัมพีวิสุทธิมรรคสำหรับต่อไปนี้ก็เป็นบุคคลผู้ไม่หวั่นไหวต่อความตายซึ่งเราควรจะเคารพนับถืออย่างยิ่ง

เพราะว่าแม้ว่าบุคคลโดยทั่วไปจะมีความกลัวตายเป็นปกติแต่มีบุคคลจํานวนหนึ่งซึ่งไม่กลัวตายได้แก่พระหันทั้งหลายถ้าเหล่านั้นได้เป็นตัวอย่างให้เราได้เห็นว่าการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานั้นเป็นสิ่งมีค่าสูงสุดพระเมื่อปฏิบัติจนถึงขั้นบรรลุอรหัตตะมักและอรหัตตผลแล้วก็สามารถละกิเลสและความทุกข์ทั้งหลายให้หมดสิ้นไปแม้กระทั่งความกลัวตายก็ถูกละไปด้วย

เพราะฉะนั้นจึงควรศึกษาประวัติของพระอารหันต์ทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านที่เกี่ยวกับความตายว่าท่านเหล่านั้นมีทัศนะต่อความตายอย่างไรเพื่อให้ผู้ยังมีความกลัวตายอยู่ได้ถือเอาท่านเหล่านั้นเป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตและกระตุ้นให้เกิดความพยายามที่จะปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างท่านเหล่านั้นตัวอย่างที่สําคัญคือหนึ่งพระสมมาสัมพุทธเทจ้า

เมื่อพระองค์ดำรงพระชนชีพอยู่พอสมควรแก่เวลาแล้วจึงตัดพระไทยโปร่งอายุสังขารว่าอีกสามเดือนต่อไปนี้จะปรินิพานคือตายขณะนั้นก็ได้เกิดแผ่นดินไหวพระอนุทูลถามพระพุทธเจ้าว่าทำไมจึงเกิดแผ่นดินไหวพระศาสดาตัดตอบว่าพระองค์ได้โรงอายุสังขารว่าอีกสมเดือนต่อจากนี้จะปรินิพานพระอนุเสียใจที่พระศาสดาจะปรินิพานขอร้องให้พระผู้มีพระภาคเจ้าดำรงพระชนชีพอยู่ต่อไป

พระพุทธเจ้าไม่รับและได้ตัดปลอบอานนท์ว่าอย่าเลยอานนท์เธออย่าเศร้าโศกร่ําไรไปเลยเราได้บอกไว้ก่อนแล้วไม่ใช่หรือว่าความเป็นต่างๆความพลัดพรากความเป็นอย่างอื่นจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นต้องมีเพราะฉะนั้นจะพึงได้ในของรักของชอบใจนี้แต่ที่ไหนจิงได้เกิดแล้วมีแล้วปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีความแตกทําลายเป็นธรรมดาการปรารถนาว่าขอสิ่งนั้นอย่าทําลายไปเลยดังนี้

ม่ใช่ฐานะที่จะมีได้และในมหาปริยิพานสู่พระองค์ได้ตรัสแก่พิสูจน์ทั้งหลายว่าวัยของเราแก่อมแล้วชีวิตของเราเป็นของน้อยเราจากละพวกเธอไปเรากระทาที่พึ่งแก่ตนแล้วดูกรพิสูจน์ทั้งหลายพวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติมีศีลอันดีเถิดจงเป็นผู้มีความดําริตั้งมั่นดีแล้วตามรักษาจิตของตนเถิด

ผู้ใดจกเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่ในธรรมวินัยนี้ผู้นั้นจักละชาติสงสารแล้วกระทําที่สุดแห่งทุกข์ได้ดังนี้ก่อนที่พระองค์จะปรินิพพานได้ตัดสอนเป็นครั้งสุดท้ายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนพวกเธอว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอจงอยั่งความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถรนี่เป็นพระปัจจิบมวาจารของพระตถาคต

เรานี้คือคําพูดที่แสดงถึงความเป็นผู้เห็นแจ้งในสัจธรรมจนจิตใจดํารงอยู่เหนือความตายคือไม่เป็นทุกข์เพราะความตายเป็นเหตุตัวอย่างที่สองพระอุปเสณวังคันตะบุตรครั้งหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสารีบุตรและพระอุปเสณาซึ่งเป็นน้องชายคนหนึ่งของพระสารีบุตรได้ไปอาศัยอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งวันหนึ่งงูพิษได้ตกลงมาจากเพดานถ้ําลนลงบนบาของท่านพระอุปเสณาและกัดท่านทันทีนท

ท่านทราบว่าถูกงูพิษกัดจึงเรียกพระสาริบุตรมาบอกให้ช่วยหามท่านออกไปนอกถ้ำก่อนที่ท่านจะตายท่านพระสาริบุตรได้กล่าวกับท่านพระอุปเสสนะว่าความที่กายของท่านพระอุปเสณะเป็นอย่างอื่นหรือความแปรปรวนแห่งอินทรีย์ของท่านพระอุปเสนะเราทั้งหลายยังไม่เห็นเลยเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านพระอุปเสนะยังพูดอย่างนี้ว่า

จงมาเถิดผู้มีอายุจงยกกายเรานี้ขึ้นสู่เตียงแล้วนาไปภายนอกก่อนที่กายนี้จะเรียรายประดุจกรรมแกรบนาะที่นี้เล่าท่านทูภเสนะกล่าวว่าดูก่อนท่านภาษาดิบุตรผู้ใดพึงมีความตรึกอย่างนี้ว่าเราเป็นจักรสุหรือจักรสุเป็นของเราเราเป็นโสตะคือประสาทหูหรือโสตะเป็นของเรา

เป็นนต้จนถึงเราเป็นจิตหรือจิตเป็นของเราความที่กลายเป็นอย่างอื่นหรือความแปรปวนแห่งอินทรีย์พึ่งมีแก่ผู้นั้นแน่นอนดูก่อนท่านภาษารีบุตเราไม่ได้มีความตึกอย่างนี้ว่าเราเป็นจักรสุหรือจักรสุเป็นของเราเราเป็นโสตหรือโสตเป็นของเราจนถึงเราเป็นจิตหรือจิตเป็นของเราความที่กายจกกลายเป็นอย่างอื่น

หรือความแปรปรวนแห่งอินทรีย์จักมีแก่เรานั้นได้อย่างไรแล้วท่านพระสาธิบุตรก็หามท่านพระอุปเสสนออกไปนอกถ้ำและท่านก็ถึงแก่ปรินิพพานด้วยอาการอันสงบณที่นั่นเองตัวอย่างที่สามท่านพระอาิมุตตะเทระเป็นหลานของพระสังกิจจะปลุพระหันตั้งแต่เป็นสามเณรเมื่อายุครบ2ี่สปีบริบูรณ์ก็เดินทางไปลาพ่อแม่

เพื่อจะอุปสมบทเป็นพระภิกษุระหว่างทางได้พบกับพวกโจรถูกโจรจับตัวไว้เพื่อฆ่าบูชายัญแก่เทวดาที่พวกตนนับถือแม้รู้ว่าจะถูกฆ่าสามเณรอาทิพุทธก็ไม่แสดงอาการหวาดวันพรั่นพรึงเลยแม้แต่น้อยจนโจรเกิดความอัศจรรย์ใจจึงถามว่าเมื่อก่อนเราจะฆ่าสัตว์เหล่าใดเพื่อบูชายัญหรือเพื่อปร้นเอาทรัพย์สัตว์เหล่านั้นหมดอำนาจเกิดความกลัวย่อมพากันหวาดวันและบ่นเพอ้อ

แต่ความกลัวไม่ได้มีแก่ท่านเลยซ้ำยังมีสีหน้าผ่องใส ย, ยิ่งนักเมื่อภายใหญ่เห็นปานนี้ปรากฏแล้วเหตุไรท่านจึงไม่คร่ำครวนเล่าสามเณรอธิมุตตอบว่าดูก่อนนายโจนทุกทางใจย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ห่วงใหญ่ในชีวิตความกลัวทั้งปวงอันเราผู้สิทธิสังโยตล่วงพ้นได้แล้วเมื่อตันหาเครื่องนาไปสู่พบสิ้นไปแล้ว

ความกลัวตายในปัจจุบันไม่ได้มีด้วยประการใดประการหนึ่งเลยดุจบุรุษไม่กลัวความหนักระหว่างภาระแล้วฉะนั้นพระมอาจารย์ราประพฤติดีแล้วแม้ธรรมเราก็อบรมดีแล้วเราไม่มีความกลัวตายเหมือนบุคคลไม่กลัวโรคเพราะโรคสิ้นไปแล้วฉะนั้นพระอาจารย์ราประพฤติดีแล้วแ ม, ม้มรรคเราก็อบรมดีแล้วพบทั้งหลายอันไม่น่ายินดีเราได้เห็นแล้วเหมือนบุคคลดื่มยาพิษและบ่วนทิ้งฉะนั้น

บุคคลพูดถึงฝั่งแห่งพบไม่มีความถือมั่นทรรมกิจเสร็จแล้วหมดอาสวะย่อมยินดีเพราะเหตุความสิ้นอายุเหมือนบุคคลพ้นแล้วจากการถูกประหารฉะนั้นบุคคลผู้บรรลุธรรมอันสูงสุดแล้วไม่มีความต้องการอะไรในโลกทั้งปวงย่อมไม่เศร้าโศกในเวลาตายดูดบุคคลออกจากเรือนที่ถูกไฟไหม้ฉะนั้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งมีอยู่ในโลกนี้ก็ดีพบที่สัตว์ได้อยู่ในโลกนี้ก็ดี

พระพุทธเจ้าผู้สวงหาคุณอันใหญ่ได้ตรัสไว้ว่าสิ่งทั้งหมดนี้ไม่เป็นอิสระผู้ใดรู้แจ้งทำข้อนั้นเหมือนดังที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ผู้นั้นย่อมไม่ยึดถือพบใดๆดังบุคคลผู้ไม่จับก้อนเหล็กแดงอันร้อนชนฉะนั้นเราไม่มีความคิดว่าได้มีมาแล้วจกมีต่อไปสังขารจากปราศจากไปจากคร่ำครวญไปทําไมในเพราะสังขารนั้นเล่า

ดูกรในโจรความกลัวย่อมไม่มีแก่ผู้พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงซึ่งความเกิดขึ้นแห่งธรรมอันบริสุทธิ์และความสืบต่อแห่งสังขารอันบริสุทธิ์เมื่อใดบุคคลพิจารณาเห็นโลกเสมอด้วยหญ้าและไม้ด้วยปัญญาเมื่อ น, นั้นบุคคลนั้นย่อมไม่ยึดถือว่าเป็นของเราย่อมไม่เศร้าโศกว่าของเราไม่มีเราร้ำคาญด้วยสิริลเราไม่ต้องการด้วยพบร่างกายนี้จะแตกไปและ

จกไม่มีร่างกายอื่นถ้าท่านทั้งหลายปรารถนาจะทำกิจใด ด, ด้วยร่างกายของเราก็จงทำกิจนั้นเถิดความขัดเคืองและความรักไข่ในร่างกายนั้นจกไม่มีแก่เราเพราะเหตุที่ท่านทั้งหลายทำกิจตามปรารถนาด้วยร่างกายของเรานั้นโจรทั้งหลายได้ฟังคำของท่านอนาส จ, จันทำให้ขนลุกชูชันจึงพากันวางสัตวุธแล้วกล่าวดังนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญ

ความไม่เศร้าโศกที่ท่านได้นี้เพราะท่านได้ทํากรรมอะไรไว้หรือใครเป็นอาจารย์ของท่านหรือเพราะอาศัยคําสั่งสอนของใครสามเณรอาิมตุตตอบว่าพระาศาสดาผู้เป็นสัพพัญยูรู้เห็นธรรมทั้งปวงชนะมู่มานมีพระกรุณาใหญ่ผู้รักษาพยาบาลชาวโลกทั้งปวงเป็นอาจารย์ของเราทําเครื่องให้ถึงความสิ้นอาสวะอันยอดเยี่ยมนี้พระองค์ทรงแสดงไว้แล้วความไม่เศร้าโศกเราได้เพราะอาศัยคําสั่งสอนของพระองค์

พวกโจรฟังคำมันเป็นสุภาษิตของท่านแล้วพากันวางอาวุธบางพวกก็เลิกเป็นโจรบางพวกก็ขอบวชรันบวชแล้ไม่นานก็บรรลุเป็นพระรหัน์นี่คือผู้ที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเพื่อได้ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วแม่ความตายก็ทําให้จิตใจของท่านเป็นทุกข์ไม่ได้ซึ่งน่าเคารพศรัทธาเริ่มใสอย่างสูงสุด

ต่อไปเป็นพุทธภาสิทธและสาวกภาสิทธเกี่ยวกับความตายจากรัฐพาระสูตรท่าน ร, รัตพาระได้กล่าวว่าเราเห็นมนุษย์ทั้งหลายในโลกที่เป็นผู้มีทรัพได้ทรัพย์แล้วย่อมไม่ให้ทานเพราะความหลงโลภแล้วย่อมทําการสั่งสมทรัพย์ในอยังปรารถนาการมทั้งหลายยิ่งขึ้นไปพระราชาทรงแผ่อำนาจชนะตลอดแผ่นดิน

ทรงครอบครองแผ่นดินมีสาครเป็นที่สุดมิได้ทรงรู้จักอิ่มเพียงฝั่งสมุดข้างนี้ยังทรงปรารถนาฝั่งสมุดข้างโน้นอีกรราชาและมนุษย์เหล่าอื่นอันเป็นอันมากยังไม่สิ้นความทะเยอทะยานยอมเข้าถึงความตายเป็นผู้พร่องอยู่ละร่างกายไปแท้ความอิ่มด้วยกามย่อมไม่มีในโลกเลย

นหนึ่งญาต์ทั้งหลายพากันสยายผมคล่ำครวนถึงผู้นั้นพากันกล่าวว่าได้ตายแล้วหนอพวกญาตินำเอาผู้นั้นกลุ่มด้วยผ้าไปยกขึ้นเชิงตะกรแต่นั้นก็เผากันผู้นั้นเมื่อกำลังถูกเขาเผาถูกแทงอยู่ด้วยเหลามีแต่ผ้าพื้นเดียวละโภคสมบัติไปญาติก็ดีมิตรก็ดีหรือสหายทั้งหลายเป็นที่ต้านทานของบุคคลผู้จะตายไม่มี

ทายาททั้งหลายก็ขนเอาทรัพย์ของผู้นั้นไปส่วนสัตว์ย่อมเป็นไปตามกรรมที่ทำไว้ทรัพย์อะไรๆย่อมติดตามคนตายไปไม่ได้บุตรภรรยาทรัพย์และแว่นแคว้นก็เช่นนั้นบุคคลย่อมไม่ได้อายุยืนด้วยทรัพย์และย่อมไม่กำจัดชราได้ด้วยทรัพย์นักป ร, ราบทั้งหลายกล่าวชีวิตนี้ว่าน้อยนักว่าไม่เที่ยงมีความแปรปวนเป็นธรรมดาทั้งคนมั่งมีทั้งคนยากจน

ย่อมกระทบผัสสะคือความตายทั้งคนพาลทั้งนักปราดก็กระทบผัสสะเหมือนกันแต่คนพาลอมกนอนหวาดอยู่เพราะความที่ตนเป็นพาลส่วนนักปราดอันผัสสะถูกต้องแล้วย่อมไม่วันไหวเราเหตุนั้นแลปัญญาจึงประเสริฐกว่าทรัพย์ปัญญาเป็นเหตุถึงที่สุดในโลกนี้ได้

คนเป็นอันมากทำบาปกรรมเพราะความหลงในพบน้อยพบใหญ่เพราะไม่มีปัญญาเครื่องให้ถึงที่สุดสัตว์ที่ถึงการท่องเที่ยวไปมาย่อมเข้าถึงครันบ้างปารโลกบ้างผู้อื่นนอกจากผู้มีปัญญานั้นย่อมเชื่อได้ว่าจะเข้าถึงครันและปารโลกมูสัตว์ผู้มีบาปทำละโลกนี้ไปแล้วย่อมเดือดร้อนในโลกนาเพราะกรรมของตนเอง

เปรียบเหมือนโจรผู้มีความผิดถูกจับเพราะโจรกรรมมีตัดช่องเป็นต้นย่ำเดือดร้อนเพราะกรรมของตนเองฉะนั้นความจริงกรรมทั้งหลายวิจิตรสอร่อยเป็นที่รื่นรมใจย่อมย่าดีจิตด้วยรูปมีประการต่างๆมหาปพิธอัตมภาพเห็นโทษในการมทั้งหลายเพราะเหตุนั้นจึงบวชเสียสัตว์โลกทั้งหลายทั้งหลุมทั้งแก่เมื่อสริระทําลายไปย่อมแตกตายไปเหมือนผลไม้ ท, ทั้งหลายที่ร่วงหล่นไป

มหาบาพิอตอาตมามภาพรู้เหตุนี้จึงบวชเสียความเป็นสมณะเป็นข้อปฏิบัติอันไม่ผิดเป็นผู้ประเสริฐแท้ดังนี้แหละจากอุปนัยสูตรชีวิตคืออายุมีประมาณน้อยถูกต้อนเข้าไปเรื่อยเมื่อบุคคลถูกชราต้อนเข้าไปแล้วย่อมไม่มีผู้ป้องกันบุคคลเมื่อเห็นภัยนี้ในมรณะพึงละอามิ t ในโลกเสียมุ่งสันติเธอ

ต่อไปจากอัจเจนติสูตรการทั้งหลายย่อมล่วงไปราตีทั้งหลายย่อมผ่านไปชั้นแห่งวัยย่อมละลำดับไปบุคคลเมื่อเห็นภายนี้ในมรณะพึงละอามิ t h ในโลกเสียมุ่งสันติเถิดภูเขาใหญ่ล้วนแล้วด้วยศิลาจดท้องฟ้ากลิ่งบทสัตว์มาโดยรอบทั้งสี่ทิศแม้ชันใดชาลาและมัจจุก็ชั้นนั้นย่อมครอบงมสัตว์ทั้งหลาย

พวกกษัตริย์พวกพระรามพวกแพทย์พวกสูตรพวกจันทานและคนเทขยะบูลฝอยไม่เว้นใครใไว้เลยย่อมย่อมยีเสียสิ้นณนะที่นั้นไม่มียุทธภูมิสำหรับพลช้างไม่มียุทธภูมิสำหรับพลรถไม่มียุทธภูมิสำหรับพลลาบและไม่อาจจะชนะแม้ด้วยการรบด้วยมนหรือด้วยทรัพเพราะฉะนั้นแลบุรุษผู้เป็นบัณฑิตผู้มีปัญญาเมื่อเห็นประโยชน์ตนพึงตั้งศรัทธาไว้

ในพระพุทธเจ้าในพระธรรมและในพระสงค์ผู้ใดมีปกติประพฤติธรรมด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยใจบัณฑิต ท, ทั้งหลายย่อมสรรเสริญผู้นั้นในโลกนี้นั่นเทียวผู้นั้นละโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์ที่กล่าวมาจากปปัตโตปะมัสสูตรอายุของมนุษย์ทั้งหลายน้อยคนดีควรดูหมิ่นอายุนั้นเสียควรประพฤติดุจคนที่ถูกไฟไหม้ศีรษะฉะนั้นการที่มัจจุราชจะไม่มาไม่มีเลย

จากปฐมอายุสูตรดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายอายุของมนุษย์ทั้งหลายนี่น้อยนักจำต้องไปสู่สัมปรายภพควรทํากุศลควรประพฤติพรหมจรรย์สัตว์ผู้เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายคนที่เป็นอยู่นานย่อมเป็นอยู่ได้เพียงร้อยปีหรือจะอยู่เกินไปได้บ้างก็มีน้อยวันคืนย่อมผ่านพ้นไปชีวิตย่อมหดสั้นเข้าอายุของสัตว์ทั้งหลายย่อมสิ้นไป

ดุดแม่น้ำน้อยฉะนั้นจากทุติยาอายุสูตรต่อไปเป็นข้อความในชราสูตรสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณปร า, าสาทของนาวิสาขาพิคารมานดาในบุพพารามใกล้พระนกรสาวัติข้อสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเล่นในเวลาเย็นแล้วประทับนั่งผินพระปิดสดางพิงแดดในที่มีแสงแดดส่องมาจากทิศประจิมอยู่ครั้งนั้นท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทัที่ประทับถวายพัะงคมแล้ว

บีบนวดพระกายของพระพุทธเจ้าด้วยฝ่ามือพลางกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนาัศิรย์ไม่เคยมีมาแล้วเวลานี้พระชวิวันของพระพุทธเจ้าไม่บริสุทธิ์ผุดผ่องเหมือนเพื่อก่อนพระศดีละก็ย่อนย่นเป็นเกลียวพระกายก็ค้องไปข้างหน้าและความแปรปวนของอินทรี์คือพระจักษุพระโสตพระคารนะพระชิวหาพระกายก็ปรากฏอยู่พระพุทธเจ้าตัดว่าดูก่อนอนุนข้อนี้เป็นอย่างนั้นชราย่อมมีในความเป็นหนุ่มสาว

พยาี่ย่อมมีในความไม่มีโรคมรณะย่อมมีในชีวิตผิวพันธุ์ไม่บริสุทธิ์ผุดพองเหมือนเมื่อก่อนสรีละก็หย่อนย่นเป็นเกลียวกายก็คล้องไปข้างหน้าและความแปรปรวนแห่งอินทรีย์คือจักสุโสตะคณะชิวหากายก็ปรากฏอยู่พระศาสดาตรัสต่อไปอีกว่าถึงท่านจติความแก่อันเลวทรามถึงท่านจติความแก่อันทาให้ผิวพันธุ์ามไป

รูปอันน่าพึงใจก็คงถูกความแก่ยับยีอยู่อย่างนั้นนั่นเองแม้ผู้ใดพึงมีชีวิตอยู่ได้ร้อยปีผู้นั้นก็ไม่พ้นความตายไปได้สัตว์ทั้งปวงมีความตายเป็นเบื้องหน้าความตายย่อมไม่ละเว้นอะไรอะไรย่อมย่ำยีทั้งหมดทีเดียวต่อไปนี้เป็นถ้อยคําในอร า, ารกาคะุูษาสนีสูตรดุกานภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วาศาสตาชื่ออรากะเป็นเจ้าลัทธิปราศจากความกำนัดในกาม

ก็อารกาศาสดานั้นมีสาวกหลายร้อยคนเธอแสดงธรรมแก่สาวกอย่างนี้ว่าดูก่อนพรามชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความขับแค้นมากจะพึงถูกต้องได้โดยปัญญาควรกระทำกุศลควรประพฤติพรหมจรรย์เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีดูก่อนพรามหยาดน้ค้างบนยอดหญ้าเมื่ออาทิตย์ขึ้นมาย่อมแห้งหายไปไดเร็วไม่ตั้งอยู่นานแม้ชั้นใด

ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนหยาดน้ำค้างฉันนั้นเหมือนกันนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความแับแค้นมากจะพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรกระทำกุศลควรประพฤติปรหมจรรย์พระสัตว์ที่เกิดแล้วจะไม่ตายไม่มีเมื่อฝนตกหนักหนาเมิดฟองน้ำย่อมแตกเร็วตั้งอยู่ไม่นานแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนฟองน้ำฉันนั้นเหมือนกันรอยไม้ที่ขีดลงไปในน้ำย่อมกลับเข้าหากันเร็วไม่ตั้งอยู่นานแม้ฉันใด

ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนรอยไม้ที่ขีดลงไปในน้ำชั้นนั้นเหมือนกันแม่น้ำไหลลงจากภูเขาไหล ไ, ไกลกระแสเชี่ยวพัดไปซึ่งสิ่งที่พอจะพัดไปได้ไม่มีเวลาหรือชั่วครู่ที่มันจะหยุดแต่ที่แท้แม่น้ำนั้นมีแต่ไหลเลื่อยไปไหนเดียวแม้ชันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนแม่น้ำที่ไหลลงจากภูเขาชั้นนั้นเหมือนกันบุรุษมีกำลังอมก้อนเขละก้อนน้ำลายไว้ที่ปลายลิ้นแล้วพึ่งถมไปโดยนายได้แม่ชันใด

ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเปลี่ยบเหมือนก้อนเขลระฉันนั้นเหมือนกันชิ้นเนื้อที่ใส่ไว้ในกระทะเหล็กไฟเผาตลอดทั้งวันย่อมจะย่อยยับไปรวดเร็วไม่ตั้งอยู่นานแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเปลี่ยบเหมือนชิ้นเนื้อฉันนั้นเหมือนกันแม่โคที่จะถูกเชือดที่เขานําไปสู่ที่ฆ่าย่อมก้าวเท้าเดินไปใกล้ที่ฆ่าใกล้ความตายแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนแม่โคที่จะถูกเชือดฉันนั้นเหมือนกันนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มาก

มีความคับแค้นมากจะพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรกระทำกุศลควรประพฤติพรหมจรรย์เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายก็โดยสมัยนั้นมนุษย์ทั้งหลายมีอายุประมาณ 60,000 ปีเด็กหญิงมีอายุ500ปีจึงควรแก่การมีสามีก็โดยสมัยนั้นมุนทั้งหลายมีอาพาธหกอย่างเท่านั้นคือเย็นร้อนหิวกระหายปวดอุจจาระปวดปัสสาวะดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลาย

อารกักขาศาสดานั้นเมื่อบรรลุทั้งหลายมีอายุยืนตั้งอยู่นานมีอาพาธน้อยอย่างนี้ยังแสดงทำให้สาวกฟังอย่างนี้ว่าดูก่อนพ ร, รามชีวิตความรุ่นทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรทากุศลคนประพฤติพรหมจรรย์เพราะศาสตรที่เกิดมาแล้วจะไม่ตาไม่มีดูก่อนพิสูจ์ทั้งหลายในปัจจุบันนี้เมื่อจะกล่าวโดยชอบก็พึงกล่าวว่า

ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรกระทำกุศลควรประพฤติโปรมาจากเพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีดูก่อนพิสูจ์ทั้งหลายในปัจจุบันนี้คนที่มีอายุอยู่ได้นานก็เพียงร้อยปีหรือน้อยกว่านั้นบ้างเกินกว่าบ้างก็คนที่มีอายุอยู่ถึงร้อยปีย่อมอยู่ครบสาร้อยฤดูคือฤ ด, ดูหนาวร้อยฤดูด

ฤดูร้อนร้อยฤดูฤดูฝนร้อยฤดูคนที่มีอายุอยู่ถึง300ฤดูย่อมอยู่ครบ 1,200 เดือนคือฤดูหนาวสี่ยเดือนฤดูร้อนสี่้เดือนฤดูฝน400อยเดือนคนที่มีอายุอยู่ถึงพ200เดือนย่อมอยู่ครบ2 4 0 0ันส่รเดือนคือฤดูหนาวแปดร้อยเกิเดือนฤดูร้อนแ0ดรึอยเกนเดือนฤดูฝนแ0ดร้อยเกิเดือนคนที่มีอายุอยู่ครบสองพัน

สี400่รกึ่งเดือนย่อมอยู่ครบ 36,00 มราตรีคือฤดูหนาว1 2ื0 0สันราตรีฤดูร้ อ, รอนหม0 0นันราตรีฤดูฝนหม0 0นันราตรีคนที่มีอายุอยู่ถึง 36,00 มราตรีย่อมบริโภคอาหาร7 2็0 0มเวลาคือในฤดูหนาวฤดูร้อนฤดูฝ น, นอย่างละ24งหมพันเวลาพร้อมๆกับดื่มดมบรรดาและอันตรายแห่งการบริโภคอาหารในสองประการนั้นอันตรายแห่งการบริโภคอาหารมีดังนี้

คือคนโกรธย่อมไม่บริโภคอาหารคนมีทุกข์ย่อมไม่บริโภคอาหารคนป่วยไข้ก็ไม่บริโภคอาหารคนรักษาอุโบสถก็ไม่บริโภคอาหารเพราะไม่ได้อาหารจึงไม่บริโภคอาหารดูกรพิสูจน์ทั้งหลายแล้วได้กําหนดอายุประมาณแห่งอายุฤดูปีเดือนกึ่งเดือนราตรีวันการบริโภคอาหารและอันตรายแห่งการบริโภคอาหารของมนุษย์ผู้มีอายุร้อยปีด้วยประการดังนี้แล้วดูกรพิสูจน์ทั้งหลายกิตใ ด, ดที่าศาสดา

ผู้สแสวงหาประโยชน์เพื่อกูลผู้อนุเคราะห์เพื่ออินดูพึงกระทาแก่สาวกกิจนั้นเรากระทำแล้วแก่เธอทั้งหลายดูก่อนพรสทั้งหลายนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างขอเธอทั้งหลายจงเพ่งปีนิจอย่าประมาทอย่าต้องเป็นผู้เดือดร้อนใจในภายหลังเลยนี่คืออนุสาสนีของเราสำหรับเธอทั้งหลายก็ไม่พ้นจากกรรมชั่วได้นี้ไปในถ้ำกลางมหาสมุทรก็ไม่พ้นจากกรรมชั่วได้

นีเข้าไปสู่ซอกหูเขาก็ไปพจนกรรมชั่วได้เขาอยู่แล้วในประเทศแห่งแผ่นดินใดความตายพึ่งครอบงําไม่ได้ประเทศแห่งแผ่นดินนั้นหามีอยู่ไม่บัดนี้ท่านเป็นผู้มีวัยอันชารานําเข้าไปแล้วเป็นผู้เตรียมพร้อมเพื่อจะไปสู่สํานักของพยายมอันหนึ่งแม้ที่พักในระหว่างทางของท่านก็ยังไม่มีถึงเสบียงทางของท่านก็หามีไม่ท่านนั้นจงทําที่พึ่งแก่ตนจงรีพยายามจงเป็นบัณฑิต

จงเป็นผู้มีมนต์ทิฏ AI กำจัดได้แล้วไม่มีกิเลสเพียงดังเนินจากไม่เข้าถึงชาติชราอีกคนผ่านย่อมคิดว่าเราจะอยู่ในที่นี้ตลอดฤดูฝนจากอยู่ในที่นี้ตลอดฤ ด, ด, ดูหนาวและฤดูร้อนหารูอันตรายไม่ความตายพาลอรชนนั้นผู้มัวเมาในบุตรและสัตว์เลี้ยงผู้มีใจคล่องในอารมณ์ต่างๆไปเหมือนห้วงน้ําใหญ่พัดพาเอาชาวบ้านผู้หลับไปฉะนั้นเมื่อบุคคลถูกความตายครอบงำแล้วบุตรทั้งหลาย

ย่อมไม่มีเพื่อต้านทานมารดาบิดาและพวกพ้องทั้งหลายก็ไม่มีเพื่อต้านทานความต้านทานในญาติทั้งหลายย่อมไม่มีบัณฑิตทราบเนื้อความนี้แล้วพึงเป็นผู้สํารวมในศีลชําระทางไปพระนิพพานให้หมดจดพรันทันทีเดียวต่อไปนี้เป็นเนื้อความในสา ร, รสูตร

ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้สั้นนิดเดียวลำบากยากเห็นมีทุกข์มากแต่ไม่มีเครื่องหมายให้รู้ว่าจะตายเมื่อใดสัตว์ทั้งหลายเกิดมาแล้วพยายามหาวิธีที่จะไม่ต้องตายก็ไม่สาเร็จถึงจะมีชีวิตยอยู่ไปจนชราภาพก็ต้องตายอยู่ดีเพราะธรรมดาของสัตว์โลกเป็นอย่างนี้สัตว์ทั้งหลายเกิดมาแล้วชื่อว่ามีภัยอันตรายเพราะจะต้องตายแน่นอนเปรียบเหมือนผลไม้ที่สุกงอมแล้วชื่อว่ามีภัยอันตราย

ก็จะต้องล่วงหล่นไปเป็นธรรมดาชีวิตของสัตว์ทั้งหลายต้องแตกดับเป็นธรรมดาเปรียบเหมือนผายชนะดินทุกชนิดที่นายช่างหมอททำแล้วในที่สุดก็ต้องแตกทำลายไปทั้งคนหนุ่มคนสาวทั้งคนเท่าคนแก่ทั้งคนขาวคนฉลาดล้วนตกอยู่ในอำนาจของมัจจุราชต้องตายด้วยกันทั้งนั้นเมื่อเหล่าสัตว์ใกล้จะตายต้องไปประโลกแน่นอนแล้วปิดามารดาก็ไม่สามารถช่วยบุตรของตนไว้ได้

หรือหมูญาติก็ไม่สามารถช่วยญาติของตนไว้ได้ท่านคงเคยเห็นเมื่อหมู่ญาตของสัตว์ทั้งหลายผู้ใกล้จะตายกำลังเฝ้าดูรำพันอยู่โดยประการต่างๆสัตว์ผู้ใกล้จะตายผู้เดียวเท่านั้นถูกปริยูคราไปเหมือนโคที่เขาจะฆ่าถูกนําไปตัวเดียวเท่านั้นสัตว์โลกตกอยู่ในอำนาจของความแก่และความตายอย่างนี้เพราะเหตุ น, นั้นนักปรารถนทั้งหลายทราบชัดสภาพของโลกอย่างนี้แล้วย่อมไม่เศร้าโศกไปตามสภาพของโลกนั้น

สัตว์ทั้งหลายพากันดิ้นรนอยู่เพราะความกลัวตายสัตว์ทั้งหลายตั้งความหวังไว้ว่าขอให้มีอายุยืนเป็นต้นแต่ก็ไม่สมหวังการพลัดพรากจากกันและกันเช่นนี้มีอยู่เป็นประจำท่านจงพิจารณาดูความจริงของสัตว์โลกเถิดคนผู้ยังหนุ่มแน่นถึงจะมีอายุยืนยาวไปถึงร้อยปีหรือมากกว่านั้นก็ตามก็ยังต้องพลัดพรากจากหมู่ญาติและต้องสิ้นชีวิตไปจากโลกนี้เหมือนกันเพราะเหตุ น, นั้นบุคคล

ฟังธรรมเทศนาของพระอาหารหันต์แล้วเห็นคนล่วงรับดับชีวิตไปกำหนดรู้ว่าเขาไม่สามารถฟื้นกลับมามีชีวิตอีกต่อไปควรกำจัดความพิไห ล, ลำพันธ์เสียทีละชนที่มีปัญญาเฉลียวฉลาดควรกระจัดความโศกเศร้าที่เกิดขึ้นเสียโดยฉับรันเปลี่ยบเหมือนลมพัดปุยนุ่นดุดนรชนใช้น้ำดับไฟที่กำลังไหม้ลุกลามให้มอดลงฉะนั้น

ต่อไปเป็นชราสูตรชีวิตนี้น้อยนักมนุษย์ย่อมตายภายในร้อยปีหากว่ามนุษย์ใด ย, ย่อมเป็นอยู่เกินไปบ้างมนุษย์นั้นย่อมตายเพราะความชราโดยแท้ชนทั้งหลายย่อมเศร้าโศกในเพราะวัตถุที่ถือว่าของเราความยึดถือเป็นของเที่ยงไม่ได้มีเลยการยึดถือนี้มีความพลาดพลากเป็นที่สุดทีเดียวคุณลบุตรเห็นดังนี้แล้วไม่ควรอยู่คลองเลือนบุรุษย่อมสำคัญขันใดว่านี้ของเราขันนั้นอันบุรุษย่อมละไปแม้เพราะความตาย

พุทธมามะกะผู้เป็นบัณฑิตรู้เห็นโทษแม้นั้นแล้วไม่ควรน้อมไปเพื่อยึดถือว่าของเราบุรุษตื่นแล้วย่อมไม่เห็นสิ่งที่มาประจบด้วยความฝันแม่ฉั้นใดใครๆก็ไม่เห็นชนที่รักซึ่งตายจากไปแล้วแม่ฉันนั้นชื่อของชนเหล่าใดที่พูดถึงกันอยู่ชนเหล่านั้นก็ยังเห็นกันอยู่บ้างคนที่ตายไปแล้วก็เหลือแต่ชื่อเท่านั้นที่จะพูดถึงกันอยู่มุนีไม่อาศัยในสิ่งทั้งปวงไม่ทำศัตรือสังขารให้เป็นที่รัก

ละไม่ทำสัตว์หรือสังขารให้เป็นที่ชังความรำพันและความหวงแหนให้ไม่ได้ติดผมุนีนั้นเหมือนน้ำไม่ติดใบบัวฉะนั้นหยาดน้ำย่อมไม่ติดบนใบบัววารีย่อมไม่ติดบนดอกบัวชั้นใดมุนีย่อมไม่เข้าไปติดในรูปที่เห็นในเสียงที่ได้ยินและในอารมณ์ที่ทราบฉันนั้นต่อไปเป็นอุตรเถระคาถาพบอะไรที่เที่ยงไม่มีแม้สังขารที่เที่ยงก็ไม่มีขันเหล่านั้น

ย่อมเวียนเกิดและเวียนดับไปเรารู้โทษอย่างนี้แล้วจึงไม่มีความต้องการด้วยพบเราสลัดตนออกจากกามทั้งปวงบรรลุความสิ้นอาสวะแล้วต่อไปสริมันดะเทระกถ า, า, าโลกคือมูสัตว์ถูกมัดจุเผาสุมถูกชารารุมร้อนถูกสอนคือตันหาทิ่มแทงถูกความปรารถนาแผดเผาทุกเมื่อโลกถูกมัดจุเผาสุมและถูกชารารมรอ้อมไม่มีสิ่งใดต้านทานได้ย่อมเดือดร้อนอยู่เป็นนิด

เนื่คนกระทำความผิดได้รับอาทยาเดือดร้อนอยู่ฉะนั้นชราปรยาที่ละมณะทั้งสามเป็นดุจกองไฟตามไม้หมู่สัตว์โลกนี้สัตว์โลกเหล่านั้นไม่มีกำลังต่อต้านไม่มีกำลังจะหนีไปได้ควรทำวันและคืนไม่ให้ไร้ประโยชน์ด้วยมณสิการน้อยบ้างมากบ้างในวิปัสสนากรรมาฐานเพราะวันคืนล่วงไปล่วงไปเท่าใดชีวิตของสัตว์ก็ล่วงไปเท่านั้น

เวลาตายย่อมลุกล้นเข้าไปใกล้บุคคลทุกอิริยาบทคือเดินยืนนั่งหรือนอนเพราะฉะนั้นท่านไม่ควรประมาทเวลาต่อไปเป็นสารีบุตตะธิรคาถาเราไม่ยินดีต่อความตายและชีวิตเราเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะจากละทิ้งร่างกายนี้ไปไม่ยินดีต่อความตายและชีวิตรอคอยเวลาตายอยู่เหมือนลูกจ้างรอให้หมดเวลาทำงานฉะนั้น

ความตายนี่มีแน่นอนในสองคราวคือในเวลาแก่หรือในเวลาหนุ่มที่จะไม่ตายเลยย่อมไม่มีเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงบำเพ็ญแต่สัมมาปฏิบัติเถิดขอจงอย่าได้ปฏิบัติผิดพิรุธเชลเลยขณะแห่งการปฏิบัติธรรมอย่าได้ล่วงเลยท่านทั้งหลายไปเสียเมืองที่ตั้งอยู่ชายแดนเขาคุ้มครองป้องกันดีทั้งภายนอกและภายในชั้นใดท่านทั้งหลายก็จงคุ้มครองตนชั้นนั้นเถิดขณะจะได้ล่วงเลยท่านทั้งหลายไปเสียเพราะผู้มีขณะอันล่วงเลยไปเสียแล้ว

ต้องพาการไปเศร้าโศกยัดเยียดอยู่ในนรกจากอสุเมธาเทรีคาถาพบแม้ว่าจะเป็นทิพย์ก็ไม่ยั่งยืนจะป่วยกลาบใหญ่ถึงกามทั้งหลายซึ่งเป็นของว่างเปล่ามีความน่ายินดีน้อยมีความคับแค้นมากเมื่อพบไม่เที่ยงความเกิดในหมูเทพทั้งหลายก็ไม่ยั่งยืนพวกคนเขาย่อม

ไม่หวาดสะดุ้งต่อการที่ต้องเกิดบ่อยๆไม่ช้าร่างกายที่ปราศจากวิญญาณอันมูญาติผู้เกลียดชังทอดทิ้งไปเหมือนทอดไม้เขาก็พากันนําไปปา่าช้ามิดามันดาของตนยังเกลียดชังกลั้นเอาซากศพนั้นไปทิ้งให้เป็นอาหารสัตว์อื่นในป่าช้าแล้วกลับมาก็ต้องอาบน้ําดํำก้าวจะป่วยกราพ ย, ายัยทั้งมวลชนทั่วๆไปเล่าเมื่อไฟกําลังไหม้ศีษะอยู่คนอื่นจะช่วยอะไรได้เมื่อชรามรณะติดตามอยู่

ก็ควรพยายามเพื่อทำลายชาราพรณะนั้นเสียจากอุปสาลหากะชาดกมีเนื้อความว่าสถานที่ไม่เคยมีคนตายไม่มีในโลกและในอนุโศจิยะชาดกมีเนื้อความว่าถ้าบุคคลจะพึงเศร้าโศกถึงคนที่ตายไปแล้วควรเศร้าโศกถึงตนผู้ตกอยู่ในอำนาจของมัจจุทุกเมื่อเถิดอายุสังขารจะติดตามสัตว์ผู้ยืนนั่งนอนและเดินไปมาเท่านั้นก็หาไม่

ว้ ย, ย่อมเสื่อมไปทุกขณะที่หลับตาและลืมตาเมื่อความพลัดพรากมีอยู่อย่างไม่ต้องสงสัยในอัตภาพที่เต็มไปด้วยอันตรายนี้อย่างนี้บุคคลควรเอ็นดูสัตว์ที่ยังเป็นอยู่ไม่ควรเศร้าโศกถึงสัตว์ที่ตายไปแล้วได้กล่าวบรรยายเรื่องความตายใช่น่ากลัวอย่างที่คิดมาก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติลงไว้เพียงนี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงแจมแจ้งในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สมาทานปฏิบัติอยู่ด้วยความแกล้วกล้าร่าเริงอาจหารในทานศีลภาวนาเป็นต้นเพื่อพ้นจากทุกข์คือความเกิดแก่ตายขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทในการเจริญกุศ ล, ลกรรมทุกเมื่อเทินจากอโยคระชาดกในคำพีขุธกานิกายชาดกสัตถือปฏิสนธิครั้งแรกอยู่ในครั้น

ตลอดคืนหนึ่งดำเนินไปไม่หวนกลับเหมือนเมฆหมอกที่ตั้งขึ้นแล้วลอยผ่านไป น, นรชนทั้งหลายประกอบพร้อมด้วยกําลังพลสู้รบอยู่ในสงครามจะไม่แก่ไม่ตายก็หาไม่เพราะว่าสัตว์มีชีวิตนั้นล้วนถูกชาติและชราเบียดเบียนเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงมีความคิดว่า

จะประพฤติธรรมพระราชาผู้เป็นใหญ่แห่งแคว้นทรงข่มขีราชาศัตรูผู้มีเสนาประกอบด้วยองค์สี่มีรูปร่างหน้าสะพึงกลัวเอาชนะได้แต่ไม่สามารถเอาชนะเสนาแห่งพยามั จ, จุราชได้เพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงมีความคิดว่าจะประพฤติธรรมพระราชาบางพวกแวดล้อมด้วยกองทัพช้าง

กองทัพมา้ากองทัพรถกองทัพพลเดินเท้าย่อมพ้นจากเงื้อมือของปัจจามิตรได้แต่ไม่อาจทรงพ้นจากพญามัจจุราชได้เพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงมีความคิดว่าจะประพฤติธรรมพระราชาทั้งหลายผู้ทรงกล้าหาญทรงหักค่ายทำลายนครกำจัดมหาชนได้ด้วยกองทัพช้างกองทัพมา้ากองทัพรถ

กองทัพผลเดินเท้าแต่ไม่อาจจะทรงหักรานพญามัจจุราชได้เพราะเหตุนั้นข้าพ เ, เจ้าจึงมีความคิดว่าจะประพฤติธรรมช้ชางทั้งหลายที่กำลังตกมันมีมันไหลยเยิม้มย่อมย่ามยีบ้านเมืองเข่นฆ่าประชาชนได้แต่ไม่อาจย่ามยีพญามัจจุราชได้เพราะเหตุนั้นข้าพ เ, เจ้าจึงมีความคิดว่าจะประพฤติธรรม

นายขมังธนูทั้งหลายผู้มีฝีมือฝึกปรือดีแล้วเป็นผู้กล้าหาญสามารถยิงไปได้ไกลแม่นยำไม่ผิดพลาดแต่ไม่อาจจะยิงพญามัจุราชได้เพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงมีความคิดว่าจะประพฤติธรรมสะทั้งหลายย่อมเสื่อมสิ้นไปพื้นปัจพีพรอมทั้งราวป่าก็หมดสิ้นไป

ถึงทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ตลอดกาลนานเข้าก็เสื่อมสิ้นไปเพราะสังขารทั้งหลายย่อมแตกสลายไปตามการกำหนดเพราะเหตุนั้นพระเจ้าจึงมีความคิดว่าจะประพฤติธรรมแท้จริงชีวิตของเหล่าสัตว์ทั้งปวงทั้งหญิงชายในโลกนี้มีสภาพวันไหวปั่นป่วนเหมือนแผ่นผ้าของนักเลง

เหมือนต้นไม้ที่เกิดใกล้ฝั่งเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงมีความคิดว่าจะประพฤติธรรมทั้งคนหนุ่มทั้งคนแก่ทั้งหญิงทั้งชายทั้งบรัน덕ย่อมมีกายแตกทําลายไปเหมือนผลไม้หล่นจากต้นเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงมีความคิดว่าจะประพฤติธรรมดวงจันทร์ซึ่งเป็นราชาแห่งดวงดาวเป็นฉันใด

วัยนี้หาเป็นฉันนั้นไม่เพราะส่วนใดล่วงไปแล้วส่วนนั้นเป็นอันล่วงไปแล้วในบัดนี้อันหนึ่งคนแก่เท่าชะลาแล้วหามีความยินดีในการมาคุณไม่ความสุขจะมีแต่ที่ไหนเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงมีความคิดว่าจะประพฤติ ธ, ธรรมยักษ์ปีศาจหรือแม่เปรตทั้งหลายเหล่านั้น

โกรธขึ้นมาแล้วย่อมเข้าสิงมนุษย์ทั้งหลายได้แต่ไม่อาจเข้าสิงพญามัจจุราชได้เพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงมีความคิดว่าจะประพฤติธรรมยักษ์ปีศาจหรือแม้เปรตทั้งหลายเหล่านั้นโกรธขึ้นมาแล้วมนุษย์ทั้งหลายย่อมทําให้อดโทษได้ด้วยพลีกรรมแต่จะทําพญามัจจุราชให้อดโทษ ด, ด้วยพลีกรรมหาได้ไม่

เพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงมีความคิดว่าจะประพฤติธรรมประราชาชนทั้งหลายทรงทราบความผิดอย่างชัดแจ้งแล้วจึงทรงลงอาชญาผู้มีความผิดผู้ประทุษร้ายและเบียดเบียนประชาชนแต่ไม่ทรงสามารถลงอาญาพญามัจจุราชได้เพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงมีความคิดว่าจะประพฤติธรรมชนทั้งหลายผู้กระทำความผิด

ผู้ปทุสลายและผู้เบียดเบียนเหล่านั้นย่อมได้เพื่อจะทูลกล้าวถวายดีกาขอพระราชทานอภัยโทษแต่จะทําพยามั จ, จุราชให้อภัยโทษหาได้ไหมเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงมีความคิดว่าจะประพฤติธรรมความเพ่งเล็งด้วยความหวังดีว่าผู้นี้เป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์ผู้นี้เป็นคนมั่งคั่งเป็นคนมีพลัง

หรือเป็นคนมีเดชไม่ได้มีแก่พยามัจจุราชเลยเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงมีความคิดว่าจะประพฤติ ธ, ธรรมสิงโตเสือโครง่งและแม้เสือเหลืองทั้งหลายย่อมข่มขีกัดกินสัตว์ที่ดิ้นรนไปมาได้แต่ไม่อาจจะกัดกินพยามัจจุราชได้เลยเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงมีความคิดว่าจะประพฤติธรรม

นักมายากลทั้งหลายเมื่อแสดงมายากลท่ามกลางสนามย่อมลวงตาประชาชนให้หลงไหลได้เพียงนั้นแต่ไม่อาจลวงตาพญามัจุราชได้เลยเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงมีความคิดว่าจะประพฤติรมอสสารพิษทั้งหลายตัวที่มีพิษร้ายกาศโกรธขึ้นมาแล้วย่อมขบกัดมนุษย์ทั้งหลายให้ตายได้

แต่ไม่อาจขบ ก, กัดพญามรรจุราชได้เลยเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงมีความคิดว่าจะประพฤติ ธ, ธรรมอสารพิษทั้งหลายโกรธขึ้นมาแล้วย่อมขบกัดผู้ใดหมอเยียวยายัางถอนพิษในร่างกายของผู้นั้นได้แต่ถอนพิษอันร้ายกาจของพญามัรจุราชหาได้ไม่เพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงมีความคิดว่าจะประพฤติธรรม

นายแพทย์ธรรมมนตรีหนึ่งนายแพทย์เบตรดรุณหนึ่งนายแพทย์โภชะหนึ่งกำจัดพิษพยานาคทั้งหลายได้แต่นายแพทย์เหล่านั้นได้ยินว่าได้ตายไปแล้วเช่นกันเพราะเหตุนั้นขา้าพเจ้าจึงมีความคิดว่าจะประพฤติธรรมวิทยาธรทั้งหลายเมื่อรายเวทชื่โมครมนย่อมหายตัวไปได้ด้วยโอสถทั้งหลาย

แต่จะรายเวทไม่ให้พญามัจจุราชเห็นหาได้ไม่เพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงมีความคิดว่าจะประพฤติทำจากเตมิยะชาดกคนหนุ่มควรประพฤติพรหมจรรย์ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ควรจะเป็นคนหนุ่มเพราะว่าการบวชของคนหนุ่มท่านผู้แสวงหาคุณธรรมมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นสันเริญอัตมภาพ

เห็นเด็กชายของท่านทั้งหลายผู้เรียกมารดาบิดาซึ่งเป็นบุตรที่รักอันได้มาด้วยยากยิ่งนักยังไม่ทันถึงแก่ก็ตายเสียแล้วอาจตมาภาพเห็นเด็กหญิงของท่านทั้งหลายซึ่งสวยสดงดงามน่าดูน่าชมมีอันสิ้นไปแห่งชีวิตเหมือนหน่อไม้ไผ่ที่ถูกถอนฉนั้นยิงอยู่จะเป็นชายหรือหญิงก็ตาม

แม้จะยังหนุ่มสาวก็ตายได้เพราะเหตุนั้นใครเล่าจะพึงวางใจในชีวิตนั้นว่าเรายังเป็นหนุ่มสาวอายุของคนเป็นของน้อยนักเพราะวันคืนล่วงไปล่วงไปเปรียบเหมือนอายุของฝูงปลาในน้ำน้อยความเป็นหนุ่มสาวในวัยนั้นจะทําอะไรได้สัตว์โลกถูกครอบงำและถูกห้อมล้อมอยู่เป็นนิด

แม่น้ำที่เต็มฝั่งย่อมพัดพาเอาต้นไม้ที่เกิดอยู่ริมฝั่งให้หักโค่นไปได้ฉั้นได้สัตว์ทั้งปวงย่อมถูกชราและมรณะพัดพาไปชั้นนั้นมหาบาพิษจะให้อัตมภาพเสื่อมไปเพราะรัพย์ทำไมบุคคลจักตายเพราะภรรยาทำไมประโยชน์อะไรด้วยกับความเป็นหนุ่มสาวซึ่งต้องแก

ทำไมจะต้องให้ชราครอบงำในโลกสันนิวาตอันมีชราและมรณะเป็นธรรมดานั้นจากเพลิดเพลินไปทำไมจะเล่นหัวไปทำไมจะยินดีไปทำไมจะมีประโยชน์อะไรด้วยการแสวงหาทรัพย์จะมีประโยชน์อะไรด้วยลูกและเมียแก่อัตมาภาพผลไม้ที่สุกแล้วย่อมมีภัยจากการหล่นเป็นนิดชันใดสัตว์ทั้งหลายที่เกิดแล้วย่อมมีภัย

จากความตายเป็นนิจชั้นนั้นคนเป็นอันมากได้พบกันในเวลาเช้าเพราะเวลาเย็นก็ไม่เห็นกันคนเป็นอันมากได้พบกันในเวลาเย็นพราถึงเวลาเช้าก็ไม่ได้เห็นกันควรรีบทำความเพียนเสียแต่ในวันนี้ทีเดียวใครเล่าจะพึงรู้ความตายว่าจะมีในวันพรุ่งนี้เพราะความผัดเพี้ยนกับบรรจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นไม่มีเลยจบ

เนื้อความในเตมียะชาดกต่อไปเป็นนานาทัศนะเกี่ยวกับความตายความตายไม่น่ากลัวความกลัวตายต่างหากที่น่ากลัวความตายเป็นทั้งมิตรและศัตรูแล้วแต่ทัศนะของคุณครีโอพัตตาเมื่อตายแล้วก็ไม่ได้ต่างจากหญิงสาวทั่วไปความตายเป็นทุกข์แค่ขณะเดียว

แต่การดำรงอยู่เป็นทุกข์ทั้งชีวิตไม้ท่อนหนึ่งและไม้อีกท่อนหนึ่งอาจประสบพบกันในมหาสมุทรแล้วพากจากกันชั้นใดการพบปะกันแห่งผู้มาเกิดก็ฉันนั้นกายนี้ร้อยรอลงไปทุกขณะเหมือนหม้อดินดิบลอยอยู่ในน้ำละลายไปทุกขณะ

นรชนกระทำพวกพ้องให้เป็นที่รักไว้ในมนัดมากเพียงใดก็เท่ากับปลูกน้ามคือความโศกไว้ในหัตถัยมากเพียงนั้นการอยู่ร่วมกันจนถึงที่สุดนี้แม้แต่ร่างกายของตนเองส่วนหนึ่งก็ยังไม่มีใครได้เลยนับระษาอะไรกับสิ่งอื่นซึ่งอยู่นอกกายเมื่อมาระลึกแล้วระลึกเล่าถึงมรุตยูผู้มีอาชญาร้า

ความพยายามทั้งสิ้นของชนแม้เป็นปราดก็ย่อนลงเปรียบเหมือนเชือกหนังถูกน้ำฝนรดฉะนั้นจบบริบูรณ์ความตายใช่น่ากลัวอย่างที่คิดยทาปิเชลาวิปุลานาพังอาหารจะปะพตาสมันตาอนุปาริยายุงนิโปเทนตาจะตุธิสา

ผูเขาทั้งหลายแล้วด้วยหินอันภัยบุญสูงจดฟ้ากริ่งบทสัตว์มาโดยรอบทั้งสี่ทิศแม่ฉันใดเอวังชราจะมัดจุจะธิวตันติปานิโนความแก่และความตายยอมครอบงามสัตว์ทั้งหลายแม่ฉันนั้นคาติเยพระมเนเวชเส

เป็นกษัตริย์ก็ตามเป็นพราหมณ์ก็ตามเป็นพลเมืองก็ตามสุดเทจันดาลาปูกุเซเป็นไพรก็ตามเป็นครึ่งชาติก็ตามเป็นกุลีเทอยากเยือก็ตามน่ากินจิปริวัติเชติมิได้เว้นสิ่งอะไรอะไรไว้สาภะเมวาพิมัติยอมครอบงามศาตว์ทั้งปวงทีเดียว

นาตัดธัตุที่นังภูมิภูมิแห่งช้างทั้งหลายย่อมไม่มีในชาราและมรณะานาันนรธานังนาปติยาภูมิแห่งรถทั้งหลายแห่งพลเดินเท้าย่อมไม่มีนาจาปิมันตยุเทนาสากาเชตุงทนเนนวาอันหนึ่งอันใครๆไม่อาจเพื่อจะชนะ

ชราและมรณะ น, นั้นด้วยการสูร้รบด้วยเวทมนต์หรือด้วยทรัพ์ตัดสมาหิบันดิโตโอโปโซเหตุนั้นแหลบุรุษผู้เป็นบัณฑิตสามปาสสังอธรมมตโนเมื่อเหล่งเห็นประโยชน์ตนผู้เทธรร ม, มจะสังเทจทีโรสัตทางนิเวสเยผู้มีปัญญา

ควรจะปลูกความเชื่อในพระพุทธธรรมและพระสงฆ์โยธรรมจาริกาเยนาผู้ใดประพฤติธรรมด้วยกายวาจายอุทเทเจตสาด้วยวาจาหรือด้วยใจอิเทวานังปะสังสันติบัณฑิต ท, ทั้งหลายยอมกล่าวสันสเร ด, ดรช น, นั้นในโลกนี้เปจสศัเคปโมทติ

น, นราชนาละโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์ดังนี้แลพุทธาภูคาภตาภัจจาภูคาทั้งหลายเราได้บริโภคแล้วบุคคลทั้งหลายที่ควรเลี้ยงเราได้เลี้ยงแล้ววิตินาอาปทาสุเมอันตรายทั้งหลายเราได้ข้ามพ้นไปแล้ว

อุทาคขาทักขีนาทินาทักษีนาที่เจริญผลเราได้ให้แล้วอธทปัญจาผลีกตาอนหนึ่งพรี้าเราได้ทำแล้วอุปัฏิตาศิลวันโตสัญญ า, าพรมจาริโนท่านผู้มีศีลสำรวมระวังพระพืชพรหมจัรทร์เราได้บำรุงแล้ว

อย่าทาุ้ทางโภคามิเฉยยบันดิโตครมาวาสังบันดิตผู้อยู่ครองเลือนปรารถนาโภคาเพื่อประโยชน์อันใดโซเมอทโอนุปัตโตกตังอ น, นุนาปียังประโยชน์นั้นเราได้บรรลุแล้วการไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเดือดร้อนในภายหลังเราได้ทำแล้ว

เอตังอนุสรังมาโจอริยธรรมเมติโตนโร น, นรชนผู้จะต้องตายเมื่อตามระลึกถึงคุณข้อนี้อยู่ถึงเป็นผู้ตั้งอยู่ในอริยธรรมอิเทวนานังภาังสั้นตีเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายยอมกล่าวสรรเสริญ น, น, นรชนนั้นในโลกนี้เปจาสาเคปโมทตดตีต

นราชนานละโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์ดังนี้แลยะาวาริวาภูราปริภุเรนติสาครังวงน้ำที่เต็มย่อมย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวามวะาิโตทินนางเปตานางอุปกาปติ

ทานที่ท่านอุทิศให้แล้วแต่โลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วฉันนั้นอิจิดังปฏิดังตุมหังก็ออิทธพลทั้งหลายที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วขิปเมวุสมิชตุจงสำเร็จโดยชาพรสภพปพุเรนตูสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่

จันโทปนรโสยทธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพน็ญมานิโชติราโสยทธาเหมือนแก้วมานีอันสว่างสวัยควรยินดีสปิตโยวิวัชันตูความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสพรโรคโควินัสตูโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเต